เจราญนรท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ให้ความสนใจต่อการศึกษาการปฏิบัติพระธรรมประเสฐของพระพุทธเจ้าเราก็จะเริ่มสนทนาคับุคคลแรกที่เข้ามาก่อนเครื่องคืนกราฟี่กราฟจากสราทานในชานครับ ครับครับรักสการครับครับขอถามเลยนะครับเอความหวังดีของพ่อแม่ของครอบครัวบางอย่างครับมันทําให้เราทุกมันทําให้ไม่ถูกต้องทีเนี้ยคือเราเห็นไปแล้วข้างหน้าทุกแต่ว่าทีเนี้ยลูกไม่รู้ว่าแบบว่าจะมีปัญญาที่ไหนมาแบบว่าทําให้เราเอามาใช้ในทางทําได้ครับหรือว่ามันใกล้ถึงเวลาที่เราจะต้องออกไปอ่ะครับ มันก็แต่ว่ามันทําให้เราต้องมาแก้ปัญหาตอนหลังนะครับก็ต้องดูว่าสิ่งที่เขาต้องการใ้เราทำนี่มันเป็นทุกข์หรือเป็นศพกันแน่อย่างพระพุทธเจ้าพระลานบิดาก็าต้องการให้ท่านอยู่ของราท่านจาเห็นว่าเป็นทุกข์ทนะ่านก็เลยต้องหนีไปเพราะว่าถ้าจะบอกก็คงยังไม่ได้ไปถ้าจะขออนุ ญ, ญาต ข, าของคุยังไม่ได้ไป เราทำแบบไม่ไม่ทำให้น้ามันคุ่นบัวมันช้าเถอททำแบบเนี้ยไปไม่ต้องไปต่ออต่อเทียงกันไม่ต้องไปว่ากันพอมาเขาอยากทา ย, ทายเราทำอย่างนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่เราจะทำอย่างนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของเราไม่มีความจำเป็ น, ปน<อ>ที่จะต้องมาน้ามาน่ดาด่ากันว่า ก, กันถกเถียงกัน ครับของผมก็หลักๆก็คือมีเท่านี้ครับเพราะว่าคือมันมันมันลำบากครับัาจารย์เลยมันมันก็มันเป็นชีวิตของเรามันไม่ใช่เพื่อพ่อแม่เขาก็หวังดีแต่ความหวังดียวนก็อาจจะไม่อาจจะกลายเป็นความประสงค์รายสําหรับเราก็ได้ใช่ใช่มันมีผลร้ายครับอาจารย์นั้นเราก็ต้องดูผลที่จะเกิดขึ้นกับเราเป็นหลัการไม่กระทำก็คือแก้ไปทีละเรื่อง การไม่กระทําตามสิ่งที่พ่อแม่ปรารถนาก็ไม่ได้หมายความว่าอกขันยุ่งด้วยในคนนะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสำหรั บ, บเราเราก็แต่สิ่งที่ เ, เราไม่ไม่ต้องทํา็จะไม่ปวดที่จะไปตอบโต้ไปเถียงอะไรกับพ่ อ, อแม่ก็คื อ, อคมันถ้ามีปัญหาแล้วก็คือแก้ไปตามที่มีปัญหาแต่และก็คอยคอยมอนช่องทางที่จะออกจากปัญหาเออ แต่เราไม่ต้องไปเถียงว่าพ่อผิดแม่เราถูกไปไม่ต้องไปเถียงได้ไหมวายพ่แม่เขาพูดไปเราก็มีหน้าที่ลูกมีหน้าที่รับฟังเสแต่เราจะเอาไปนำเอาไปปฏิบัติตามได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการวินิจัยของเราครับครับพูดวายครับอาจารย์มันจะมีคนนอกมีอะไรอย่างเงี้ยเรอย่าไปถือสาปล่อยถือว่าเราห้ามเขาไม่ได้ แล้วฝอยก็อยากที่จะมีส่วนมีอะไรใชครับถ้าฝอยเขาพูดไปในที่สุดเราเป็นคนทําเราเป็นคนรับผลของทางกระทาของเราครับดูตรงดูตรงจุดนี้เป็เหรอก็คือพยายามแก้ก็คือครับครับเข้าใจารย์อ๋อรายละเอยเข้าใจกายละเอียดสิครับครับครับขอบคุณครับแต่ยาาไปมีอะไรกับพ่อแม่นะต้องเคารพรักพ่อแม่เหมือนเดิมนะ อย่าไปกหกเกี่ยวกันนะไม่ครับไม่รับต้องข่าวลบต้องมีสมาคาละวะันต้องมีความกตัญญูแล้ว่าพ่อแม่จะเป็นอะไรย่างไรมันเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่เรื่องเล็ที่อยไปเอามาเอามาเป็นเหตุให้เราเป็นคนละกตัญญูมืวยในลนะคุณก็คือบางเหตุการณก็คือว่าเหมือนมามาเปลี่ยนเปียนแบบว่ามาเปลี่ยนเปียนเราครับซึ่งเขาก็ถามว่าแบบว่า ผมเราไม่กัตันยูหรอก็บอกกัตันยูก็คือว่าไม่ได้โกรธครับคือบางอย่างมันทาให้ชีวิตของเราที่ดําเนินไปมันดำเนินไปไม่ได้ครับส่วนเขาหวังดีอย่างหนึ่งแต่ว่าเขาก็เขา ก, เขาก็ทราบครับก็ก็คิดว่าเป็นการแบ่งรับแบ่งสู้ใช่ตอนนี้แบ่งรับแบ่งสู้ครับก็ทําให้เขาว่าเพราะว่าเขาก็เป็นคนสร้างเราขึ้นมา เขาต้องการอะไรบางอยางจากเราเรามีให้ได้ก็ให้ไปออครับครับอาจารย์ทดแทนเุ็นคนอีกใครอ๋อครับครับเข้าใจครับโอเคนะครับครับขอบคุณมากครับโอเคคุณสมพลอยากกอสมานะจยากระยองครับระยองขอไปทำไม่ได้ นมาสการท่านพระอาจารย์ครับวันวันนี้มันมันมีเรื่องที่อยากจะปูดสานิดหนึ่งเกี่ยวกับว่า เ, เรามาพิจารณาดูเนี่ยตัวที่เป็นปัญหาในชีวิตตอนนี้ก็คือมือถือแหละผมว่าทุกคนก็คงคงมีปัญหาลักษณะเหมือนกันคือมือถือเนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้ในการหาข้อมูลทางธรรมะ ใช้ในการฟังธรรมใช้ในการจิปาทะแต่สิ่งที่ตามมามันก็มีทั้งด้านลบเหมือนกันก็คือมันก็ก็ก็จะมีภพชาติที่ถูกสร้างขึ้นมาตลอดเวลานะแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังบาลานซ์มันไม่ถูกว่าเออเราจะใช้เวลากับในการหาธรรมะแค่ไหนแล้วก็ในทางโลกแค่ไหนในทางโลกเนี่ยโดยมากเนี่ยมักมักจะเป็นเรื่อง รอบบ้านรอบเมืองอะไรอย่างงี้บางทีบางทีเราก็อดที่จะเข้าไปรับรู้ไม่ได้พอเข้าไปรับรู้สิ่งต่างๆที่เป็นเป็นเป็ น, เ, ปนเหมือนกับเป็นการก่อภพก่อชาติอะไรเนี่ยมันก็ทําให้เกิดสัญญาแล้วก็นําไปสู่สังขารการปรุงแต่งขึ้นมานะแ ต, แต่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณสักหกสิบสี่สิบเนี้ยจะใช้ในเรื่องของธรรมะนะในเรื่องของการสร้างเพจธรรมะในเรื่องของ ในเรื่องของการเรียนรู้ธรรมะอะไรต่างเนี่ยก็อยากจะขอคำแนะนำจากอาจารย์ว่าเออผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาลักษณะนี้คนที่เขาประสบปัญหาลักษณะนี้นควรจะมีวิธีที่จะจัดการดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับก็มันเป็นเครื่องมือสื่อสารเนี่ยเป็นครื่องมือเครื่องมเช่นมีดเนี่ยเราก็ต้องรู้จักใช้มีดใช่ไหม รววเราไม่เอาไม่มาฟันตัวเลย อ, อืมก็ต้องมีแต่ ว, ว่าการกระทำของเราการที่เราใช้มือถือนี่มันมามันมาฟันตัวเราเองแล้วมันมาทําประโยชน์ให้กับเราก็ต้องรู้จัดแยกแยเท่านั้นเองในในแง่ทําประโยชน์นี่คงไม่ไม่ไม่ไ ม, ไมีเป็ น, นในแต่ในแง่ที่ว่าผมกำลังคิดดูว่าในแง่ที่ว่ามันจะนําไปสู่สร้างภพเนี่ยถ้าเราดู หรือว่าเราฟังหรือว่าเราคิดโดยที่เรามีสติอยู่ด้วยเนี่ยอันนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรือเปล่าว่าเราจะไม่คล้อยตามตัวนี้ไปก็แล้วแต่คุณอ่ะคุณต้องเป็นคนเป็นใช้มือคุณก็ต้อารู้ว่ามันบาดคุณหรือเปล่ามันฟันคุณหรือเปล่าอืมครับคุณไปคุณไ่เสี่ยงกับมันทําไมไปเสี่ยงให้มันมาฟันคุณทำไมถ้าามเมื่อคุณรู้ว่าเมื่อคุณรู้ว่ามันจะเป็นการก่อผว้ก่อชายแล้วไปยังไปดูมัน มันเป็นสิ่งรอบตัวที่บางครั้งเราเรามันก็ถึงมันไม่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงแต่ว่ามันก็มีส่วนที่จะเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตอยู่เหมือนกันนะถ้ามันเป็นข้อมูลก็เป็นอย่างถ้ามันเป็นการบันเทิงก็ก็ต้องรู้จักแยกเอี่ยงถ้าเป็นบันเทิงมันก็จะเอามีดมาบาดตัวเราแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่เราจําเป็นทจะต้องมีไว้เพื่อที่จะได้ดำรงชีพอย่างปลอดภัยอะไรมันก็มันก็ก็ไม่เป็นธั้หมดเป็นไทย อย่างข่าวสารทางโลกทางอะไรที่ที่บางครั้งเราก็เข้าไปมีส่วนร่วมรับรู้ด้วยแล้วก็เอ๊ะเอออย่างตอนนี้มันจะเกิดสงครับเกิดอะไรไหมเราก็เพียงแต่รับรู้แต่ว่ามันก็ทําให้ใจเราค่อยๆแข็งกันว่ามันจะมีผลกระทบหรือว่าอะไรผมว่าทุกคนก็คงมีความคิดส่วนนี้อยู่บ้างด้วยเหมือนกันะเมื่อมันมันมันมีผลกระทบกับเราเราก็อย่าไปดูมันทั้หมดเลยอืมตัดตัดตัดโดวยวิธีนั้นเลยอ่า ก็เนี่ยม่ามันก็เหมือนกับเอามีดมาบาดแล้วเราอยากจะทนให้มันมีดบาดเราอยู่ไครับครับครับก็ ก, ก, ก, ก, ก็ก็คงมีคำถามเท่า น, นี้แล้วครับท่านทจานจัครับ อ, อมันอยู่ที่เรา ร, รู้จักใช้ของหรือไม่ครับถ้าไม่รู้จักใช้ของรู้ว่าใช้แล้วมันทําให้เกิดความเสียหายกับเราเราก็อย่าไปใช้มัน ใช้ในส่วนที่มันเป็นประโยชน์กับเราตอนนี้ก็ใช้ในส่วนที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของธรรมะก็ก็ก็เป็นสัดส ok ่วนใหญ่แต่ว่าก็พอมันมีส่วนรบกวนมามันก็เออมันก็กระทบเหมือนกันตรงเนี้กระทบกิดปัญหาก็เราข้ามใจเราไม่ได้เรารู้ว่ามันไม่ดีแต่เราก็ยังอยากจะถูกต้องเลยถูกต้องเลยบางครั้งเราไปเจออะไรนะโอ้ยไม่ดูแะดูนิดนิดหน่อยหอยอ่าดูนิดหน่อยมันก็เออมันก็กระทบเข้ามาเออมันก็ แออย่างเงี้ยบางทีเราเราเร า, เราเจอแล้วเราเราพยายามที่จะปัดมันแต่ว่าเออมันก็มันก็ใจมันก็ยังอยากจะจะรู้อีกนิดนึงอะไรอย่างจะทำนองนั้นนะกับต้องทอดตัวเราเนะกับกับ<ม>ก็คงเป็นอย่างนั้นกับกับกับโอเคหมดคำถามครับคนสาธกาใ กับนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะวันนี้มาร่วมฟังคำค่ะอาจารย์แล้วก็<ม>ที่พระอาจารย์บอกว่าให้สามารถที่จะเข้าวัยอะค่ะคือไม่ถึงห้านาทีมันก็เข้าความว่างได้ตลอดอะค่ะพระอาจารย์เอก็เลยมันไม่มีฟุ้งสั้นคืออยู่ๆมันก็ฟุ้งก็ทุกๆแล้วมันก็เข้าอ่ะค่ะพระอาจารย์ทุกรอบเลยตอนนี้นเข้าได้นานไหมอยูไ่ได้นานก็ได้ประมาณคืออย่างต่ําเลยอ่ะคือ ต่ำสุดสี่สิบห้าแล้วก็นานสุดก็เกือบสองชั่วโมงนะคะอาจารย์ก็ว่างอยู่อย่างเงี้ยค่ะไม่หลับนะไม่หลับนะไม่หลับค่ะก็คือลองแล้วก็เข้าใหม่ลองเข้าใหม่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยตลอดนะคะอาจารย์คือไม่ไม่มีอาการฟุ้งซ่านเหมือนตอนก่อนที่ว่าพอฟังที่ตอนนั้นคือฟังพวกธรรมะแล้วไม่เข้าใจอะไรเงี้ยมันก็จะมีเครียดตรงนั้นฟุ้งซานตรงนั้นแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วก็ ไอ้ที่หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แบบคือแฟนบอกว่าเออเธอไปนี่ดีมากเลยบัญคือกลายเป็นว่าแฟนอ่ะขี้บ่นขี้หงุดหงิดแทนเราเราอะไม่มีอะไรเลย mm hmm. ก็เลยใช้พวกธรรมะของพระอาจารย์แบบที่ฟังๆนะคะ mm hmm. ก็คือใครจะเป็นไงก็ตามแต่ก็ปล่อยเขาเราก็ของเราเอง mm hmm. <laughs> ก็เลย mm hmm. อยู่ประมาณอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วก็ไม่ mm hmm. ไม่ได้ไปอะไรค่ะหายส่วนมากก็คือแค่ตอนเช้ามาก็แค่ปักบาบแล้วก็ศีลห้าแล้วก็นั่งฟังธรรมะแล้วก็ตอนวานเสร็จแฝดกลับมาก็นั่งแค่นี้ค่ะ<ด>แล้วทำไปเรื่อยๆอยู่ประมาณาานี้นค่ะถ้าคิดว่าจิตสงบมีพลังมากก็เวลามไม่ได้อยู่ในสมาธิก็นึกถึงทางปัญญาชน ะ, ะ, ะนร่างกายไม่เที่ยง เพราว่าอีตอนที่บอกพระอาจารย์ที่ตอนก่อนนะคะที่ว่าไปสี่หล้านะคะ mm hmm. ที่ว่าจะไปตรวจนะคะ่ะ mm hmm. ตอนแรกที่ว่าว่าเหมือนโลอัพแต่เขาไม่ได้คิดอะไรก็คือหมอเขาก็บอกมีก้อนแล้วก็ทีนี้ลูกก็ฟัง ก, ก็แบบเหมือนว่าเออเหมือนตรงก้อนที่ต้องนมเหมือนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็เลยลองตรวจให้ตอนแรกเขาก็คิดว่าสงสยัยเหมือนแก้วนว่าจะเป็นมะเร็งแต่ลูกก็เฉยๆนะเพราะว่ามันชินนะคะแล้วก็ รอผลพอได้ผลมาก็ปกติไม่ได้เป็นหมอตกใจมากกว่าเราแต่เราก็แค่แค่เฉยๆก็คือแค่ไปเขาบอกอะไรก็ไปทาตามแล้วก็ช่วมที่นั่งรอก็คือเปิดหนังสืออ่านธรรมะแล้วก็นั่งอยู่กับตัวเองอย่างนั้นนะคะ เ, เรียกอะไรก็ประมาณนั้นเราต้องเตรียมพร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์ต่างๆให้ได้นะ<อ>ไม่ไม่หวัน่นไหวไม่รีตก เพามันไม่ใชเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของร่างกายาไม่ได้เป็นร่างกายาเพป็นจิตใ จ, ใจผูอดูแลร่างกายนั่นเองเพราะว่าของลูกอะที่ลูกว่าลูกแบบมีความแบบที่ทุกข์หนักๆเลยก็คือของแม่อย่างเดียวอย่างอื่นนอะลูกไม่ค่อยมีอะไรส่วนมากคือพูกพันกันมากก็แค่เรื่องนั้นถ้านอกจากนั้นก็คือเฉยๆแล้วว่าขับต า, าก็าอยา่าไปดูกพันมานกจนเกินไปดูแลกันไว้ ดูลกันได้อะไรได้แต่อย่าไปทุกกับอย่าไปทุกกับท่านค่ะค่ะลูกก็คือพอตั้งแต่แม่ตายที่ลูกบอกว่าอาจารย์แหละมันมคือมันนิ่งมันแบบคือคือมันนิ่งเหมือนตอนที่แบบมันนิ่งมากอ่ะไม่เคยเจอ<น>มันหมดห่ ว, วงไปนะหมดห่ ว, วงค่ะค่ะค่ะก็พยายามรักษาใจเป็นแบบนี้ไปตลอดเวลานะไม่ว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ตาม เร า, าอยากมาแฟนมีสงครามมีอะไรมันก็เราก็ไปห้ามไม่ได้เห็นะคือลูกไอ้พวกอย่างเงี้ยลูกมันไม่ค่อยยึดติดอาจารย์เพราะว่าลูกแฟนน่ะเขาจะบอกมากเลยว่าลูกอะเป็นคนแบบเหมือนแบบใจอ่อนอเกินเงี้ยคือแบบเห็นก็ช่วยช่วยช่วยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรอ่าจารย์ก็ไม่ได้คิดว่าอย่างแบบบางทีอะไปเจอเงี้ยคนที่แบบเคยเจอกันทํางานแล้วเขาแบบเหมือนเป็น ชุดเหลืองแล้วเขาลบาบากเนี้ยพระอาจารย์ก็เอาตังินไปให้เขาเขาก็ตอนแรกก็บอกว่าไม่ต้องเอามาใช้แล้วตอนหลังเขาก็บอกว่าเออพี่ช่วยมากแล้วหนูเอามาใช้ทีนี้พวกพี่ที่เขาสนิท ก, กันนะพระอาจารย์เขาก็บอกว่าแกจะมาดีอย่างนี้ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เขาก็ถามว่าคือแบบเหมือนว่าเราอมาทางนี้ด้วยแต่ลูกก็ไม่ปกติอ่ะเขาก็ว่าลูกบอก แกดีอยู่แล้วแต่แกไม่ใช่จะบดีอย่างนี้เที่ยวบแบบแแแแแเหมือนแจกแจกแจกให้ใครอย่างเงี้ยค่ะประจารย์ลูกก็เลยแบบถามเขาบางทีก็บอกว่าไม่ต้องเอามาคืนก็ได้แต่เขาบอกว่าเขาให้เอาแบบเขาบอกว่าช่วยมากแล้วเขาก็คื อ, อเหมือนขอดูเขาอหาการับไว้ถ้าเข า, ม า, าไม่ให้ก็ไม่ไปทวงมาแล้วแต่ยังลูกก็ประมาณนี้เพราะว่า พี่เขาจะบอกว่ามันเยอะมากแกไม่ทวงอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ลูกก็แบบกลัวไงกลัวบ้าคือเราให้แล้วเนี่ยทวนเลยว่าเราทำบุญแล้วเราไม่ได้คืนลูกก็บอกลูกไม่ได้บุญถ้าทวมาเกินก็ไม่ได้บุญได้งินแต่ก็ไม่ได้บุญใช่ลูกว่ามันไม่ได้เดือดร้อนลูกลูกก็เลยโอเคนะค่ะค่านสาธุนโมนโมเชน ทำน้ำมัสการครับพระอาจารย์วันนี้ก็เข้ามาในซูมมาส่งกันบ้านพระอาจารย์ครับที่คราวที่แล้วพระอาจารย์ให้ไปครับมีอะไรบ้างก็คราวที่แล้วที่พระอาจารย์ให้เอสวดอีติปีสอในใจแล้วว่างนั่งสมาธิในช่วงแรกนะครับก็พอทำแล้วสวดไปหลายๆจบรู้สึกว่ามันสงบมันไม่ฝุ่นซ่านแล้วครับพระอาจารย์คราวนี้พอมาบุตรโพก็ ดีขึ้นครับพระอาจารย์ mm. ก็แต่ยังติดปัญหาบางปัญหาครับพระอาจารย์ก็คือว่าบางทีเราตั้งใจว่าเพราะว่าได้ยินที่พระอาจารย์บอกว่าบางทีเราน่าจะลองสวดตามอายุของเราอย่างเงี้ยครับก็มาทุกวันนี้ก็เลยลองแล้วคราวนี้พอทําก็ลืมครับพระอาจารย์ว่าสวดไปกี่จบแล้ว เราไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องนับก็ได้สวดไปจกว่ใจเราจะสงบมีปัญหาหรือเปล่าหรือถ้าสวดไปแล้วใจไม่คิดตุ๊บแต่เราก็หยุดได้ไม่ต้องนับก็ได้แต่สวดไปเรื่อยๆให้ใจมันนิ่งนิ่งแล้วพอมาดูลงแทนได้ก็ดูลงต่อสวดก็ได้หายไปไหนแล้วมันก็กลับมาแล้วเข้าใจไหม นโมสัญญาณของนโมไม่ไดีตอนนี้ขาดขายหายหายตอนนี้ฟีีครับจบแล้วเข้าไปที่ท่านต่อไปก่อนนะนโมคุณคุณุณยนุษนะคุณนกับนมรสการค่ะพระอาจารย์ค่นะอยู่ที่ไหนหนูอยู่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์มีอะไระไหม วันนี้หนูเข้ามาเราฟังค่ะแล้วก็มารายงานผลการปฏิบัติที่ได้จากการสั่งทำของแม่อาจารย์ส่วนใหญ่ก็คืออยากยุ่งกับคนอื่นน้อยลงอะค่ะไม่ค่อยอยากไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเพื่อนเพื่อหรือแม้กระทั่งของคนในครอบครัวค่ะเราอยากอยู่แบบของเราแล้วก็อยากให้เขาใครอยากทําอะไรเราก็จะปล่อยเราไม่ค่อยไปไปเสนอความคิดเห็นกับเขามากก็พบว่าเราจะสุขมากขึ้นนะคะพระอาจารย์ใช่เราไปยุ่งเองค่ะ <laughs> ที่ถูกมาทั้งหมดคือไปยุ่งกับเขาแล้วเขาไม่เอาถามตามทางเราแล้วเราก็จะรู้สึกน้อยใจค่ะใช่เก็มาหาเราดีกว่าถ้าเขาต้องการเลยจากเรไปให้เขาไปดีกว่าค่ะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของคนในบ้านมากขึ้นนะคะว่าจริงๆแล้วชีวิตเขาว่าเขาอยากเลือกทางไหนค่ะจะไม่ไปแบบชี้นําอะค่ะเพราะตอนอชี้นาเราต้องอยไปเป็นผู้นำกับชี้ไม่ช้อยไปใช่ค่ะ <C HA> สอนได้ถ้าก็อยากจะรู้วิธีดําเนินชีวิตที่ถูกต้องเป็นยังไงแล้วก็บอกพว <C HA> กไปค่ะแต่ท่านก็ไอยากรู้ <C HA> ก, ก็ปล่อยไปในกระทั่งการรักษาอะไรของของคุณพ่ออะไรเงยค่ะหรืาก็จะให้ท่านเลือกแต่ถ่าเกิดท่านถามเราก็จะบอกว่าถ้าทางนี้หมายความว่าถ้าทางนี้คุณหมอหมายความว่าแต่ให้ท่านลงความคิดเห็ น, นก็เราทุกใจน้อยลงค่ะพระอาจารย์เราไม่เครียดว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนเมื่อก่อนนะคะเอ แสดงว่ามีปัญญานะมีเหตุมีผลค่ะก็พยายามเอาคําที่ได้อาจารย์สอนมากกว่าค่ะแต่ว่าเรื่องพลังของสตินี่ยังน้อยมากค่ะอาจารย์เวลาที่ลำสู้บางทีมันแทบจะไม่รอดค่ะต้องกําหนดแบบถี่ๆมากค่ะเราพยายามทงมุทโธไว้ช่วงไหนที่มันมันทุ้งก็พยายามระงับมันด้วยพุทโธพุทโธไปได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะเราปรับขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะค่ะเป็นยินดี เชิญยาปัตยาในการปัทยาสวัสดีค่ะท่าอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะ ม, มาร่วมรับฟังค่ะคแล้วก็เดวิดฝากความคิดถึงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ฝากกรบท่านอาจารย์แล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะท่านอาจารย์แล้วถืฝากขอบคุณไปด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะท่านอาจารย์อาจารย์สายทิพวัญแก่เมื่อสารคราม กับนวัตการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้อยู่สารคามเจ้าค่ะค่ะายงานอการปฏิบัตินิดหน่อยค่ะพระอาจารย์ว่านั่งสมาธิไม่ค่อยมากค่ะพระอาจารย์แต่ว่าจิตจิตใจรู้สึกสงบเรื่อยๆเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไปอยุ่งกับความคิดหรือว่าความรู้สึกของคนอื่นค่ะแม้ว่าเขาจะคิดไม่เหมือนเราก็รับฟัง แต่ว่าถ้าเราตั้งใจทำอะไรแล้วเราเห็นว่าใช่เราก็ยังปฏิบัติโดยที่เราไมไ่รู้สึกถึงสิ่งที่เขาแบบเหมือนเขาว่าหรือว่าแบบไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์รู้สึกเขาปล่อยปล่อยเขาไปค่ะทีนี้เขาเรียกว่านานาจิตาใช่ค่ะ<ม>เพราะว่าเราไปทางธรรมแล้วเขาก็เขาจะมีแบบนุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะที่จะเป็นข้อแบบว่า อย่าไปทําแบบนั้นเลยอย่าไปทําแบบนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็แปลว่าไม่ท้องไปเถียงแต่ตไม่ไงี้ยรับฟังค่ะไม่เถียงแต่ว่ายืนยันที่จะทําของตัวเองไปค่ะพรอาจารย์<ม>ทําก็ก็ไปนิ่งๆอะค่ะ<ม>พระอาจารย์คะมีเรื่องที่จะเรียนปรึกษาพระอาจารย์อหน่อยคะ่ะก็คือพรเอิญได้เห็นจาก facebook ค, ค, ค่ะพระอาจารย์เขามีโครงการบรรพชา อ่ของสตรีค่ะพระอาจารย์ที่สกลนครตอนตแรกหนูเห็นแล้วก็เลยสนใจแล้วก็เขาอบรรพชาตั้งแต่วันที่ประมาณอี่สิบเก้าสามสิบสามเจ็ดมีนาคมถึง 17, สิบเจ็ดเมษายนค่ะตอนแรกหนูสนใจแล้วก็ไปเคลียร์งานเคลียร์งานเพื่อที่จะแบบแรกแลกกับเพื่อนว่าจะไปค่ะแต่ทีนี้พอมาดูว่ามันต้องกดหัวด้วยค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบ น่าจะเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็สอบถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นไม่กลนหัวได้ไหมเขาก็บอกว่าได้ก็คือไปถือศีลอุโบสถค่ะพระอาจารย<ม>์แล้วห น, หนูก็เลยถามว่าแล้วถือศีลอุโบสถเนี่ยอสอนเหมือนกันไหมท่านก็บอกว่าไม่เท่ากันอันนึงจะเข้มกว่าอันนึงก็จะจะอาจจะไม่เข้มเท่าค่ะพระอาจารย์ทีนี้ก็เลยมาคิดว่าเออถ้าถือศีลอุโบสถประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดวันแบบเนี้ค่ะ เราจะต้องไปถึงสกลนครไหมหรือว่าอยู่ที่ขอนแก่นดีค่ะพระอาจารย์แต่ถ้าขอนแก่นก็ก็ติดที่ว่าถ้าไปที่ศูนย์วัยรูปวันจะเป็นแบบเป็นในรูปแบบค่ะพระอาจารย์แล้วคนก็เยอะอาจจะไม่ค่อยบีเวกเท่าไหร่นะค่ะแล้ววัดอีกที่หนึ่งก็อาจจะคือจะเป็นวัดที่เป็นวัดตาเหมือนกันค่ะแต่ว่าท่านมีการต่อสร้าง <c oughs> ก็เลยแบบแอบหนักใจว่าถ้าไปเราก็ต้องไปแบบเหมือน อาจจะไม่ค่อยสงบเท่าไหร่นะกันอะไรเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ก็ต้องตื่นมาช่วยแม่ชีเพราะว่าเรารู้จักอะไรเงี้ยคะ่ะอาจจะไม่ค่อยได้ปฏิบัติหรือเราจะตัดใจไปสกลนครโดยที่เราไม่รู้จักใครเลยคะ่ะพระอาจารย์แต่ว่าไปถือแค่ศีลแปดเพราะถ้าไปบรรพชาต้องเป็นบวชเป็นสามเณรดีคะ่ะคือ ม, <laughs> มาขอรับคำปรึกษาพระอาจารย์เจ้าคะ่ะอ่อย่างนการปฏิบัตินี่เราไปหาที่เราปฏิบัติ ของเราคนเดียวดีกว่าถ้าเราต้องการรูปแบบการบรรพชาพิธีกรรมอะไรต่าง อ, อันนั้นมันก็ไปกับเขาแต่มันจะไม่ค่อยได้เนื้อเท่าไหร่มันจะได้แต่น้ำได้แต่พิธีได้้องอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันก็ต้องทำอะไรกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอ ม, อ ม, มันไม่มีทางที่จะทำให้จิตสงบได้เต็มที่ ไม่กับเราอยู่คนเดียวค่ะหรือหรือจะไปวัดคัมภีร์บ้านค่ะที่ไหนก็ได้ที่ใกล้ๆมันมีเยอะแยะหรอกคิดว่าถ้าเราค้นหาดูสถานที่ปฏิบัติไม่ไม่ควรไปที่คนเยอะๆใช่ไหมคะใช่ถ้าเราปฏิบัติกันแล้วถ้าเราจะินโยมน้าสมาธิเราคิดว่าเราต้องปฏิบัติอะไรนะไม่มีการจำเป็นที่จะต้องไปบันปชาไปคนรัวไปทําวิธีมันเป็นนักพิธีกรรม จะการเป็นเหมือนเป็นพิธีกรรมแล้วก็คนเยอะใช่ไหมคะอาจารย์เหมือนเหมือนนี่จะคนน้ำแกนไปคนน้ำไม่ค่อยไม่ค่อยไดเนี้อค่ะเนือเนื้อเนืคือการปฏิบัติค่ะการชอบสมาธิมันต้องอยู่คนเดียวมันถึงจะถึงจะเข้าดีกว่าอยู่กันหลายๆคนหลายๆคนเขาก็มีเวลาให้นั่งนั่ยี่สิบนาทีเสร็จแล้วก็ลกเปลี่ยนทํานู่นทํานี่ ก็กลับมาทำใหม่หมเพราะมันเป็นการฝึกคนหัดหัดหัดปฏิบัติใหม่แล้มันส่วนใหญ่ที่คนเข้าไปกันแบบนี้เป็นพวกที่ยังปฏิบัติเองไม่เป็นค่ะถ้าเรารู้จักวิธีปฏิบัติแล้วก็หาที่วิเวกกันดีที่สุดคนจะหาวัดที่วิเวกแล้วก็ไม่วุ่นวายใช่ไหมคะอาจารย์เป็นวัดที่เขา<ม>ส่งเสริมการปฏิบัติตามลำพัง ปอยให้เราปฏิบัติทางลงไจะมารวมกันก็ช่วงรับประทานอาหารอะไอย่างนี้อาจจะมีะช่วยงานนิดหน่อยช่วยกันทำกับข้าวทำอะไรหรือถ่วยร่างชามเลยแต่ก็เป็นเฉพาะเวลานั้นเวลาเดียวหลังจากเสร็จนรองับปานาหารแล้วก็ตัวกายตัวมันก็นอยู่ที่ปฏิบัติการของตนเอง งั้นเดี๋ยวจะจะลองพยายามหาที่ที่วิเปษเคยเคยเล่าเคยไปที่ไหนมาก่อนก็ไม่ใช่ใช่ค่ะที่ที่เนี่ยค่ะพระอาจารย์จริงๆก็คือเป็นวัดที่เราสนิทกับแม่ชีค่ะแล้วท่านก็จะมีกิจค่อนข้างมากเพราะว่ามีการก่อสร้างเสดีสถูปอะไรเงี้ยค่ะกอย่างนั้นก็ไม่ดีก็เลยคิดว่าเหมือนจะไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราก็จะแบบติดเกรงใจแล้วเราก็ไปช่วยงานอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ ก็ลองไปแถวอุดรหน่ออาจารย์พระมงคลมหาพาฒนาเข้าไปเขาไปสำรวจดูอยู่สองสามวัดอวัดวัดถ้ำเต่ามอหาอาจารย์บุญมีวัดอที่จังหวัดเลยของอาจารย์จำชื่อไม่ได้แล้วก็ที่อุดรก็มีวัดของอาจารย์วันชัยวันคนนั้นมันจะเงียบมันจะไม่ไปรับคนแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนเขาจะรับแบบเดียวเดียวอืมค่ะ งั้นเดี๋ยวอาจจะต้องลองเสือ์ชดูในขอ<ด>สอบถามคุณหมอภาชนาดูก็ได้พระอาจารย์บัญชัยที่อุดร อ, อ่าที่อุดรคะ่ะอ่าเขาเรียกวัดวัดวภูสามโคแต่วัดท่านปิดอยู่นะไม่ทราท่านอนุญาตให้ไปกรื่าตอนนี้ที่จังหวัดเลยนี่ชื่อพระอาจารย์นิพนพระอาจารย์นิพน นที่จังหวัดเลยแล้วที่อุดรอีที่หกว็วัดธรมดรมต่าวัดพระอาจารย์มีวัดธรรมเต่าเหรคะใช่วัดธรรมต่าวัวดธรรมต่าอุดอรพระอาจารย์มีอ๋อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะลองเสิร์ชดูค่ะเพราะว่าจริงๆอยากปฏิบัติเต็มที่คะ่ะอ น, นี้ถ้าเรารู้จักจการปฏิบัติแนละ้วไม่ต้องมีใครมานําพาแล้วเราก็ปฏิบัติคนเดียวก็ได้ค่ะ เราจะได้ปฏิบัติตามกาลังของเราได้เต็ที่ถ้าเราไปปฏิบัติแบบที่ก็เป็นกลุ่มเขาก็ต้องเผื่อคนที่ยังอ่อนอยู่เราปฏิบัติได้น้อยถ้ามากเขาก็ปฏิบัติไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนเราเราหนีไปตรงนี้เราจะไปเจอแบบเดิมอีกไหมคือเหมือนไม่ได้ปฏิบัติเพราะว่าคนเยอะอะไรเงี้ยค่ะกลัวว่าค่ะเดี๋ยวเราะงั้นเราจะลง<า>ังส ยอยู่แถวขอนแก่นสารคามมันน่ า, าจะมีนะที่ว่านลองค้นหาในวัดปฏิบัติได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะลองค้นหาดูค่ะเพราะว่าโอซ่า์ไปแลกแลกเวรแลกวันกับเพื่อนได้แบบยาวค่ะแล้วก็ที่บ้านอนุญาตแล้วค่ะว่าให้ไปได้ค่ะได้ค่ะอาจารย์เรียนปรึกษาพระอาจารย์เพียงเท่านี้ค่ะสาธุสาธุ ค, ค่ะอาจารย์คงเวลาต่อจากกทอน เป็นยังไงที่เน้งผ่านไปอย่างรวดเร็วนะเหมือนเมื่อวานนี่เองตามธรมัมาติ ก, การค่ะ mm hmm. เร็วมากเลยค่ะ mm hmm. ก็มีวันนี้อยากจะขอมีคำถามนิดหน่อยอะค่ะก็ฟังฟังจากทั้งต่างชาติและไัยมาหลายรอบแล้วค่ะแล้วในส่วนตัวเนี้ยก็ก็ฝึกอยู่ก็คือเราพยายามไม่ยึดไม่ติดนะอันนี้จังฝังอนตตาพยายามเข้าใจแล้วก็ฝึก ปฏิบัติพราะวันได้ยินทุกคนหลายหลาคนก็จะกล่าวาว่าพอเราเข้าสู่กระแสของพระโสดาบันมันก็จะมีคําถามมาเรื่อยเลยว่าเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเข้าสู่กระแสใช่ไหมคะมันถึงหรื อ, อยังมีความมีความรู้สึกว่าหลายๆคนเป็นห่วงว่าเอ๊ะฉันเข้าสู่กระแสนี้ไหมบางคนก็จะบอกว่าบ า, บางคนมากล่าวว่าฉันถึงแล้วนะเราก็เลยคิดว่า เอ้ก็เราฝึกที่จะไม่ยึดไม่ติดใช่ไหมคะ ก, กับอะไรทั้งหมดน่ะก็คือปล่อยวางแล้วเราจะต้องไปยึดติดด้วยหรือว่าเราเราเข้าเข้าเป็นพระโสดาบันหรือเปล่าเราสามารถที่จะสงบแนละเดินทางไปทางนี้ของเราโดยเราไม่ต้องยึดติดได้หรือเปล่าคะ อ, อ๋อมันการปฏิบัติที่เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเชื่อ ชื่อโซดาบันอันนี้เป็นเพลคแต่เป็นเป็นเหมือนกับป้ายบอกทางว่าถ้าสามารถปฏิบัติปล่อยวางร่างกายได้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับของพระโซดาบันแต่การจะปล่อยวางในร่างกายจริงๆนี้มันต้องผ่านอริยสัจสี่ด้วยคือมันต้องเห็นว่าความทุกข์ของเราเนี่ยเกิดจากการประหยัดให้ร่างกายเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย นี่การที่เราจะไม่ไม่ไมทุกข์เราก็ต้องละความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้ได้คือยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายอันนี้นะเพราะว่าถ้าเรายอมนะเราก็จะทำให้อารยสัจข้อที่สามเกิดขึ้นคือทุกข์กข็จะดับเพราะว่าเหตุที่ทำให้ทุกข์เกิดคือความอยากพอเราละความอยากได้ทุกข์มันก็จะดับ แล้วเหตุที่จะทําให้ทุกอย่างได้ก็ต้องอยู่ที่อริยสัจข้อที่สี่ก็คือมัง่งคือเครื่องมือที่เราใช้คือสีสมาธิปัญญาเนี่เราก็ต้องมีสีมีสมาธิมีวิปปาเนี่ยถ้วเรามีปัญญาเห็นว่าร่างกายนี่มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราของเราฆ้ามันไม่ได้สทำให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ เราเห็นแบบนี้นะครับมันก็จะเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าเวลาตอนที่เราทุกกับร่างกายของพ่อเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเราพิจารณาด้วยปัญญาว่าน่างกายมันไม่เที่ยมมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครไปยับยั้งมันได้อยากไปก็ทุกข์ไกว่าไม่อยากไปอยากมันก็ปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายนั้นก็ มันก็ไม่ทุกมันก็ยอมตายอย่างเจ็บยอมแก่ดังนั้นเองมันก็มีเราตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่ทำงานอย่างชัดเจนเดี่มันต้องมันต้องเกิดตามที่มีเหตุการณ์ที่ทําให้ใจเราทุกข์เกี่ยวกร่างกาย<ม>ถ้าเราไม่มีตอนนี้มันเราก็ไม่รู้ว่าเราเราปล่อยมนานได้หรือเปล่าต้องไปสมมติว่าเกิดไปหาหมอแล้วหมอบอกว่ามีมะเรอยู่นะทีนี้ดูที่ใจเราทุกข์ก็ไม่ทุกข์ รูก็ทนายไม่ยังไม่อยากยังไม่อยากตายยังไม่อยากเจ็บแต่ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาว่าแล้วเราห้ามมันได้หรือเปล่าเามันจะเป็นใครไปห้ามมันได้ถ้าเรารับความจริงว่ามันจะเป็นก็ต้องเป็นยอมรับมันจะตายก็มันก็จะตายก็ต้องยอมตายทุกข์ก็หายไปตอนนั้นมันจะเห็นชัดดัน้นมันต้องมีทุกข์ก่อนมันถึงจะ ทำข้อสอบได้ข้อสอบคือความทุกขเมื่อเราสามารถอ่านผ่านความทุกข์ที่เกิดจากความไม่เที่ยงของร่างกายนี้ได้หรือเปล่าอันนี้มันถึงจะรู้แทบมันจะรู้ชัดเจ น, นมันไม่ไม่สงสัยแล้วว่าะมันต้องมีเหตุการณ์ที่มากระทบกระเทือนใจเกี่ยวกับร่างกายของเราเนี่ยค่ะก็ได้ปฏิบัติ มาในลักษณะแบบนี้นะคะที่พระอาจารย์กล่าวถึงว่าเกี่ยวกับร่างกายเราหรือร่างกายคนข้างเคียงเราเราก็ผ่านตรงนั้นมานะครับก็ไม่ได้ไม่ยึดมิติดน้ำก็ผ่านมาก็ได้มีการบทพิสูจน์ว่าทุกเกิดไหมนะคะหรือว่าเราสามารถปล่อยวางได้ก็ได้ก็ได้ผ่านช่วงนั้นมานะ ค, ะค่อนข้างรับลื้นะคะเพราะว่าก็ มันก็มีเหตุของทร่างกายเจ็บป่วยนะคะแล้วมันก็ผ่านไปได้โดยไม่มีความกังวลคนข้างๆก็ไม่มีความกังวลเช่นเดียวกันก็คิดว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้นก็พรเสมอค่ะเราไม่ทุกประร่างกายถือว่าเรามึงก็ผ่านได้ที่มันไม่มีป้ายมันไม่มีตัวปรากฏบนจอใจว่าอตอนนี้เป็นสมุดาบันั้นมันไม่มีใช่ใช อช่ถึงกาบเดินถามนะเพราะว่าจะมีอย่างเมื่อวานนี้ก็จะมีต่างชาติถามกันหลากหลายนะคะแล้วก็มีหลายๆหลายๆครั้งแม้แต่ออของสนทนาธรรมทางนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเรามีไม่เราไ ม, ไม่ไม่ติดไม่มีความอยากเนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่ต้องสนใจก็ได้ใช่ไหมว่าเราเราจะไปที่ไหนเป็นยังไงเราก็รู้ตัวเราเองว่าเรามีความสงบ คือเราต้องแก้ความทุกข์ใจของเราถ้าเราทุกกับเรื่องไหนเราต้องแก้ให้ได้ทุกกับใครทุกกับเรื่องอะไรเราต้องพิจารณาเรื่องนั้นคนนั้นว่าเป็นใจรักแล้วก็เห็นว่าที่เราทุกเพราะเราประยัดให้มันเป็นในสิ่งที่เป็ น, นไปไม่ได้นะนะก็หยุดหยุดความอย่างนั้นให่งเขาเป็นกล้วยประหยัดให้มันเป็นชส้มนี้อย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้ ที่เราไม่ยอมมองความจริงเราพี่ว่าน่าจะเป็นส้มได้เรามองความจริงเขาต้องเป็นกล้วยเราจะไปให้เขาเป็นส้มมันไม่ได้ก็หยุดหยุดความอยากนั่นกับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากความทุกข์มันเกิดจากความอยากของเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราไม่มองความเป็นจริงว่าเขาเป็นไปได้หรือเปล่า แต่มองความจริงแล้วมากถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็หยุดความอยายกซื้อดิบะก็ทุกไ ป, ปเปล่าๆก็ต้องปล่อยปล่อยไปฮเล็ดอิดบีก็คือเรา เ, เราไม่ไปควานหามันชกับทุกเร<ะ>ื่องทุกอย่างอันนี้ก็ขอให้เราดูแก่ใจของเราว่าเราไม่ทุกข์กระชัยได้ปัญหาแค่ตรงนั้น คามทุกก็แสดงว่ายังไม่ใช่ยั ง, ย, งยังสอบไม่ผ่านถ้ายังมีความทุกใจก็ยังแสดงว่าโจทย์อันนั้นยังทำไม่ได้ก็ต้องเร่งปฏิบัติให้ให้มากขึ้นให้ให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนแบบมันนิ่งจริงๆนิ่งนิ่งเลยใช่ไม่ทุกกับอะไรเลยใช่เขาไปได้เยอะและะ้วค่ะโอเค ันข้ามเคียงไปอไปด้วยกันรือเปล่าไม่ไนได้า่ว่ายกนม่เป็นคนามเคียงเขสบายอยู่แล้วเขาไม่เหนื่อยนอนอะสบายอยู่แล้วนอสบายเขาไปถึงก่อนแล้วมั้รยังตะเกียกตะกายอยู่ก็ไม่ต้องตะเกียกตะกายแล้วพขถึงจุดหมายปลายทางแล้วเดี๋ยวเราลากันไปด้วยกันโอเคขอบพระคุณคุอาจารย์กาบคัะ มั เ, เจอกันอาทิตย์หน้าใช่สวันดีเจอกันวันพุธหน้านะครวัน ห, หน้าไปตักบาทค่ะโอเคสาัสเจนคุณสมชายต่อจะเป็นสซเวเนียใช่เป็นเซเวเนียพี่อ้าวกับท่านพาจารย์ครับขอบคุณมากที่ให้ผมเข้ามาก็าาา ผ, มามากผมก็คิดคิดคดคิ ด, คด ครั้งที่แล้วทัดถอนให้มีสมาธิครับก็พยายามทำครับความจริงผมอยากถามเรื่องเพราะมีลูกสามคนแต่ลูกลูกสามคนอีกคนแต่ละคนนี่ส่วนมากไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นกับที่เราต้องการเนี่ยมันคือคือผมก็ไม่ค่อยพอใจกับที่เขาทำคนแรกก็เป็นผู้หญิงแต่ว่าไปเป็นนายทหาร แต่คนที่สคนสุดท้ายผมอยากให้เป็นพวกช่างเอนจิเนียร์พวกเนี้ยนะครับแต่เาเป็นอนนี้แต่เขาไม่ทำครับก็เลยก็คิดอยู่แต่ก็คงว่ า, อ, าอะไรนะที่เป็นสมาธิก็ตัดได้อะไรปล่อยวางอะไรพวกนี้ต้ององความจริงว่าเขาเป็นเปไน้ห ร, รือเปาตามความต้องการของเราขเราขเาเป็นผู้หญิงยั ง, งเ็าเป็นผู้ชายได้ไหม ไม่ได้ใช่ไหมเขาเป็นครูอย่างเขายอยากได้ก็าไปเป็นเอนจิเนียร์เป็นไปได้ไหมต้เป็นไปไม่ได้ต้อปล่อยเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาคุณไปทุกข์กับเขาเองเขาไม่ได้ทุกข์กับคุณทั้งน้อยแล้วก็เป็นป<ะ>ชีวิตของเขาไม่ใช่ชีวิตของคุณทั้งน้อยจะไปยุ่งกับชีวิตเขาทำไมแค่นั้นเนีย่ยทุกข์เพราะความอยากอาลีอัสสัตว์สิ ความทุกข์เกิดจากความอยากของเราอยากในสิ่งที่เราอยากที่มันเป็นไปไม่ได้ก็เลยทุกข์ก็ผมก็แค่ก็คิดว่าเราเราไม่ถูกหรือเปล่าหรือเราถูกนั่นเอเพราะถ้าเราทุกข์ก็ไม่ถูกว่าต้องอยากในสิ่งที่มันไม่ทําให้เราทุกข์เลยแล้วมัเขาเป็น ครูก็อยากเขาเป็นครูมันก็ไม่ทุกข์ได้ดั่งใจแฮปปี้เขาไม่ได้เป็นครูตามที่เราต้องการทําห้ไม่อยากในสิ่งที่เขาเป็นอยู่่ะครับครับครับผมก็มก็ก็พยายามทําใจอย่างที่ได้ยินหลายท่านามาครับความจริงก็ส่วนมากก็คล้ายๆกับความโกรธหรือความไม่พอใจอีกส่วนหนึ่งก็ไอไอที่ส่วนมากเราต้อง อยู่ที่นี่ก็ต้องใช้ อ, อยู่ที่นี่ก็ต้องต้องเสียเสียอะไรนะเสียภาษีให้แล้วก็ขนาดตัวเราคนแก่สองคนแล้วยังต้องเสียสองสามพันดอลนี่ผมส่วนมากผมก็ไม่ค่อยพอใจต่ออะไรนี่นะครับเวลาเวลาคุณใช้ถนนเขาคุณไม่ไม่ไม่ไม่บ่นใช้ฟรีเวลาคุณมีปัญหาคุณเรียกตำรวจมาเขาก็มาดูแลคุณไม่บ่นโอเค โอเคครับคัณยาวจะได้อย่างเดียวไม่มีของฟรีในโลกนี้ไม้ภาษาอังกฤษเข้ามาครับ no freelance no freelance sir how d you know ครับขอบคุณมากครับผมก็คิดไปทิดมา ออริยสัจสแล้วก็อะไรนะอะไรผมจะตามตามตารักอัลยอริยสัจสแล้วก็ตายลักอันนี้จำทุกขัอนัตตาให้รู้สองสองสองอย่างเนี้ยพอนะถ้าเข้าใจสองอย่างนี้คนก็สบายแล้วโอเคครับครับก็ก็ลองศึกษาดูครับจะพยายามศึกษากับท่านผู้ที่ถามไปเรื่อยๆขอบคุณมากครับอาธุครับสาธุรครับ เชิคุณวิรัยพรตอ์อยู่ที่ไหนจาำ <ภา S 1> ได้ค่ะพาจายิตรมงคลสายสองค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะได้มาฟังเสียงพระอาจารย์แล้วรู้สึกมีพลังเพิ่มขึ้นมากเลยค่ะพระอาจารย์เติมเ <c oughs> ติมเบนซินหรือเติ อ, เอะไรครับโอ้ทุกทุกอย่างเลยค่ะพระอาจารย์ทั้งซูเปอร์ทั้งดีเซลทั้งเบนซินเลยค่ะ <c oughs> มีพลังขึ้นเยอะมากค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ค่ะยินดขอถามนิดนึงค่ะ เ, เวลาเราใส่ข้าวข้าวสารนะคะก็คือถือว่าพระจะทําให้ผิดศีลใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นของแห้งที่เขาต้องเอาไปเก็บซึ่งการใส่บาตรแต่ที่ที่ยมที่ยมหญิงอ่านมาค่ะคือต้องใส่บาตรแล้วก็ต้องพระท่านต้องไปฉันเลยแต่ว่าถ้าเกิดใส่บาตรแล้วแล้วมีการเอาไปเก็บไว้เพื่อหุงครั้งต่อไปคือถือว่าเป็นการผิดผิดทําทําทําให้พระผิดผิดศีล น, นะคะใช่ไหมคะพระอาจารย์คือพร<า>ะ<ต>สสะ ส, สมหานไม่ได้ อ่าใช่ค่ะเพระเาะฉะนั้นงานได้ได้มาทั้งหลายวันนั้นก็ต้องฉันแล้วที่เหลือก็ที่ว่าต้องเสียสลัไปไม่เก็บเอไว้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างนี้มามา่าละคะมามา่าก็เหมือนเขาอยากคือถ้าเราถวายเป็นส่วนกลางของวัดได้แต่เป็นของถ้าทายบาทไม่ได้ต้องฝากลูกศรริษย์ไว้บอกว่านี่เก็บไว้สําหรับวันที่ผมตกไม่บิ น, บนถบนาบายไม่ได้ก็ช่วยผมผมทํามาม่าถวายพระให้เราหน่อยไม่ได้ โอ okay, เคค่ะเพราะฉะนั้นเพราะว่าตอนแรกหลว ง, งพ่ออินพอดอ่านอ่านฟังเทศของหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินเทศถึงเรื่องข้าวสารแต่ตอนนี้ยมไม่คิดเอ๊ะแล้วมาม่ามาม่ามึงต้องขายกับข้าวสารเพื่อเป็นอ ข, อของของที่มันเป็นปลาเขาของอะไรของพูนี่อ๋อเออมันถือว่าเป็นของที่เก็บได้นานถ้าถ้าเราถวายพระปั๊บเนี่ยส่บาดปั๊บเนี่ยพระจะเก็บได้แค่ที่ยังวันเท่านั้นถ้าอยากเก็บไว้นานก็ฝาก ฝากไว้กับวัดฝากไว้กับลูกศิษย์ของวัดให้เ้าดูแลไว้ที่ส่วนใหญ่วัดปฏิบัติเขาจะมีคลังส่วนกลางของที่เป็นอาหารเด็ดเข้าสารปลากับของน้ําปลาอะไรต่างๆเนี่ย<อ>ที่พรไม่สามารถที่จะฉันได้ภาในเวลาเดียวกันนี้ก็เอาไปเก็บไว้ในห้องคลังแล้วเกิดวันไหนเกิดปัญญาบัแล้วอาหารขาดแคลนไม่พอก็เอาอาหารที่เก็บไว้ในคลังนี้มาทําถวายพระได้ค่ะอาจารย์ค่ะ ค่ะถ้าอยากจะถวายของที่เป็นข้าวสารอะไรพวกนี้ต้องฝากเขรลูกศิษย์ไปที่วัดเลยบอกว่าเนี่ยนี้เป็นองค์วัดที่วัดบางแห่งเขมีมีที่เก็บของเราก็ไปมอบให้กับวัดพระก็อาจจะบอกว่าวัดตรงนี้หรือจะให้ลูกศิษย์จัดการได้แต่อาจจะไม่นับปรเกันค่ะก็จะแล้วงนี้เวลาในหมู่บ้านนะคะเวลาปีใหม่หรืว่าให้ใส่ใส่ข้าวสารอาหารแห้ง ทุกคนส่วนมากก็จะเตรียมเป็นข้าวสารแล้วก็ใส่ในบาตรของพระก็ถือว่าผิดใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้เราก็ต้องเป็นพวกขนมปังใช่ไหมคะพระอาจารย์คือมันก็ต้องถวายอาหารปกติแมนที่เราถวายทุกวันอืมค่ะพระอาจารย์ไม่ได้ถวายของพวกแห้งแล้วท่านท่านก็กินไม่ได้ท่านท่านต้องไปหุงใหม่ท่านก็พระน่าห้ามทำกับข้าวเ ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์ดังนั้นถึงแม้ว่าเขาจะประกาศให้ใส่ข้อสารแต่เขาไม่เข้าใจเขาที่ว่าวันวั น, ว, นวันเทศการคนใส่บาตเนี่ยถ้าเอาของสุกมาถวายพากินไม่หมดก็จะอย่าเหมืกับทิ้งไปอะไรไปทันองนะั้นแล้วก็สู้ถวายของที่มันเก็บได้นานดีกว่าแล้วพระชันจะได้ชั้นฉั้นไปได้หลายๆวันหลายเดือนทํานองนี้ แต่ก็ไม่เข้าใจหลักธรรมของมุขเจา้ามุขเจ้าไม่ต้องการให้พระสะสมมาให้<า>เป็นเหมือนนกอ่ะให้หากินไปแต่ละวันตามมีตามเกิดค่ ะ, คะให้มากระวนเก่าเรื่องการสะสมมาหาเนยน่างๆค่ะค่ะกล<ต>ับเข้าใจถ้าจะใส่บาต ก, ก็ใส่ของสุดนะแต่ถ้าอยากจะให้มีของเก็บไว้เผอ ว, วันวันที่ขาดแคลนก็ต้องเอาไปฝากไว้กับวัดหรือฝากไว้กับลูกศิษย์ให้เขาช่วยเก็บไว้ แล้วเวลาที่วันไหนที่ท่านบิณฑบาตไม่มีคนใส่บาตรก็ให้เขาทําอาหารมาถหว้ท่านอย่างนี้ได้ค่ะค่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งค่ะพระอาจารย์เวลาเวลาโยม อ, อตอนนอนนะคะโยมจะบริกรรมพุทโธแล้วก็นอนใช่ไหมคะแต่เวลาช่วงเวลาช่วงเวลานอนนะคะพระอาจารย์เหมือนกับว่าพอเราพุทโธพุทโธสักพักหนึ่งอะ่ะแล้เหมือนกับว่าเราจะเห็นเหมือนกับคือไวามากพระอาจารย์เหมือนจะเห็นเป็นเป็นดวงวุ้ก วูบวูบอย่างเงี้ยค่ะโยมแล้วพอโยมก็พูดโทษแต่แ ต, แต่แต่ตาตาในของโยมก็ก็จะจ้องไปอะค่ะพอโยมจ้องไปสักพักหนึ่งอะความความชัดของของในตาที่เรามองเข้าไปอย่างพระอาจารย์มันคือเคลียร์มากมันชัดมากแล้วมันเห็นเหมือนกับเปน็นกระป่าถ้ำอะพระอาจารย์คือมเินใสมากใจโยมก็อยากจะรู้พระอาจารย์อยากจะตามไปดูอีกแต่ว่าก็นึกขึ้นมาได้ว่า อ่ะไม่เอาก็อถอยกลับมาอยู่ที่พุโทโธก็พยายามอยู่ที่ลมหายใจตลอดอะค่ะเพราะจิตอย่าไปสนใจมันเป็นมันใสมากเลยการปรุงแต่งของจิตอไปมากไม่มีสาระมีมีผลประโยชน์สิ่งที่เราต้องการเกิดความว่างความนิ่งของจิตค่ะพระอาจาค่ะมันจะมีของมาหลอกเราเรลยหลอกให้เราไปไ ใ, หให้มนเนี่ยไปสนใจ มันใสมากเพราะจะแบบมันใสเหมือนกับว่าลรใสกิ๊บอะไบางทีมันดูแล้วมันรู้สึกว่าเป็นของแปลกประหลาดมาสัจจากมันไม่มีมันเป็นปโทษน้องแบบเป็นคุณเพราะมันจะทําให้จิตเราหลงเราไม่เข้าสู่ความสงบไม่ได้ค่ะพระอาจารย์กลับคำว่าขึ้ค่ะพระอาจารย์ยมกําลังยอมปฏิบัติทุกวันค่ะพระอาจารย์คำว่าที่พูดโทรนะอย่าไปสนใจคำว่าเป็นปากโกนมาหลอกพ่อเราค่ะจะเหมืยนกระเป๋าถ้ำอะค่ะพระอาจารย์คือท้องดีกว่าเนยอะ อาจารย์พูดโทรเวลาได้ของดีกว่านี้เยอะมาอาจา ร, รย์ก่อนี้เย yes. อะแยะค่ะ <Okay. S 2> พาจารย์ค่ะกับขอบพระคุณค่ะพาจารย์ค่ะคุณชูทาทิพย์เชนชูธาทิพย์อยู่ที่ไหนไปไม่ก่อนจะอ่าบได้เลยาอาจารย์ค่ะพราจารย์ใครอ่ยลูกสาวเหรออินอินค่ะพาจารย์ อินค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ตัดผมเพราะเรียนออนไลน์เขาไม่อยากตัดเกินส่วนยาวค่ะพระาอาจารย์ทําไม่ได้อินนานๆมาเจอทีนค่ะเขาติดเรีนแล้วก็เลยพามากราบพระอาจารย์ค่ะไม่งั้นเกินคืนบางทีเขาทําการบ้านไม่เสร็จเนี่ยก็เลยไม่ได้มามไม่ไม่ตัดผมไม่เขาแล้วก็ไม่ยอมตัดเขาไม่ยอมตัด ทางอยยนย์มีอะไรไหมอินไม่มีเลยค่ะไม่มีนะเมื่อไหรจะมาใส่บาตรเลยค่ะตืมไม่ทันเนอะตื่ไม่ได้ตอนเช้าอย่างนี้ไม่ลองไปลงเรียนก็เลยตื่สายได้นะมั้ยอยู่ยต<อ>รงตอนนี้อยู่กรุงเทพค่ะพระ อ, อาจารย์อ๋ออนนี้้าตอยู่กรุงเทพประจําแล้วะใช่ค่ะไม่กลับมาทางสัตย์อีกแล้วนะ คงยากแล้วค่ะป้าโอเควันนี้ก็ไม่ได้มีคำถามค่ะอ่าจำต้นจําไม่ได้าไม่ได้เห็นหน้า น, นา okay. นโอเคยินดีดีใจที่ยังได้พบปะกันอาจารยนีะนะคุณมาเชิชตานายู่ึุชากาเลยตอนนี้ค่ะต่ามหลวงพ่อค่ะ หลวงพ่อคะเออหลูงนุ้ยจถามว่าถ้ า, ถ, าถ้าเรามีความคิดที่ว่าเราไม่อยากมาเกิดแล้วอันเนี้ค่ะมันถือว่าเป็นกิเลสไหมคะหรือว่าเป็นค ว, นวาไม่อยากมาเกิดมันทำเหมือนกันไม่อยากจะเดินเข้ากองายนี้มันเป็นประโยชน์กับเราไม่ได้เป็นโทษกับเรแต่แต่แต่ถ้าสมมติว่าเราคิดแบบเยอะไอเนี่ยมันทุกเนี้ยถือว่าไม่ก็ มันทุกข์เพราะมันมั น, ม, นมันยังทําตามที่เราอยากไม่ได้มันเลยทุกข์อย่างเราก็ต้องัเราก็ต้องทําทําไม่ได้แล้วมันก็จะไม่ทุกข์ออตอนนี้ก็ต้องยอมรับเป็นการว่าตอนนี้เราอยากทําได้เท่านี้จะได้ไม่ทุกข์อยากม่อยากมากกว่าความสามารถของเราคือบางครั้งเรารู้สึกว่า ลาเร า, เราพูดกับคนในครอบครัวค่ะว่าเออเราทำไมถึงต้องทำไมต้องตะเกียตะกายทำไมเราต้องเหมือนต้องหาต้องหาซักทำไมเราต้องทำขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูก็เลยมีคำถามกับที่บ้านนะคะว่าเราเราจะหาเอาไปทำอะไร อย่างนี้ค่ะหลวงพ่อมันก็เลยมีความรู้สึกลึกๆในใจเราอ่ะมันมีทุกข์อยู่ไม่ควรไปไม่ไม่ควรไปยุ่งเขาเขากับเรามันเดินคนละทางนะไม่ต้องไปถามว่ามันเป็นวิถีชีวิตของเขาเขากลอกตัวให้มากๆาไว้เผื่อวันน้าข้างหน้าจะได้ไม่อบตายเงขากลัวกันอเวลาเขาเขาทำงานอะไรเนี้ยมันกลายเป็นว่า เราต้องต้องไปช่วยเขาตรงเนี้ยค่ะหลวงพอ่อแล้วก็เลยมีคําถามว่าทําไมเราต้องก็ก็ไม่ต้องไปช่วยเขาเล้วก็ถ้าช่วยก็ก็ช่วยเขาไม่ต้องไปถามว่าก็เป็นเป็นเป็นเป็นความ <c oughs> เป็นธรรมชาติของเขาอ่ะเขาเขากลัวอดกลัวอยากมีโอกาสตัดตัวตัดตัวง่าเท่าไหร่สะสมได้เท่าไหร่ก็ต้องรีบทําไว้ก่อน คือถ้าถ้าไม่ไปช่วยเขาเนี่ยสลพ่อเขาก็ทุกข์อะทุกข์แล้วเราก็เห็นเขาแบบก็ช่วยเข้าไปเห็นถ้าเราเรายังมีอเรายังมีภาระของเขาอยู่เราเราต้องช่วยก็ต้องช่วยเขาไปแต่เราอย่าไปออย่าไปมีอะไรกับเขาก็าคือทําไปตามหน้าที่ใช่ไหมค่ะหลวงพ่าไปตามหน้าที่<ต>ไม่ทําไป ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกก็เขาเขาเขาเห็นว่ า, วานี่คือที่พึ่งของเขาเสร็จที่เขาหาอยู่นี้ขนขเขาเรี่เป็นที่พึ่งของคือหนูรู้สึกว่ามันเหนื่อยอ่ะค่ะหลวงพ่อเหนื่อยตรงที่ว่าไม่มันเหมือนเราต้องคอยดูเขาวิ่งตามอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ่อมันก็เลยรู้สึกว่าเกิดความคิดว่าเนี่ยมันไม่น่ามาเกิดมันไม่ไม่น่าจะมาแบบนี้ค่ะตอนนี้นนฟุ้งซ่านคิดฟุ้งซ่านมันไมคิดไม่เห็นเลย เราต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาว่านี่เป็นธรรมชาติของเขาเขาต้องยึดสิ่งอหลนี้เป็นที่พึ่งค่ะแล้วเมื่อเรามาเกี่ยวข้งของกับเขาถ้าเราต้องมีหน้าที่ช่วยเหลือเขาแล้วก็ทําหน้าที่ของเราไปเท่านั้นเองไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับธรรมชาติของเขาเราไปเปลี่ยนธรรมชาติของเขาไม่ได้แล้วถ้าเรา<ะ>ก็มาดูแลส่วนของเราก็พอ ต่อ น, น เ, รเราคือระอยะไปวุ่นวายกับเขาคือกว่าหนูจะได้ทําธุระ ข, ของหนูมันมันก็ดึกเขาก็บอกว่าอทําไมทําไมไม่หลับไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูก็ไปเข้าห้องพักแล้วก็ปิดไฟแบบอยู่เงียบๆคนเดียวอะไรอย่างเงีงมม้ยหลวงพ่อทำไมไม่แยกกันอยู่ถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้จะไม่แยกกันอยู่เนี่ยวันนี้วันนี้ยอยู่คนเดียวแล้วคือแยกแยกกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ออ่าแ รู้สึกเหนื่อยยังไปโทษเขาโทษเราเราตัดเขาไม่ได้เราแยกออกแต่เขาไม่ได้มันมันมีภาระร่วมกันไา่ว่าทํำไมพระเจ้าจะไปแยกออกได้พระเจ้าก็มีรูปมีเนื้อเหมือนกันมีทรัพย์สมบัติมีอะไรเหมือนกันมันหนูยังทายังอยังไปโทษเขาโทษเราเพราะเรายังยังติดคุกอยู่ก็ต้องยอมยอมรับสภาพของเราไปครับ ไปโอยไ ป, ไปไปคิดไปอะไรมันทําให้เราฟุ้งซ่านไรืเปล่าคะหลวงพ่อใช่ไหมค่ะหลวงพ่อคะแ ล, แล้วแล้วความคิดกับจิตเนี่ยมันมันถือว่ามันเป็นอันเดียวกันไหมจิตเนี่ยมันควบคุมความคิดความคิดความคิดมานออกมาจากจิตเนี่ยสังขารจิตมีมีมีความสามารถหยุดสิบประการสังขารความคิดปรุงแต่งสัญญาความจําได้หมายรูกเวทนาการรับรู้ความรู้สึก เป็นญาการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรส อ, อันนี้คือความสามารถของจิตของจิตความสามาจิตที่เดียวอที่เดียวนี่คือความสามารถเนี่ยนอกจากเป็นผู้รู้แล้วยังเป็นผู้คิดได้ผู้จําได้ผู้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่มาสัมผัสกับตาของจมูกทั้งกายได้แล้วก็ผู้สัมผัสกับความรู้สึกที่มาสัมผัสในเวลาจิต ที่ร่างกายปกไปสัมผัสกับอะไรต่างๆมันก็เกิดความรู้สึกสุดทุกข์ไม่สุดไม่ลุกขึ้นมาม<น>ันคือควสามารถของจิตค่ะหนูฟังเทปเก่าของหลวงปอคะ่ะแล้วหลวง่อบอกว่าต้องมาฝึกสติเพื่อให้มันควบคุมความคิดทีนี้หนูก็เลยมามาติดนิดนึงว่าเอ๊ะและ้วไอ้ความคิดกับจิตเนี่ยมันมันก็คืออันเดียวกันใช่ก็มันก็เป็นส่วนของจิตไงเป็นส่วนประกอบของจิตเป็นค เป็นความสามารถของจิตที่จิตสามารถใช้สติหยุดมันได้ถ้ามีคนมาสอนมาบอกถ้าไม่มีใครสอนเราก็ไม่มีใครคิดอยากจะหยุดความคิดเราชอบคิดกันอะคิดกันได้ทั้งวันทั้งคืนไม่มีใครมาสอนแล้วอะไรเกิดไม่มีใครมาสอนให้หยุดคิดนะไม่มีนะไม่มีใครรู้ว่าหยุดคิดได้แล้จะมีความสุขยิ่งว่าถูกวัตตุลีรางวัลที่หนึ่ง คือถ้าถ้าถ้าหยุดคิดได้มันเหมือนจิตว่างไปเลยอย่างนี้ใ่ไจิตว่างสงบเป็นสมาธิเป็นชานค่ะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนะฮะติสันติปราสุขธรมเนี่ยความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่เกิดจากความสงบเป็นความหยุดคิดของจิตนี่ยแล้วอีกอีกอันนะคะหลวงพ่อคือที่ที่หลวงพ่อไปอสนทนากับ สมาคมแพทย์สตรีอะค่ะแล้วแล้วฟังตรงที่หลวงพ่อบอกว่าอะไรนะวันเวลาล่วงไปแล้วเรากําลังทําอะไรกันอยู่ตรงเนี้ยค่ะอ่านี่เป็นเครื่องเตือนใจเราถามตัวเราอยู่เรื่อยๆไปนะไม่ลืมหน้าที่ที่แท้จริงของเราคนทีไปหลงไปหลวงทำหน้าที่ที่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ที่ของเราไปยุ่งกับชาวบ้านไปช่วยชาวบ้านไปช่วยลูกช่วยสามีไม่กระทั่งลืม ช่วยตัวเองเดอนดูแลตัวเองหน้าที่ของเราคือปฏิบัติให้จิตเราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้หคือให้ให้เรากลับมาดูที่จิตที่ใจของเราใช่ไหมคะหลวงพ่อให้ดูกิจกรรมของเราตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กำลังทํางานของคนอื่นกำลังทํางานของเรากันแน่เราจะไปทํางานของคนอื่นเลยไม่มีเวลามาทํางานของตัวเอง แม้กระทั่งมาบวชบางทีก็ยังไปทํางานของวัดแทนที่จะทํางานของตัวเองไปช่วยทํากำแพงไปช่วยสร้างสุติไม่ทาอะไรจิตประทัดล่มงานของตัวเองคืองานภาวนาเป้าหมายคือให้เรากลับมาที่งานภาวนาอันนี้แหละเป็นงานของเราที่จะให้คุณประโยชน์กับเรางานหนึ่งมันไม่ให้คุณประโยชน์กับเราได้อย่างมากก็ประโยชน์ทางร่างกายนี่ไทปทับสุติอะไรอย่างนี้เรามาใช้กันที่อยู่ร่างกายนั่น คือถ้าถ้ามามาทํางานทางจิตเนี่ย ม, มันมีวันที่จะจบแต่ว่าถ้าไป<ม>ทํางานอื่นมันไม่จบใช่ไหมครับมันไม่ <analyzed> จบแล้วมันก็ว่ามันไม่มาแก้ปัญหาของจิตด้วยมันไม่มาทําให้งานของจิตจบด้วยงานของจิตต้องเป็นงานของจิตไปทํางานอย่างื่ไม่เชื่ว่าจะทำให้งานของจิตเราจบมันไม่จบถึงจะคอยอดูถามเลยตอนนี้เราลองทำอะไรอยู่ลองดูหนังมาลองดูฟุตบอลตอนนี้มีแข่งลอดูอะไรอยู่ ดูประกวนนั่งประกวนนี่นี่งานของกิเลสทั้งนั้นทํางานให้กับกิเลสรึเปล่าค่ะหลพอพอฟังอันนี้ก็เหมือนแบบเหมือนมันได้สติขึ้นมาอา่ะนั่ น, <อ> น, น, น, นหมายให้เรามัมีได้สติรู้ว่าเรากาลังทําไปในทางถูกทางรึเปล่าลองเดินไปในทางที่ถูกไม่ไปในทางที่ผิดจะได้ทําผิดจะเรื่อยหยุดติมันถ้ากําลังดูหนังก็หยุดก็ปิดเครื่องเลยมานั่งสมาธิดูใจดูลมดีกว่า เข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่อหนูก็ยังปฏิบตัติอยู่ค่ะหลวงพ่ อ, อยตือนเตือนตัวเราอยู่เรื่อยๆ อ, อันนี้นักสมาธิอยู่เปล่าอันนี้มีสติอยู่เปล่าหรือว่ากํกาลังทําอะไรอยู่หเปล่าพุทโธอยู่เปล่ป า, าลงนานของเรางานของคนอื่นเนี่ยไปทํานอกจากจําเป็นจริงๆเป็นหน้าที่ต้องทำก็ทาไปแม่ก็เลี้ยลูกก็เลีงไปทํางานหน้าไม่มีลูกแล้วก็ต้องเลียงไป ก็หาเวลาช่วงที่เราหมดภารกับเขาแล้วเราก็ไปทําธุระของเราอะค่ะหลวงพ่อนี่มันจะทันเวลาแรือปล่าถ้าถ้าถ้ามันมันจะไม่ทันนะมันไม่คอยเราในเวลาใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อหนูก็คิดอยู่ค่ะหลวงพ่อคิดคิดตลอดเวลามีเวลาว่างมันจะขมงเวลามันจะหมดแล้วค่ะหลวงพ่อเวลาไม่หยุดนะมันต่อยเราตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่ต่อยมันเลย ค่ะหลวงพ่อโอเกล่าวของว่าคุณหลวงพ่อคะ่ะค okay. ุณประพันธ์เชิญประพันธ์ไปหลาอาทิตย์แล้วง น, นี้หลวงทานก็หลั mm hmm. ช่องไม่เจอเลยครับนอกจาสข้ามประจันครับยังอยู่ข้างนอกครับพอดี uh huh. ตามฟังอยู่ตลอดครับเพียงแต่ uh huh. ว่าอพอดีไม่ได้มีคําถามก็เลยไม่ได้เข้ามาครับจะได้เปิดโอกาสท่านอื่นๆด้วยครับอนไม่ไมีอะไรคําถาม คือคือก็จจากที่ได้ฟังพระอาจารย์ก็ตอนนี้ก็แยกตัวเองออกมานะครับก็เหมือนกับว่าตอนเช้าก็ตื่นมาก็ก็ปฏิบัติแล้วก็ไปทํางานพอเสร็จจากงานก็มีโอกาสก่อนนอนแล้วก็ปฏิบัติเย่างนี้ครับแล้วก็แต่ก็อย่างที่บางทีก็ต้องไปอ่าทําหน้าที่ก็ก็ช่วยลูกช่วยภรรยาช่วยแม่หรือไงครับทําบุญกับแม่เงนี้ยนะครับแต่ช่วงที่มาอยู่คนเดียวก็ จะทํางานแล้ปฏิบัติตอนปฏิบัติก็จะคล้ายคลยน้องน้ำโมนะครับคือใช้การสวดอิติปิโสนะครับแล้วก็บางทีอิติพิโสแล้วก็สว่าขาวโตแล้วก็สุปฏิปันโนอย่างเี้ยครับสวดก็เหมือนกับแรกๆก็นับจบนะครับแต่พอทับนับไปก็ลืมก็เลยไม่นับก็สวดไปเรื่อยๆครับเป็นชั่วโมง พอรู้สึกว่าสงบ ก, ก็จะเข้ามาแบบพุทโธอย่างเงี้ยครับ<อ>ทโธเป็นโธ <พอ S 2> ตั<อ>้งหรือดูลงตก็ได้แต่พอพอเริ่มเริ่มกลับมาอีกแล้วก็จะกลับไปสวดอิทิโสใหม่อย่างเงี้ยนานถึงต้องครับก็คือเป็นบัดแบบนี้ไปอะครับพอาจารย์ครับทาไปจนกว่าสติเราจะสามารถอยู่ความคิดได้จิตนิ่งสงบก็เป็นสมาธิเป็นมา แต่ก็คือเหมือน่า <het> ต <Key board> ื่นนอนแล้วก็ฝึกสติตลอดก็คือพยายามที่จะอยู่กับสิ่งที่เราทําถ้าเราเปิดไปคิดก็พุทโธทโธอย่างเงี้ยครับอแต่ถ้าเรานั่งเฉยๆอย่างเงี้ยครับบางทีก็อิทธิพิโสเลยดีกว่าครับทำได้ครับจริงๆอิทธิพิโสบมดเดียวหรือว่าควรจะอิทธิพิโสสว่าขาโตสุปฏิมณโนใส่เต่ครับหมดเดียว อ่าผมแบบพุทธคุณอันเดียวก็ได้นวดยาวทำบคุณสรางคุณเพื่อก็ได้อืมก็เกิดมีพรนะมีพรเหมือนกันมันเป็นการหยุดยับยั้งความคิดให้จิตในงานทำไงความจิตมันต้องมาสว่วนมันก็ไปคิดดรื่นั้นเรื่นี้ไม่ได้ใช่เหมือนกับถ้าสติมาเนี่ยก็คือผู้รู้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเปิดสติก็การเป็นผู้คิดอย่างไงี้ไหมครับเอ่าถ้ามีสติเราก็จะหยุดผู้คิดแล้วก็ถึงนั้ต่ผู้รู้ ผู้รู้อยู่ตลอดเลยเราเป็นแต่ผูร้รู้อ่ารู้ตามความคิดเนี่คิดแาบคิดหนึใช่คิดอลไรผู้รู้ก็ตาปัดคิดไปพอเราอยู่ความคิดผู้รู้ก็ไม่ตาม่างผูร้รู้ความรู้เฉยเฉไปแต่เราไม่ควรตามรู้ความคิดใช่ไหมครับก็เบื้งตอนนี้เราไม่นำการตาเราต้องการแต่พอเราควบคุมความคิดได้แล้วเราก็เราสั่งให้มันคิดไปในทางปัญญาแทน คิดไปทางตายแล้วคิดไปทางอริยสัจสีหลังจะออกจากสมาธิใช่ไหมค่ะใช่ครับแต่ถ้าเรายังควบคุมหยุดความคิดไม่ได้เราไปสา้มันคิดไปท า, างตายแล้วมันไม่ยอมไปหรือไปได้แป๊บเดียวเนี่ยมันก็ช้าลายมันก็ฉ้ลายไปทางอื่นแทนฉลาดไปทางอื่นแทเพราะมันไม่ชอบคิดเรื่องใจลกไม่ชอบคิดเรื่องอริยสัจมันชอบคิดเรื่องรูปเสียงกิริยเรื่องหน้าเรืษษ่องสรสน <น>ดีเรรพระพาะรั่นต้องทำอยู่ความคิดให้ได้เดี๋ยวนั้นมันก็จะไม่ไปแล้วเรากสามารถสั่งใมันคิดไปทางตายลได้ทีนี้เราก็ยังคงหาความสุขแบบเนื่องจากเรายังไม่เข้าถึงความสงบครับเราก็ยังมีความสุขแบบแบบลกโลกอยู่เพียงแต่ว่าเราพยายามลดละหน่มแต่ยังเลิกไม่ได้ครับราอาจารย์อตอนนี้เหมือนกับว่า ยังไม่ได้รถใหม่ก็ต้องใช้รถจับไปก่อนใช่ค่ะเก็บเงินพอที่จะซื้อรถใหม่ได้เพราะถ้ารถใหม่มาก็รถเก่าก็ขายทิ้งไปไม่ยกให้คนอด่นไปเพียงแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เที่ยวแล้วครับก็ เ, เ, เวลามาดีบัติกอลดน้อยลงใช้ใช้รถจับให้น้อยลงแล้วก็ เ, เวลามาเอาเงินเอาเงินมาเก็บซื้อรถใหม่อืมครับเดีย๋ยวพอจิตสงบเป็นสมาธิครั้งเดียวปั๊บ เหมือนได้รุ่นใหม่นะทีนี้มันก็จะติดใจกับวุดใหม่เพราะว่ากั่นใหม่มันสบายกว่าวุ่เก่าเยอะๆครับเวลาสวดทิฏฐิปิโสครับสวัสดิ์เขาโตสุปฏิมันตัวครับสวดกั็นชั่วโมงอย่างเงี้ยครับบางทีมันสวดความรู้สึกสงบเองโดยที่ไม่ต้องไปพุทโธเพื่อจะเข้าสมาธิได้เดยแล้มันยังไม่สงบเต็มที่มันยังไม่ ดี่งเข้าไปเหลือจากผู้รู้ดอดเดกอยู่ตามลพงผู้รู้เนื้ออุเบกขาสัตว์แต่ว่ า, รารแต่พาะเราไปหลับอะครับเรารู้สึกว่าเราหลับได้ลึกจํานวนจำนวนชั่วโมงในการหลับลึกเนี่ยนานมากแต่ไม่เป็นไ ร, รับ็นกาหลับไม่ต้องเป็นการวัผมยังเลยรู้สึกว่าเป็นพเพราะเราเราเราสวดอีทิปโเนี่ยครับถ้ามีสวดถ้ามีสวด ทำให้ความตื่นตัวขึ้นมันจะไม่มั น, ม, นมันหลับแต่มันอาจจะหลับแบบบังค้างที่ยังมีสติอยู่บ้างพอจะรู้สึกจุ่ยอยู่บ้างอืมครับครับไม่ไมมีปัญหาเลยไม่นเองครับกรับรู้สึกว่าหลับดีครับถ้าเวลาเราสวดมนต์ก่อนนอนอืมไม่ฝันันไม่จินอย่างใช่ก็ไม่ฝั น, ฝน แ, ลแล้วรู้สึกแบบเหมือนเหมือนปิดสวิตช์แล้วก็สมันหลับใช่ไใช่ครับใช่เรสนิทครับ โอเคนะมีอะไรไหมบทคำถามแล้วครับอาจารย์ครับขอบคุณครับคุณนนทะเสวงใช่ไหมนนท์ตะสวง อ, อยที่ไหนตามน้ำมาสการเจ้าค่ะพระอาจารย์อยู่ตลิ่งชันเจ้าค่ะเอะธรรมทานสายหนึ่งค่ะมีอะไรก็ค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามากราบอาจารย์เจ้าค่ะ ก็อยากจะเรียนถามค่ะล่าสุดคะ่ะอาจารย์ก็จะอาศัยการสังเกตใช้สติระลึกรู้สังเกตอาการทางใจนะคะและพบว่าตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาเลยอะคะ่ะบางทีใจมันไม่ได้โลง่งไม่ได้โปร่งอะคะ่ะมันมีความเหมือนมีความรู้สึกหม่นหมองซึ่งเราไม่ทราบสาเหตุเจ้าค่ะไม่ได้มีเรื่องกังวลใจนะเจ้าค่ะอาจารย์มันเปนธรรมชาติา<น>งมันธรรมชาติของใจจ้ะ มันไม่เทียมมันสลับไปสลับมาเหนือดีเหนไม่ดีเหนือผ่องใสเดี๋ยวเบิกบานเดี๋ยวเศร้าหมองต้องรู้ทันแล้วก็อยากไปอยากให้มันเป็นอย่างไรเหมือนกับดินฟ้ากากางวันตื่นเช้าขึ้มาไมฆหมอกเต็มทองฟ้าวันเตื่นขึ้นมาก็เราโลกไม่มีเมฆแ ม, ม้แต่ก้อนเดียวก็ต้องรับจากสภาพไปรับใจก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าไม่อยากให้มันเป็นอย่างอื่นมันจะ มันจะไม่สบายใจใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ในอดีตเหมือนพยายามไปแก้ะมันให้ควรจะทํำไหมเจ้าค่ะเช่นฟังทะไม่ต้องใช่ไหมเจ้าคะก็ถ้าถ้าถ้ายังทนอยู่กับมันไม่ได้ก็ต้องแก้ไปอันที่พูดนี้หมายถึงขั้นสูงสุดคือถ้าทําวางใจไปดูเบรคขาอยู่กับมันไปได้ก็หมดปัญหาไม่ต้องไปแก้ให้มันให้มันแก้ของมันเองดีกว่าหรือมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมะูกค่ะ มันไม่ได้เศ้ามองไปทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติใช่มันก็นานอยู่จ้ะค่ะที่มันนานเพราะเที่มันทุกข์เพราะเอยากให้มันหายไปตัวมันหาอี่ตรงนั้นให้เห็นตัวนี้ตัวที่มันเป็นปัญหาจริงๆไม่ใช่ตัวอารมณ์ที่มันปรากฏแต่ตัวความอยากให้อารมณ์นั้นหายไปจ้วยามเมตตาเรทุกข์ขึ้นมาได้เจ้าค่ะเราต้องมาละงไปตัวความอยากนี่นั่น เจ้าค่ะจะไปสังเกตเพิ่มเติมเจ้าค่ะอครั้งน่าสุดพอตื่นขึ้นมามันมันรู้สึกหปวนเหยียดมันก็บอกว่าก็อยากไปอยากให้มันหายถ้าอยากให้มันหายแล้วมันก็ถ้ามันไม่หายก็ยิ่งทำให้เราเศร้าหมองขึ้นไปอีกสองชั้นเลยเจ้าค่ะครั้งสุดท้ายเห็นแล้วเหมือนมันมันเป็นทุกข์ก็มันก็เศร้าไปด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็ไม่ได้จมไปกับความรู้สึกนะเจ้าค่ะแต่ก็ทุก น้ำตาไหลก็ก็เฉยเฉยย่าเจ้าค่ะก็มีวิธีแก่นะถ้าอยากจะแก้ก็พุดโธไปทํำพูดโทพูดโทไปอย่าไปอย่าไปสนใจกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วก็พูดโธพูดโทออไปเดี๋ยวใจเราก็เบาขึ้นเองเจ้าค่ะเด็กเาเปนก็จะคลายออกไปเจ้าค่ะเดี๋ยวจะนําไปปฏิบัติเพิ่มเติมครับประคับประคารปัญญากานปัญญาก็บอกว่ามันเป็นอย่างเนี้มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยง หน้าตาเราเป็นสั่งมันไม่ได้เพราุมมันไม่ได้ปล่อยมันมาปล่อยมันไปเอย่ามันเข้าไปใช่ไหมหมายถึงเราอาศัยการสอนภาคเหมือนพูดคนเดียวอย่างนี้ไปก่อนอได้สอนใจบอยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเขาเป็นอย่างนี้กันเหมือนกันต้อนรับเขายินดีต้อนรับเขาอย่าไปรังเกียดเขาเจ้าขาอาจารย์สาบขครับพระคุณเจ้าค่ะแล้วมันมีหลายวิธีนะที่พูดวันนี้วิธี ขั้นต้นกับวิธีขั้นปลายมันมันน่าแต่กำลังของจิตของแต่ละคนถ้าใช้ปัญญาได้ก็ใช้ปัญญาใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้สติเป้าหมายคือย้ําย้ําความอยากอยากไปอยากให้มันขา ย, ยอยากไปอยากให้นี่จะทําทให้เราทุกข์มากขึ้นความอยากต่อค่ะหายใจนะ ก็ฝึกสติมากฝึกนั่งสมาธิมากอยากไปดูจิตอย่างเดียวเพราะว่ากาลังของเรามีไม่มากพอที่จะไปดูแล้ ว, ลวทําให้มันนิ่งได้ต้องฝึกสติมากมาแล้วต่อไปเวลาดูจิตเพราะจิตมันจะเริร่มมีอาการแล้วก็สั่งให้มันหยุดได้นะโอเคคนท ว, ว, วิสาเชิญสวิตร์แลด์ในประเทศสวิตร์แลด ตอนนี้ยังนาวอยู่หรือเ่คะค่ะนาวอยู่ค่ะพระอาจารย์ค่ะ mm hmm. ยังกยังนู่นนะคะสงสัยเดือนเมษายนนู่นนะคะพระอาจารย์ถึงจะดีขึ้นค่ะ mm hmm. ยมก็ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ค่ะเขยังปฏิบัติอยู่วันนี้ก็เป็นวันพระเหมือนเดิมใช่ไหมค่ะว mm hmm. ันพระเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์คือศีลแปดเหมือนเดิมค่ะ แต่อ่าอาทิตย์ที่แล้วที่บอกยมจะลองพิจารณาสุภาษก็ยังไม่ได้เริ่มเลยครับพระอาจารย์ยากถ้ามันไม่มีความสับความเจ็บมันไม่ยามกิเลสไม่ยมอมให้เราพิจ า, จารณาค่ะพระอาจารย์ยมก็เลยตอนนี้ก็ใช้สติก่อ น, นบังคับเท่ามือไปก่อนเท่า ม, มาตรการอึิษาบังคับเท่าเชื่อไปก่อนค่ะพระอาจารย์เดี๋ิวผมนะคข่าเกษารวมมานัก ข, ขานัตาตาโจ แลไปท่องไปแล้วก็เาท่องขับแปลไปด้วยกันดีจะได้รู้ว่าเราเราท่องถึงอาการอะไรบ้างอืมค่ะก็คือใช้ท่องก่อนใช่ไหมคะพระอาจารย์อ่ามงชื่อของมันก่อนค่ะแล้วต่อไปก็นึกภาพของมันอืมท่องแบบบางทีก็นึกถึงอัลเล็บเกมาโลมาเกสาอะไรต้นเาคือผมโลมาเกศก่อนหน้าขาเกเรนตาเกเรฝันตาจอบมันดังเลย ยมเคยค่ะยมเคยดูใน y o u ูทูปมันจะมีเป็นเป็นคล้ายๆว่าเพลงเพลงคือแบบท่องให้มันคล่องๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้อยู่ใช่ไหมคะอาจารย์มันเป็นเพลงเป็นเพลงมันมันจะกลายเป็นบรรเทิงไปอ๋อมันจะไปมันบรรทิเอ่ามันไม่ใช่เรื่องบันเทิงมันจะมันเรื่องเรื่องปัญญาเรื่องการศึกษาอืมก็คือการคือจำเอาเลยใช่ท่องจำอ่าจำเรื่องเพลงว่ามันก ถ้าไม่รู้อาการอะไรของก็ค้นหาได้ในอินเทอร์เน็ตนนัมีมีทั้งภาษาบาลีทั้งภาษาแปลภาษาไทยค่ะค่ะค่ะกล่าวขอบพระคุณค่ะยมจันทโอเคแล้วครับถ้าไม่บังคับมันไม่มันไม่อยากเรียนตอกพุ่มนี้อ๋อคราอาจารย์ก็ยังว่าไม่เหมือนขันโหไม่เหมือนกันโหนไม่เหมือนภาพประโยชน์นี้ไม่ต้องบังคับมันคิดของมันได้เลยนะทุกวันนี้อยาดูอะไรดีวันนี้จะกินอะไรดีมันไป แต่ถ้ามันคิดถึงกับสุขะเลยมันก็อยากคิดเองการมันรู้สึกต้องป้อนให้มันต้องป้อนให้เราม้นไม่เคยมันไม่เคยโอ้การับพระอาจารย์จึงก็เลยอืมวันนี้ไปเออได้เฉพาะอ้าเจิสาวลงมาเอ่อเปิดนิดนึงเองไม่อาวละแสดงว่าสมาธิเราน้อยนั่งไปนั่งสมาธิให้เยอะๆแล้วลองอยากสมาธิมาค่อลองดูค่ะพระอาจารย์ค่ะกลับขอบพระคุณค่ะ คุณปุ้ยแากมักเสมปุ้ยความสีนะอาจารย์คุณปุ้ยค่ะไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยเข้ามาใกล้ๆไหนนัน้เสียงไกลแล้วกันกล่าวนรรสการค่ะพระาอาจารย์อมีอะไรไหมีค่ะวันนี้คุณปุ้ยจะมารายงานตัวเพราะว่าเออวันนี้ลาป่วยเออก็อยู่มันก็ป่วยขึ้นมาเฉยๆค่ะ พรเมื่อวันอาวันอาทิตย์ตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นโควิหน้าและทีนี้เราก็วันจันทร์รู้สึกไม่ค่อยจะดีไม่ได้ไม่ไมู้สึกไม่ดีเลยแบบบ้าน ก, ก็เลยไปหาหมอหมอบอกว่าเอาอยู่ไม่ต้องไปทํางานสามวันแล้วมันแตกตรงที่เราไม่ได้โกหกแต่ว่าพอเราไปหาหมอปุ๊บเราคทรไปหาหัวหน้างานพุบบอกวมาบ้านนี่อาการดีขึ้นเลยก็เลยบอกว่าพเดี๋ยวเอาเวลามาปฏิบัติธรรมถือสินแเลย ก็เลยก็เลยได้ถือถ <m akes thrown out> ินแฉได้ปฏิบัติอย่างจริงที่เลยสามวันนะคอ่าเดนเอาเวลาที่ว่างให้มาทําประโยชน์นี่ค่ะมาปฏิบัติทำคือหกวันหน้างานนะยมป่วยจริงคือมันเป็นไข้หวัดและเรามันไม่ได้ว่าตั้งใจว่าเราจะกินเลอะอะไรนะฮะเฮก็เลยแบบว่าได้ได้ปฏิบัติได้ถือถินแฉจริงๆได้ไม่ไม่ไม่ทานข้าวตอนเย็นๆนะจ๊ะ โอเคไม่มีอะไรใช่ไหมเพียงแต่มร า, ายงานตัวนะวันนี้ต้องเร็วหน่อยแลเดี๋ยวมันจะถึงเที่ยงคืนก็ปังป ล, ลยนะไว้คุยกันเรื่อยๆต้องกระชับหน่อยเพราะว่าโยมอยากจะถามด้วยว่าเวลาที่โยมจะราศีแต่โยมจะทํายังไงคะไม่ต้องลาก็บอกตัวเองว่ามันเลิกเลิกรักษาแล้วมันก็จบนะวันนี้จะกินข้าวเย็นง่าน <laughs> ไม่ต้องมันทาวิธีอะไรหรอมันอยู่ที่ใจเราให้เรารู้ว่าเร า, ารักษาหรือไม่รักษาแค่นั้นเนองงั้นงั้นงั้นพระอาจารย์อวยพรให้โยมหน่อยดีอ่าจะเอาอะไรล่ให้ร่ําให้รวยให้สวยไม่สระใช่ไหมโยมโยมอยากเป็นอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญโ <laughs> อเคให้ร่าให้รวยไม่จะรวยทางธรรมก็ได้นะเป็นเศรษฐีธรรมก็ได้นะปฏิบัติธรรมม า, นะาเยอะ อารั้งสทางเลยโอเคทางทั้งทางรทั้งทางโลกนะโดยทั้งทรรโดยทั้งเงินโดยทั้งธรรมนะโอเค okay. สาธุคุณเพิ่มพงเชิญคุณเพิ่มพง้นแลรอคบคุณเพิ่มพงไปที่คุณแม่ต่อนะแม่แม่เปิดมาแล้ คุณภควัท่านภคกวภคกวัฒรก็ไม่ตอบไม่ไม่เห็นครับเดี๋ยวคุณแม็กคุณแม็กจะนแม็กก็เสียงเดยบายบายโอเคการครับอ่าที่ไหขอถามพระอาจารย์หน่อยได้ไหมครับอ่าเหมือนเราจะบรรลุนิพพานได้ยังไงอะครับก็ อ, อย่าไปนโกรธน้องได้น่าจะได้ ง่ายเหรอครับอ่าอย่าไปโลภอย่าไปโกรธ อ, อ๋ อ, อลแล้วมีคำถามอันนึงอะครับฮะเหมือนเขาถามหน่อยนะคะมันมีพญายนาคจริงไหมอ่ะมีอะไรนะพยายนอือไม่รู้เป็นกันไม่เคยเจอแล้วก็ไม่กล้าตอบมีรือไม่มีก็ไม่ถ้าเราไม่เห็นเราก็ไม่ต้องไปกังวดไม่ต้องไปสนใจยศสาธุครับอันนี้แหละโอเคมันทำประวันต่อทำปวัน ในมัสการเจ้าพระพาจย์อาจารย์ดินนะคะได้ยินชัดเจนเออเจ็ดวันเร็วมากเลยค่ะยังยังไม่สําเร็จเลยค่ะที่นั่งเฉยๆหกชั่วโมงอะได้สองชั่วโมงแล้วลุกสองชั่วโมงแล้วลุกจะพยายามต่อไปเจ้าพระให้ได้หกชั่วโมงเจ้าพระแม่สู้ความอยากเลยนวค่ะจะเป็นการบ้านที่ดีมากเลยนะคะเราะดูว่าความอยากนี้มันร้ายแรงร้ายกาจขนาดไหน ใช่ใช่เจ้าค่ะไม่ยามให้เราอยู่เป็นสุขเลยที่อยู่ไม่เป็นสุขก็เพราะความอยากความเจ้าค่ะยังไงจะทดสอบกันบ้านนี้ไปเรื่อยๆแล้วจะเข้ามารายงานเจ้าค่ะใช่สิเวลารย์มันมันอยากมากๆเขาพูดโทรศัพทเจ้าค่ะอย่งนําสมาธิไปเจ้าค่ะแค่นี้เจ้าค่ะให้ท่านเอื่นเจ้าค่ะขอพระคุณเจ้าค่ะคุณแม่จ่าแม่ ไม่ได้ไงมีอะไรไมัไมค ร, ครับไม่มีครับมันก่อนก็เห็นคำสอนพระอาจารย์ว่าผลยังไม่ได้ไม่เป็นไรก็ทำปใจใัจจัยไปก่อนก็ทำไปเรื่อยๆก่อนครับถ้ามันลูกฆ่างมันก็ต้องไหวมันก็ต้องถ่กยไหแล้วก็ไหวครับก็ทำไปเรื่อยๆก่อนครับไม่ใช่พออยากจะได้ข้าว ป้ามันจะมาพูดมันไม่ใช่อย่นันนะเราทาปัจจัยไปเรื่อยครับถ้ายังไม่จบก็ยังไม่พร้อมมันถ้าอย่างมนพร้อมนล้เดี๋ยวผลมันก็ตามไปครับไปจารย์ับขอบคุครับคุณน้องอะนะคุณน้องนะนาาราถ้าอนเสมันไม่ค่นะอรรา่ า, าครับนวสการ์อาจารย์ครับอยู่ที่ไหนอู่ามินทาครับ ตอนเนื่องจากวันมาคบูชามาคบูชาที่เข้ามาครับอาจารย์ก็เป็น b กิ i n อร์ครับเข้ามาเหมือนเข้าห้องเรียนครังอาจารย์ครับยังไม่มีคำถามอะไรครับอาจารย์ครับไปแชร์ไปก่อนนะห้องเรียนที่แล้วบอกอาจารย์ว่าอยากจะเริ่มแล้วครับอยากจะเริ่มหัดปฏิบัติบ้บางแล้วครับ ก็ฝึกพุโทโธพุธโทโธไปขวลที่เราเคลื่อนไหวอะไรต่างก็คอยควบคุมความคิดอย่าให้มันไปคิดตรงนั้นตรงนีน้ให้อยู่กับพุโทโธไปหรือให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็ ไ, ได้ครับแล้วเวลานั่งก็ดูเราหายใจเข้าออกครับไม่ไม่มีคําถามอะไรครับของมันไม่ยากหรอบมันยากติงที่ มันปฏิบัติไม่ได้เราไม่ยามปฏิบัติมันหาเวลาที่จะมาปฏิบัติลําบากนิดนึงครับก็ทําเวลาไปทําอย่างอื่นได้แ<อ>น่เราปฏิบัติไม่ได้พยายามที่จะพยายามที่จะอย่างน้อยอยันนี้ อ, อตั้งใจไว้ว่าทุกๆวันพุธครับหรือว่าถ้าถ้าแมนก็อาจจะมีวันอังคารที่เป็นภาคภาษาอังกฤษเข้าไ้ฟังด้วยครับ เรายังสามารถปฏิบัติควบคู่กับงานอ่นได้ให้มีสติอยู่กับตัวได้ไหมครับมีสติก็เป็นการปฏิบัติครับครับเราเราเดินง่ายมีสติอยู่อาการเดินอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวเดินไปช่วยว่านั้นคนนี้เดินให้มีสติเดินครับคบนี่กาเป็นการปฏิบัติเนะี่ยเป็นการปฏิบัติสติก่อนครับผม โอเคนะกรับกลับขอบคุณอาจารย์ครับเชิญคุณเอกจากเชียงรายกาอนมา ส, สักกา ร, รพระอาจารย์ครับออวันนี้มากลับรายงานที่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่พระอาจารย์ให้ทดลองถือในสัญชิก ค, ครับพระอาจารย์เป็นยังไงดีไหม ก, ก็ปฏิบัติได้ครับอาจารย์ ก็โชคดีที่วันนั้นซูมปวดเจริญก็เกือบเพี่ยงคืนนะครับอืเลก็ครับก็ต่อเลยก็นั่งต่อไปก็สองชั่วโมงก็เปลี่ยนทิยาบทนะครับพอาจารย์ก็ปฏิบัติจนจนถึงตอนเช้าครับอาจารย์ก็ก็มีเพียอยู่บ้างครับอาจารย์ก็แต่ว่าก็ประมาณสักตีห้าครึ่งนะฮะก็ก็ มานเพียเขาพเจรย์ก็<า>ล้มตัวนอน<า><า>แต่ว่ า, า, าหลัง<า>มไม่ไม่แตกพื้นครับพเจรยิญก็ก็นอนกระแกงนะครับก็ตะแคงก็ไม่ถึงกับเอนอนหลังก็ไม่แตกแต่แตกสีข้างหน่อยนิดหนึ่งครับพเจริญได้หละทานน่านแค่เฉี่ยเป็นท่านอนเอาเด้ครับครึงชั่วโงแต่ตก็เพียพัเทียอยู่ครับพเจริญแต่ก็พอไหวอยู่ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ไหวจริงๆก็พักได้ครับ ก็แต <muitas> ่ว่าก็พยายามพยายามตอนทำก็พยายามนึกนึกถึงเหมือนกันนะครับนึกถึงคุณพ่อเกษมเหมือนกันที่ท่านปฏิบัติในสัญชิกโดยที่ไม่นอนก็ก็นึกถึงท่านอยู่ตลอดเหมือนกันก็ไม่มีอะไรกำกับรายงานพระอาจารย์ก็เข้ามารายงานตัวครับอาจารย์หลังจากปฏิบัติมาก็รู้สึกว่าเข้าสมาธิง่ายง่ายขึ้นครับอาจารย์นั่งก็นิ่งนิ่งนิ่งเร็วมากครับตที่เอาตาไม่ใคร่กล้าไม่ใคร่ก็ แต่แต่ว <sk breakdown> <dash, istance knowledge> ันนี้คงคงไม่สะดวกครับวันนี้เสียวก็เพราะพไม่ได้อยู่ที่ที่บ้านเรอยู่อีกที่นะอาจารย์แต่ก็ปฏิบัติอยู่ครับอาจารย์ครับผมวันนี้ไม่มีอะไรครับอาจารย์โอเคสาธุอยากขอพูดนอาจารย์ครับผมสาธุสาธุยืดจำปาใช่ยืดอ่าปิดไมค์ครับไม่ยืดปิดแล้วปิดแล้วต้องเปิดใหม่ใหม่เมื่อกี้เปิดแล้วมันไปปิด พูดได้ปิดเองครับกดข้อนเดียวเลยไมย่กดสองขั้นครับพระอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินนะครั บ, รบพระอาจารย์จะถามว่าพระศิษไอ้พระศิษกับบุคคลตั้งแต่โารบันถึงอนาคามีเนี่ยยังมีความฟุ้งซ่านอุธุทธะอยู่หรือเปล่าครับมีอย่งาง้อยต้องผ้าอาหารน่าหนักทะยานฟุ้งซ่านแต่ไม่ได้ฟงาเป็นความฟุ้งซ่านย่างไงนะครับ รเรา f เกี่ยวกับผู้หญิงไงด้่ยต่ผอผู้หญิงผู้ชายเร่งเพศครับแล้วพอพอผ่านท่านาคามีไปได้เข้าไปฟุ้งเร่องอั ต, ตาโ ต, รตรครับอัตตาตัวตนยังไงล่ะครับก็ยังถือตัวอยู่หรือว่าเราดีกับเขาเลวกว่าเขาต่ำกวาเขาสูางกว่าเขาอนาคามีครับอา่าานาคามีแต่อนนาคามีมีตัดเรื่องความอยาก ทำเพศได้หมดนะไม่มีการมำรองไม่มีนลเรื่องรางกายไม่มีนะแต่ยังมีเรื่องจิตใจจิตใจยังถือตัวถือตัวว่าตัวเองสำลิดเลระครับถือว่าเราเก่งกับเขาดีกับเขามาอะไรชูกว่าเขา่าต่างกับเขา่าแล้วแต่เราจะไปคิดครับครับความถือตัวนี้เป็นอวิชาอย่างนึงเหรอครับเป็นมรนะอ่าเป็นมรณะก็เป็นอวิชชาด้วย มาไม่รู้ความจริงไม่ค้ามหลงธรริชาติก็คือความความจริงไม่มีตัวตนครับมีแต่ตัวรู้ตัวรู้ไม่ใช่ตัวตนครับที่เขาว่าผู้เรือ่อู้รู้เนี่ยผูดรู้นั่นแหละครับอ่นั่นแหละพูดรู้ผู้รู้ไม่ใช่ตัวตนพู้รู้นัแรงแต่ผู้รู้รธรรมชาตที่เป็นธรรมชาติที่รู้แต่ไม่ใช่เป็นตัวตนรู้ไปนาคามีมีคิดว่าตัวเองรู้ถึงที่สุดแล้วใช่ไหมครับ ก็อนาคตมีก็คิดว่าตัวเองก็รู้รู้เรื่องร่างกายดีนะละวัว่ า, าร่างกายได้หมดนะครับแต่ยังไม่รู้เั่งจิตใจของตอนเองครับครับโอเคและผมไปอ่านเจอในสารกษณิสุดที่พระพุทธเจ้ารับรองว่าเป็นพระโสดาบันครั้งที่ยังดื่มสุราอยู่นะครับ อ๋อก็ไม่มีปัญหาอะไรนึ่งภะสวดานามังถ้าอยากจะเดื่ตธุระก็เดื่มได้ครับท่านยังท่านยังติดรสรสชาติตืนดนรสอะไรลูกเสียงเก่งรอดอยู่แต่ถ้าเป็นท่านาคาแล้วไม่ดื่มนะท่านาคาไม่ดื่มครับแต่มันเป็นอภัยามุขนะครับแต่ท่านเป็นมันก็เป็นกรณีพิเศษนะัน ไ, ไม่ใช่ท่านเป็นโสวนาบังแล้วครับ ครับครับอย่างรอย่างกูบาญาณ์รูปท่านกระสืบุหรี่ไงพวกเราคิดว่าทํำไมท่านสูบบุหรได้ท่านหนึ่งท่าหรือยังอันนั้นก็ใช่เฉยครับอย่างนั้นมันก็เป็ น, <ค>นรูปเฉยวมาบางคนก็เคี้ยวมาถ้าไม่ติดก็นะถ้าไม่ติดมันมนะถ้ า, ถาไม่ลมถ้าไม่ลงแดงเวลาไม่ได้เวลาไม่ได้เสกมันแล้วท่าไม่ลงแดงทเฉยครับครับครับ แต่บ้านสนาก็เอาเรื่องเคียวหมากไปโจมตีว่าเป็นยาเสพติดครับน้านหลัเก็เขาเนัรื่องอั่นก็ไปตีเล่เองไปโจมตีเขาทาไมเขามาทำอะไรให้กับเราบ้างใช่ไหมแค่ครับเด็กสนาพี่ชาที่ตีเรครับชาตามบกลงหีวแล้ก็ปล่อยเขาโจมตีันปากเขามีปากห้ามเไม่ได้ใช่ไหมเรารู้เราความจริงเป็นยังไงเรารู้ว่ามันไม่เป็นปัญหาครับครับครับ ครับโอเคนะอาจารย์ครับวันนี้ขอสุขกรรารมานนะครับอย่นนาสวดนะไม่เอานะสวดไม่มีสวดศา ส, สนาได้ประกอบด้วยมักแปดพจน์ชงเจดเป็นที่ตั้งการดับเสียซึ่งการมาตัญหาภาวนตัญหาวิภัตัญหาออกใจาใจเป็นผลศาสนาได้เป็นไา้จากสัศนีกับบุคคลชีรรลุจราทั้งหลายที่พันธุกับกาคนี่พันสมิ ส, สครับเออะเป็นคำตที่พระเจ้าตบสาวกกองสุดท้ายมอยากจะเรียกศาสนาที่แท้มีอะไรบ้าง ครับอันนี้มันผุดขึ้นมาจากใจของคำครับทเใา้ปปฏิบัติได้ได้นะครับชาตินี้มันจะได้หรือเปล่าคระอาจารยครับเอ้ยพระอาศิษฐ์ทุกคลครับไม่ได้ให้มันให้มันผุดขึด้นมาเรื่อยๆมันก็ได้ให้มันผุดขึ้นมาเรื่อยๆครับชาตินี้ได้สุนันบัลก็ดีนะครับโอเคข้ามสาธุครับสาธุมันตามวันอะไรต่าที่ราชานมรรคการเจ้าค่ะ พระอาจารย์เจ้าคะเมื่อความทุกข์เข้ามาเยือนคะ่ะเราควรจะพิจารณาให้ความทุกข์มันอยู่กับเราไปนานๆหรือว่าเราควรจะต้องอ่ากําจัดความทุกข์ให้เร็วที่สุดโดยการใช้ใจหละคะคะักอเจ้ารย์ค่ะเวลาไฟไหม้บ้านให้ทําไงจะนั่งดูมันดีไม่ว่ารีบไปหาหน้ามาดับไปดีไดับนาเอาน้ําดับใช่เวลาเวลาใจทุกข์เขาีมาปัญญามาดับเนี่ยเพีงที่นนจะดับมันได้มีสออย่างสติหรือปัญญา คือคือเราไม่จําเป็นที่ต้องให้ความทุกข์มันอยู่กับเราแล้วเราก็ต้องบอกอ๋อเนี่ยมันคือความทุกข์นะเราตนให้มันเป็นอุเบกขาใช่ไหมเจ้าค่ะก็คือใช้ปัญญาอย่างเดียวอนอกจากว่าเป็นความทุกข์ที่เราดับไม่ได้เป็นเรื่องของขันเนียก็ต้องอยู่กมันไปเช่นปวดท่องอย่างนี้ปวดหัวอย่างนี้แต่ถ้าเป็นความทุกข์ทางใจเราดับได้เราก็ดับมันที่เมื่อเรารู้สาเห็นว่ามันเป็นความอยากของเราเจ้าค่ะ นาไปปฏิบัติเจ้ค่ะมันมีทุกสองอย่างทุกในขันกับทุกในจิตมันไม่เหมือนกันทุกในขานนี่ท่านร่างกายทุกในร่าง<อ>กายเราไปห้ามมันไม่ได้เวลาปวดหัวปวดท้องเวลาติดเชื้อโควิดเป็นไข้กันมาเนี้อเพรานั้นหยบนั้นก็ดับไม่ได้ต้องให้มันดับเอาเองใช่ไหมนั้นเร า, าใช้เลิกขาอยาบตัวยากใช่ไหมคะทุกในสังขารแล้วเจ้ค่ะอ่อนั่นแหละสังขารก็คือขันร่างกาย แต่ถ้าทุกข์ในจิตนี่ทุกข์ในจิตมันเกิดจากความอยากอยากให้ลูกสาวเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะลูกสาวมันป็นกระทุ่างนี้ดับได้เจ้าค่ะดับความอยากเสียเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะคุณสานิดค่ะคุณสานิดแชดีกดแล้วลบเมื่อกี้ครับอาจารย์ครับครับกลับนอกจารย์อาจารย์ครับผม อยที่ไห น, นจ๊ะตลาดอัเพอเข้าจันครับบ้านอันเพอใช่ไหมบ้านอัเพอครับอ่าจย์ครับก็สองอาทิตย์ที่ผ่านมาผมขึ้นไปบนบนเขาสองวันกับสองคืนนะครับเนี่ยดีไหมอ่าก็อาทิตย์ก่อนที่เคยมารายงานอาจารย์ว่าขึ้นไปหนึ่งคืน น, น, นะครับคืนนั้นอ่าคืนแรกเนี่ยรู้สึกว่า อ่าเขาเรียกว่าเหมือนจะไม่ได้อะไรแต่ว่าไปเอาความตัวออกครับพี่อาจารย์ครับอ่าแต่ว่าสองคืนที่ผ่านมาเนี่ยความตัวหายไปไปเยอะมากครับแล้วก็ไปอยู่ที่ศาลาที่เงียบเงียบค่อนข้างเงียบมากศาลาที่สองครับอาจารย์ครับผม <ừ> ก็ก็อ่าได้เขาเรียกว่าได้ได้ฝึกได้ไ ด, ได้ความสงบค่อนข้างเยอะครับพีอาจารย์ครับ แล้วก็จริงๆแล้วตอนแรกอยู่หนึ่งคืนนี่รุงเช้าคิดว่าจะกลับเพราะว่ารู้สึกว่ทนไม่ไหวแต่ว่าตอนตอนจิตที่คิดนะครับก็คือตอนนั้นนั่งอยู่นั่งอยู่ประมาณสักช่วงบ่ายสามได้ของวันอาทิตย์แล้วก็นั่งนั่งไปนั่งมาก็เลยว่าจิตมันวุ่นมากก็เลยไปเดินเดินจงกรมอยู่พักใหญ่เดินจนจิตมันนิ่งแล้วก็ไม่กลับขยันครับก็เรียกว่าต่อสู้กับความ ความกลัวเกือบหมดแล้วก็ควบคุมสติบางทีพอเปลี่ยนกิริยาบทเนี่ยความคิดมันก็เปลี่ยนมทำให้เราอยู่ต่อต่อได้ครับก็ขอขอถามอาจารย์ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมมาอยู่นี่ประมาณเกือบสองเดือนก็ต่อนเนื่องมาเกือบตลอดครับผมทีนี้แนวทางผมเนี่ยต้องดําเนินยังไงแบบไหนต่อครับอาจารย์ครับก็ทําทแบบนี้ไปเรื่อยๆเวลาเราทําให้มากขึ้นมากขึ้น จะไม่อยากจะทำอะไรอย่างอื่นนอกจากการปฏิบัติอย่างเดียวเราไปบวชได้ครับเบื้องต้นนะครับอาจารย์ครับทีนี้อเรื่องที่บอกว่าจิตเนี่ยจิตเมื่อถ้าเกิดเราจิตไม่ต้องการล่างเนี่ยไม่ต้องการขันเนี่ยครับไม่ไม่ต้องการขันห้าเนี่ยจิตจุดนั้นเนี่ยจิตคิดยังไงถึงไม่ต้องการขันห้านะครับอาจารย์ก็เห็นว่ามันทุกข์ไงเห็นว่าไม่ขันนล้วมันทุกข์ อาจารย์ครับจะเป็นเบื้องต้นตอนเนี้ยเรียกว่าแนวคิดอมันไปลักษณะนั้นนะผมคิดว่ามันเป็นแนวคิดแต่ว่ามันอาจจะเป็นไม่จิตมันอาจจะไม่ได้รู้ความจริงว่าว่ามันมันมันไม่เอาว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันเป็นอะไรที่เหมือนว่ามันเป็นทางเดินอยู่ครับใช่ครับอาจารย์แต่ว่าจุดจุดของมันจริงๆเนี่ยมันผมคิดว่ามันต้ไอาต้องมีเรื่องราวที่ว่าจิตทิ้งจริงๆจุดนั้นนะครับอาจารย์ครับ ก็ต้องเจอเวลาเหตุการณ์จริงเวลาเกิเจอเจอภครอันตรายแล้วคิดว่าเวลา จ, จะมาทำร้ายร่างกายเราแล้วเราก็ปล่อยให้มันทำร้ายไปมันเป็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราอืมครับรอาจารย์ครับถ้ก็ปล่อยได้ไม่กลัวไม่กลัวจริงๆริหลังจากนั้นมันจะไม่กลัวจริงจริมถ้ามันผ่านคามตายได้แล้วมันก็ไม่กลัวครับอาจารย์ครับ ทีนี้เรื่องอพิจารณาอสุภาษะครับาจารย์โดยแนวคิดไม่ใช่แนวคิดผมครับที่ผมใช้อยู่ก็คือว่าสมมติว่าจิต ม, มันฟุ้งซ่านแล้วก็มันไปแนวทางที่จิตไม่สมควรไปเนี่ยผมใช้คำว่าพิจารณาความไม่ไม่สวยไม่งามของร่างกายเลือดหนองในตัวเองนะครับก็คือนึกเอาเองได้บางส่วนนะครับแล้วก็ตอนนี้คิดว่าเราอาจจะต้องดูเรื่องภาพประกอบให้ค่อนข้างที่จะ มันจิตมันยอมรับของมันจริงๆสร้างเหตุการณ์ให้มันเห็นภาพอยู่บ่อยๆไอ้ลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่เป็นยังไงบ้างเข้าใจก็เป็นแนวทางของปัญญาไม่ใช่รับตับการมรลมได้เวลาเกิดกรมรลมขึ้นมาครับครับก็รายอาจารย์แล้วก็แล้วก็ก็ขอเรียนที่จะเข้ามาสอบถามอยู่เรื่อยๆเข้าใจครับทําต่อไปจนกว่าปัญญาต่างๆมันหมดไปจากใจนถึงจะอยู่ได้ ครับผมครับอาจารย์ครับเดี๋ยวมีเข้าสู่มาเรียนรู้ต่อเนื่องครับอาจารย์ครับโอเคสเครับคุณทนช่้้านอกักการับอาจารย์ครับนักสือกค่ะคุณตาติดต่อกันน้ำวินยูอ่ะเพิ่งไปเพิ่งไปเจอกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะอ๋อแปฏิบัติที่ท้ออยู่นะใชค่ะก็ยังดี ไปยังซื้วยซึ้อต่อค่ะเขารู้สึกว่าอย่างพระอาจารย์ว่าแหละเขาก็ติดทั้งด่วนเขาขึ้นทังด่วนเป็นตาได้น้ํำเลยนะใช่ครับแล้วก็คือในในเส้นทางกับเอ่อเรียนเรียนนี้ครับที่ที่พระอาจารย์ที่ที่น้องมินเข้าไปปฏิบัติด้วยก็ก็ก็ทางเดียวกับพระอาจารย์นะครับเส้นเส้นทางโยกันครับก็คิดว่าก็ตรงอยู่นะครับซึ่งซึ่งก็ ก็ก็ก็ดีครับคือเขาก็ไปได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของการพิจารณาเรื่องอริยสัจสี่เหมือนกันเนี้ยครับก็จะเน้นที่อริยสัจสี่เหมือนกันครับครับมีมีคําถามหนึ่งน้องมินเขาถามก็ถามปลาแล้วปลาก็เหมือนตอบแล้วก็ไม่คลิกก็นึกในใจว่าเดี๋ยวจะมาถามพระอาจารย์บรรพุทธนะคะแค่คิดว่าจะถามแบบ เปิด YouTube เล่นๆเจอพระ อ, อาจารย์พูดเรื่องนี้พอดีเลยค่ะก็เลยก็ไปให้มิ่งก็ดูแล้วโอ้ว่าอาจารย์ตอบทันที <c oughs> ครับคำถามของผมไม่มีครับมีแต่ว่ามีแต่ว่าเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปสถานธรรมที่หนึ่งแล้วก็ออพอดีว่าโดยปกติเขาก็จะมีพอพอพอถวายพระทหารเสร็จพระพระครูบาอาจารย์ท่านพิจารณาอาหารแล้วก็ญาติโยมก็จะทานกันเนี่ย อันนี้ก็ระหว่างระหว่างที่อยู่ในแถวเนี่ยก็มีมีท่านนึงมาเขาก็เราก็เห็นว่าเป็นผู้ใหญ่เราก็เลยบอกว่าเออให้ให้ให้ท่านเข้ามาก่อนเนี่ยนะทีนี้ปรากฏว่าท่านเอาถาดก็มาก็กลัวอาหารแบบทั้งขาดอะไรเงี้ยเราก็เกิดอาการขึ้นมาครับก็เลยว่าเออวันนั้นสอบตกอครับวันนั้นภายในห้านาทีนี้เราเกิดไปสามชาติครับอาจะรย์เกิดเป็นเปรตชาติหนึ่งเป็นสุรกายชาติหนึ่งแล้วก็เลยว่าอ๋อ มันอย่างนี้นี่เองนะแบบว่าอารมณ์ไอไอภาษาที่มันเข้ามากระทบเนี่ยมันแบบว่าบางทีมันคุมไม่ได้เลยครับใช่บางทีเราที่บาไม่มีอะไรอยู่แล้ว้อยู่ดีๆมันก็โผล่ขึ้นมาโอ้ขึ้นอ <laughs> ันนี้ก็เลยมองพิจารณาไปว่าโอ้จากที่เราเป็นเปรตนะจากที้เราเป็นอสุรกายนะตอนที่ไปแสดงอาการที่แบบว่าเหมือนกระฉุนเฉียวที่ว่าเขาทําอย่างนั้นไงครับโอ้เกิดขาดทุนไปสองชาติคบ เวลาก็เป็นบทเดงยะกันพยายามอย่าไปทำซ้ำชาแต่ว่าแต่ว่าก็ก็มันก็พอพอตรงนั้นปุ๊บมันมันเหมือนมันขาดนะครับอาจารย์ก็คือว่าเราไม่เกิดอารมณ์ฟอมันไปเลยเดียวว่าครับครับเราติเราไม่ทันเราไปแล้ววันต่อไปก็ารมณที่เราต้องหยุดก่นนะได้ครับใช่ครับผมย้ำย้งช่างดวงใจก่อนนะจะทํำจะพูดอะไรดีไม่ดีใช่ครับส ครับไม่มีอะไรนะครับไม่มีครับโอเคนะท่านคุณพิมพ์จะพิมพ์ตอบครับจักการะเพื่อคนพระอาจารย์ครับพอดีผมมีอยู่ที่ไหนครับครับที่กรุงเทพครับอมีอะไรครับพอดีผมมีข้อสงสัยครับคือว่าสมาธิสติปัญญาครับคือทั้งสามส่วนนี้คือควรมีเท่ากันใช่ไหมครับ เท่ากันหมายว่าไงเท่ากันคือเอ่อหมายความว่าในบุคคลมนุษย์คนเราครับคนมีสมาธิสติปัญญาคนเท่ากันไหมครับเออไม่เท่ากันคือมีมากน้อยต่างกันคนที่มีมากใจก็จะนิ่งมากคนที่มีน้อยก็ใจจะไม่ค่อยนิ่งครับแล้วสมมติว่าถ้าอันใดหนึ่งมันมีมากเกินไป มันันดีไหมครับหรือว่าที่จริงมันควรจะสมดุลเท่ากันทั้งสามมันครับ อ, อ๋อมันเป็นเหมือนขั้นบันไดอสติเป็นขั้นที่หนึ่งสมาธิเป็นขั้นที่สองปัญญาเป็นขั้นที่สามเนยมันไม่ได้เกี่ยวว่าว่าตัวไหนมากตัวไหนน้อยมันต้องมีสติมากจากระทั่งสร้างสมาธิขึ้นมาให้ได้ถ้ามีสมาธิสร้างขึ้นมาได้แล้วก็สามารถไปสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อให้หยุความอยากต่างๆให้ได้ สติก็คือในขั้นตอนในการสร้างสติครับคือคือเราเรารู้ถึงความเป็นจริงในตอ น, นั้นใช่ไหมครับว่าเราควรทํายังไงให้เราหยุดคิดหยุดคิดด้วยกันเราลึกถึงพุโทโธพุทโธไปเรื่อยๆเหมือนคอยเฝ้าดูว่าร่างกายเรากำลังทําอะไรอย่ยาปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องต่ตางๆนะครับพอเรามีสติพอลราก็นา่งสมาธิถ้าสติมันหยุดความชินได้หมดจิตนิ่งก็เรียกว่าเป็นสมาธิขป้นเป็นเป็ น, นคาเป็นมา คจิตปล่อยวางได้ว่าจิตปล่อยวางได้ก็ไปไปสอนจิตให้ไปปล่อยเรื่องที่มันทําให้จิตทุกข์ครับแล้วปัญญาอ๋อครับปัญญาไม่เคออยว่าสิ่งที่สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ทําให้จิตทุกข์ก็เพราะจิตไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ แลไม่อยากจะทุกข์ก็อยากประหยาดให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันร่าง<ะ>กายของเราอยากไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพบพะวเวลามีอะไรมากระทบร่างกายเราจะทุกข์ขึ้นม า, านทันทีใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเราพิจารณาว่ามันต้องมันต้องเป็นอย่างนี้เราห้ามมันไม่ได้ปล่อยไปเราก็จะไม่ทุกข์ครับเน้นภาษ ครับขออน like right? ุญาสอบถามเพิ่มเติมครับก็ตอนสมมติว่าที่ขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่ใช่ไหมครับคือตอนนั้นคือเรายังใช้ปัญญาอยู่หรือไม่ครับต้องไม่ใช้เลยถ้านั่งสมาธิใช้แต่สติอย่างเดียวสติกับสมาธิอย่างเดียวใช่ไหมครับแล้วปัญญาตรงนี้เกิดจากการที่เราหลังจากที่เรานั่งแล้วพิจารณานลัจากอาแกาสมาธิมาก่อนอย่างตอนนี้เราต้องรำต้องรำพูดเรื่องปัญญาอะไรนี่เป็นปัญญาต้องต้องคิด คิดเรื่องปัญญาคิดเรื่องอนิยสัจสิคิดเรื่องใจรักาาเก็จะเป็นปัญญาครับต้องเข้าใจต้องเข้าใจว่าอริยสัจสิเป็นยังไงเป็นทุกทุกของเราเกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาความอยากเราทาให้ทุกข์หายไปต้องทำยังไงก็ต้องทำว่าต้องหยุดความอยากเมื่อสิ่งนี้มาแต่หยุดความอยากได้ก็คือสติสมาธิปัญญานีงครับ นีปัญญาต้องคิดถึงจะเข้าใจแต่นั่สมาธิไม่ต้องการปัญญาต้องการเบกขาต้องการให้ใจปล่อยวางให้นิ่งเฉยเฉยครับสแสดงว่าปัญญาตรงนี้จะเกิดมากกับน้อยก็ขึ้นอยู่กับสมาธิด้วยใช่ไหมครับส่วนหนึ่งใช่ถ้าสมาธิไม่มากก็คิดตามปัญญาไม่ไม่ได้นานครับก็สแสดงว่าคนที่อมีสมาธิมากมาก ผมไม่แน่ใจว่าสมาธิตรงนี้คือการ น, นั่งนานๆแล้วก็อยู่กับตัวเองนานๆนนใช่ไหมครับคือนั่งานานๆแล้วหลยยังจากนั้นเวลาออกจากสมาธิมามันก็ยังนิ่งครับก็สามารถให้คิดทางปัญญานะได้ครับใช่ครับเรานี่ฝึกสติไปก่อนฝึกสติให้ได้สมาธิก่อนแล้วค่อยไปทางปัญญาครับเข้าใจนะเข้าใจครับใช่ คนกิติศักดิ์ใช่คนกิติศักดิ์ต่อนามสการครับพระอาจารย์มีอะไรไหมมีครับพระอาจารย์ก็เอ่อเมื่อเดือนมกราได้มีโอกาสไปขึ้นเขาครับพอกลับมาช่วงนั้นก็จะนั่งสมาธิแล้วก็ค่อนข้างเะ น, นิ่งได้เร็วแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าแบบ มันสงบแล้วมันเหมือนมันไม่ถึงฐานนะมันไม่นิ่งแบบสติเราอดกำลังลงทำให้ไม่ได้มีเวลาที่จะเจริญสติได้มากเหมือนกับตอนที่เราไปอยู่คนเดียวเพราะว่ามีแต่ละวันในระหว่างความเนี่ยต้องใช้ความคิดการเล่นๆอย่างนี้มันก็เลยขาดสติไปพอมานั่งสมาธิมันก็เลยเข้าไปเยอะเข้าไปนาน เขาพยายามที่จะพุดโธรในระหว่างเขาต้องมันปิดเว่ยเว่เรื่อยๆจะได้จะได้เพิ่มกำลังของสพติครับแลนวในระหว่างวันก็พยายามจะพุดโธพุดโธสลับตลอดแต่ก็เหมือนมันมันก็ซึมไปอยู่มันเดียวไม่ได้ครับแล้วมันก็จะต้องคิดอยู่นั่นคิดอย่างนั้นคิดอยางนี้นคุยกัคนนั้นคุยกันนี้แล้วก็มีบางทีมันนั่งแล้วเหมือนแบบ เรื่องงานก็ฟุ้งเข้ามาด้วยครับถึงไ้ออกจากงานเนี่ยถ้อาอยากจะได้สมาธิก็ต้องลาออกจากงานครับไปดวนไปยู่นเดียวมันเหมือนเป็นถนนคนละสายเะยรันะทางทในความสงบกระทเนนลทา่าคนะทงทางอทางความฟุ้งซ่านอก็ แฏิบัติไปเรืยมันก็จะรู้ว่าจะจะตัดสินใจไปทางไหนเองเพราะมันต่างกัน้ากับหนึ่งทางธรรมนี่มันวิเศษวิเศษเมืเ่อไปเที่ยวมาทางโลกมันเต็มไปด้วยความความรุนวาดใจแล้วในทางโลกปัจจุบันก็ยังมีภาระอยู่หลายด้านครับอาจารย์ก็เราไม่ได้เกิดมากับภาล่าเราไปแบกมาเลยนำมาตัวเปล่าๆเนเราก็ไปตัวเ ป, รปครั บ, รบเวลาเราไปทาแบกภาระไปเรื่อยะ ใช่ไหมถ้าเราตายในวันนี้ภาระเขาเขาก็อยู่ของเขาได้ใช่ไหมถ้าเราไปวันนี้เขาก็อยู่ก็ตอบไม่ได้เลยจนในเขาไม่เหนือยร้อนกับความเป็นความตายและการจากไปของเร า, าความไม่อยากไปพอมากกว่าที่มัน ต, ตัวประสาทไม่ใช่ตัวคนอื่นเร า, าไปอ้างเขาว่าเป็นภาระท่านหนึ่งเขาจะได้มีเหตุมีผไม่ให้เราไปนั่นนี่คือ นี่คือกลนของกิเลสใช่ไหกิเลสมันเล่นเนยอะมันหลอกให้เราคิดว่าเอาไวเราสําคัญเราจำเป็นจะต้องอยู่ถับภาร ะ, ะนั้นภาระนั oh. ้นแต่เราตายไปวันนี้เดี๋ยวเดือนสองเดือน เ, เขาก็ลืมเราแล้วอ่อะนะเขาก็ดำเนินชีวิตขอก็ต่อไปไอ้ทีอย่างนี้มากเลยแม่ว่าถ้าเกิดเราตายแล้ววันนี้เราทําไงภาระที่เราเคยแบกนี้เขาจะทาะําไงเขาก็ต้อง เขาก็ต้องหาคนอื่นมาแบกแทนาแล้วก็ต้องแบกด้วยตัวเขาเองไปงเดี๋ยวอาจจะในระหว่างนี้งาาไปปีกมีเวกเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆเรมันจะมีกำลังที่จะตัดได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นมากขึ้นอาจารย์แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับอตอนที่เรานั่งแล้วเราสงบส ในแต่ละวันมันรู้สึกว่าตัวอการมาทันหาครับมันมันก็น้อยลงไปโดยอัตโนมัติ ด, ด้วยทั้งนั้นที่เราก็ไม่ได้นานาสุภาอันนี้มันมันเป็นผลของการที่เราสงบหรือเปล่าก็มีส่วนแต่มันไม่ได้หายไปเพราะช่วงนี้มันอาจจะเราไม่ค่อยให้ช่วยให้ความสําสคัญกับกาให้ความสําสคัญกับการปฏิบัติ มันก็เลยไม่ค่อยมาโผล่ขึ้นมาแต่มันไม่หายแบบท้าวอ่อนเพาอะไรไม่ได้กาจัดมันด้วยอัศวะเดี๋ยววันนีคันดียร์มันก็จะโผล่ขึ้นมาได้ไ ม, ไดมันมันจะโผล่มาตอนหลับครับพระอาจารย์แสดงว่าอันนั้นเราไม่ได้คุมสติเราไม่ได้ทำใหเราหลับลนน ม, มันก็เลยโผล่ตอนนั้นตอนที่เราตื่นเรามีสติมันก็เลยโผล่ขึ้นมา แต่ในตอนอับนี้เราควบคุมอะไรไม่ได้ใช่ไมครับไม่ได้นะ ไ, ไม่เป็นไราปล่อกันไปแล้วก็มีเคยได้ฟังพระอาจารย์เก็กบมาสุภาแล้วก็เอารูปภาพดูนอินเทอร์เน็ตนะครับที่เป็นรูปผู้หญิงถูกผ่าตัดดูข้างในดูก็มันเหมือนมันเฉยๆ่ะครับพระอาจารย์มันเป็นเพราะว่าเราสติยังไม่เพียงพอหรือเปล่าครับ เวลาใช้ใช้ก uh ็ใ huh. ช okay. I mean, okay. ้ได like like you know? oh, okay. so okay. ้ใช้ใช uh ้ก huh. yeah. ็โอเคใช้ใช uh ้ด huh. ูดูดูให้ใจใช่เกิดการมาลงขึ้นมาก็ทําให้มันใฉ้ให้ได้อืคือมันไม่ได้รู้สึกรังเกียจหรือว่าอะไรแบบมันเห็นว่ามันเป็นแบบนั้นเออมันก็คือสภาพแปบนั้ไ่ได้ไม่ดูให้รังเกียจแค่ดูเพื่อให้มันให้ดูว่าร่างกายไม่ได้สวยงามเหมือนกับที่เราคิดกันออ แต่แต่ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราดูแล้วเราไม่ได้รังเกียจแบบสิ่งที่เป็นไม่น่าสวยงามแบบนี้ในความรู้สึกแบบนี้มันถูกต้องไหมครับพราจารย์ถ้าเราเฉยๆก็ถูกต้องเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ดูเพื่แบบนั้นเราดูเพื่อเวลาเกิดการมาลงขึ้นมาแล้วดูทีันดับกันได้ไหรือเปล่าเพราะนั่นนะเป็ น, เ ป, นเป็นเหตุผลของการดูออสุภาษ ต้องลองกระต้นการมารับเล้่นมาดูแล้วดว่าเราเราเราดับมันได้หร่อเมื่าด้วอาชพระเราหายใจกับว่าเฉยๆได้ไหมครับเข้าใจแล้วครับพระอาจารย์จะจลองไปปฏิบัติอาชพระนี่มันเหมือนยาเหมัอนยาแก้แก้ปวดหัวอเงี้ยอันนี้ก็ไม่ปวดหัวคุณกินไปมันก็ไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมอืมแต่ถ้าเวลาคุณปวดหัวแล้วกินเข้าไปแล้วคก็จะเห็นแตก ถ้าเป็นยายาที่ถูกมันก็จะทำให้อาการปวดหัวปวดหัวหายไปใ mm hmm. นบางทีกินยาโดยที่มันยังไม่มีโรคกับเนิดขึ้นมามันก็ไม่เห็นประโยชน์ขอยงยาใช่ไหม mm hmm. ต้องรอให้มีโรคกับเนิดขึ้นมาก่อนเราให้กินยาแล้วถึงแล้วมานรับโรคได้ถึงมันรู้ว่ายานี้มีมีคุณ ม, ม, มีประโยชน์อ mm hmm. การดูสัชพัพเบื้องต้นก็นดูเพื่อซ้อมให้สัดเตรียมยาไว้ก่อนถ้าเกิดคนดีเคนดีถ้าเกิด มีการมาลบขึ้นมาก็ดูว่าเอาสุภาพนี้มามาดับกันได้หรือเปล่าแต่ถ้าจะดับถาวรต้องไปถึงขั้นภานาคามีของก็เท่านั้นก็เอาสุภาพนี่แหละครั้งที่การมาลบขึ้นมาก็ใช้อาสุพาดับให้ทุกครั้งไปั้งใจเป็นถ้าภาณาคามีไปโดยตโนธโอ้พระอาจารย์นะะอาจารย์ระทับพอาจารย์ขอบพระคุณครับโอเค ใช่คือสมัชนาต่อ บ, บอวินบวินวะอาจารย์การวัศการพราา ะ, ะอาจารย์แล้วค่ะมีอะไรหวันนี้ไม่มีคำถามารราาแล้วคะมากราพระอาจารย์แล้วก็มาขอฟรรมแล้บค่ะอาจารย์โอเคค่ะไปด้วยแอมี่จากแอมี่เเมื่ อ, อกี้น้ามูกลับาอีกคั้นเดี๋ยวขอหน้ามูอยากจะพูดอะไรบ้าง อ, อ, อ่ะปล่อยหนก็ให้หน้ามูก่อนนะ ครับเอต้องขอโทษพระอาจารย์ด้วยครับคือเมื่อสักครู่เกาะตอนตอนแรกอะครับเน็ตไม่ค่อยเสะเทียนเท่าไหร่ครับอาจารย์นนครับพระอาจารย์ก็ก็มีประมาณนี้แหละครับก็ส่งกันบ้านแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งครับพระอาจารย์ก็คือเวลาที่นั่งๆั่งไปแล้วอะครับพระอาจารย์แล้วรู้สึกว่ามันไม่มีความคิดแล้วมันไม่ฟุ้งซ่านแล้วอะมันก็เริ่มจะสงบแล้วแล้วคราวนี้พอมันจะสงบ เหมือนมันก็วูบลงนะคะพอมันวูบลงผมก็สะดุ้งคราวนี้อาการความสงบมันก็หายไปเลยครับพระอาจารย์อย่าไปสะดุ้งเลยให้มีสติดูปล่อยให้มันให้มันให้มันวูบลงไปแล้วให้มันเฉยๆนั่นมันก็จะนิ่ครับพระอาจารย์ขอบพระคุณครับมันสะดุ้งปั๊บแล้วก็ให้มันขัดแล้วก็อยู่เฉยๆไปย่ะให้ดูดูดูดูจิตไปดูว่ามันนิ่งก็ไม่นิ่ง ค่ะพ่ะอาจารย์ถ้ามันเน่นก็พุดโทต่อไป่ค่ะพระอาจารย์มันไม่คิดอะไรก็ไม่ต้องทำ เ, เลยดูเฉยๆไปนะลองทอยูนะขอบขอบขอบคุณพระอาจารย์ค่ะแรมีม่เชือเ่อแรมี่ลูสาชื่ออะไรออมเหรอคนนี้กลบสวัสดีค่ะพระอาจารย์ น, น้องออมเหรอน้องเอมค่ะน้องไม่เอมเอ วันนี้รายานจะวันนี้มีอะไรไหมอันนี้พูดภาษาไทยนะมันเคยน่มภา ษ, าษาอังกฤษมีอะไรไหมคะไม่มีค่ะต้งมารายงานตัวแล้วพี่ชายไม่มาด้วยนะอมค่ะมสวัสดีออโอเคครับเล่นเกมอยู่ค่ะ เ, เล่นเกมนะเเ okay. อ่า อาทิตย์ที่แล้วที่ถามค่ะอาจารย์เรื่องอาการย้ำคิดย้ำทำอะค่ะก็อาทิตย์นี้ก็พยายามใช้สติกักบทุกเรื่องเลยค่ ะ, ะก็ดีขึ้น ค, ค่ะอาจารย์ ม, มั่นใจขึ้นไป่ตองมา ย, ามยั่งอยู่รน่ๆรู้ว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ทําเสร็จแล้วมันผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องมานั่งคิดนะโอเคนะ อาจารย์เลยนะทีนัดที่นัดอะไรท่าดาที่นัดท่าดาที่ดาที่นัดที่ดาที่นัดที่ดาค่ะอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่ที่บางพีค่ะส่วนประกันมีคำถามได้ไ้มคืออาทิตก่อนนะคะที่ที่บอกอาจารย์ว่าเออพระอาจารย์ว่าหนูกําลังแบบสวดอิติปิโสให้ได้เวลาร้อยจบอยู่ ก็คือถ้าตอนแบบช่วงช่วงเวลาที่ทํางานนะคะก็มันจะแบบตลอดเวลาที่นึกขึ้นได้ก็จะตัดเข้าอีติปีโซเลยเลอย่างเงี้ยแสแต่ว่าพอมาตอนเย็นก็จะมาเล่งให้ได้ให้ได้ถึงร้อยอะไรพวกเนี้ยก็ก็ทําได้อยู่ค่ะแต่ว่าปัญหาหลักๆของหนูที่หนูถามพระอาจานไปอันที่ก่อนคือพอเวลาที่หนูแบบมีความกลัวขึ้นมาหนักๆอะ่ะคือหนูเห็นมันแต่ว่าหนูสัตว์มันไม่ได้ทันทีบางทีอะ่ะหนูก็ คิดไปตามมันแล้วก็อ่ะแพ้แพ้มันไปแล้วก็กลายเป็นว่าอ่ะกลัวกลัวกลัวกลัวแล้วก็แบบทําอะไรไม่ได้เพราะอาจารย์หนูให้หนูลองอิติปิโสเพื่อที่จะตัดความกลัวมันออกไปแต่ว่าคืออย่างอย่างก่อนหน้าเนี้ยเออก่อนที่จะเข้าส o o m ค่ะหนูก็อิตีปิโสตลอดแบบติติติดติดตดตดตดตดกันเลยค่ะก็เห็นว่ามันมีความกลัวแทรกเข้ามาตลอดที่หนูกําลังอีติปิโสอยู่หนูก็ตดัตดตัดแล้วมันก็จะมีมาใหม่เรื่อยๆแบบเหมือนคิด เรื่องใหม่มาเรื่อยๆบางทีหนูก็จะทันมันบ้างไม่ทันบ้างเนี่ยก็อย่าปล่อยให้มันคิดเ ส, สียต้องสวดได้ดีไปสวดไปเรื่อยๆให้ต่อกันไป <arose. S 2> อีกแบบจนกว่าจนกว่ามันจะหยุดคินหยุดกลัวแล้วค่อยหยุด่งค่ะ ห, หนูก็มีเท่านี้อค่ะต้องสวดไปเรื่อยๆอย่าอยู่แล้วสวดไปแล้วมันยังผลกขึ้นมาแล้วต้องสวดไปเรื่อยๆนะ ยังการมันจะไม่โผไปไปล่ใหมาละลืมเรื่องเรื่องที่ทําให้เรากลัวแล้ ว, ลวเราค่อยหยุดเฉยก็ได้มันคิดได้ทุกเรื่องนะคะที่จะให้หนูกลัวซึ่งหนูกำลังงงว่าไอ้ที่สิ่งที่หนูกลัวเนี่ยคือแบบกลัวผีอย่างเงี้ยมันก็คือการที่หนูกลัวตายใช่ไหมคะใช่ทุกอย่างมันกลัวที่เราจะถูกถูกทําลายทำลายจากสิ่งต่างกันก็คือการปรุงแต่งอย่างหนึ่งรู้ไหมใช่ก็ความจริงมันไม่มีเราปรุงแต่งไปเ พ่อหนูก็ไม่เห็นเออกิด ม, มาไม่ไกลมีผีไม่ไกลเจอผีแต่ไปกลัวผีแทนค่ะงั้นความโกรธก็เหมือนกันใช่ไหมคะความโกรธก็เกิดจากความอยากของเราเอเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากเร า, ก, าก็โกรธอยากให้เขาทำนู่นทานี่เราพอเขาไม่ทำให้เราเราก็โกรธเขาอ๋อหนูจะจะจะรู้สึกว่าตัวเองจะโกรธมากๆกกับเรื่องที่แบบ คนพูดว่าหนูหนูแบบทํางานไม่ดีหรืออะไรเง<ช>ี้ยหนูจะโกรธมากมเราอยากให้เขพูดดีแล้ว เ, เราไม่อยากเพราะว่าเราใช่แล้วก็กจะไปายามต่อไปนะต่อไปต้องทําใจว่าเขาอยากจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปแล้วเราก็จะไม่โกรธแต่เราก็เริ่มต้นใหม่ได้ตลอดใช่ไหมคะเหมือนมิซ<ค>ิส<ด>อย่าเราไปบังคับคนอื่นให้เขาทาตามใจเราไม่ม ไ, มได้ เขาอยจะทําอะไรก็ปล่อยก็ทําไปก็อยากจะพูดแล้วก็ปล่อยเขาพูดไปแล้วเราจะไม่โกรธเขาแล้วก็เราก็ยังได้ยินเขาพูดอยู่อย่างเงี้ยก็นั้นก็ได้ยินก็ปล่อยเขาพูดไปเราก็มาทําใจสอนเราว่าเห้ามเขาไม่ได้เป็นเหมือเสียงฟ้าฟ้าร้องเนี้ยเราห้ามฟ้าน้องได้ไหมไม่ไม่ได้ก็ปล่อยฟ้ามันร้องไปคนก็ทำหนินแล้วก็ปล่อยเขาทำหนี้ไป อยในโลกนี้ดาวแต่สารเสวนอย่างเดียวไม่ได้มันเป็นมีทั้งสารเสวนมีทัง้งนเด่นตาสำเนตติดเตียงเวลาใครดูจะรู้สึกมันอยากจะเอาชนะเออเอาชนะมันทําไมเอาชนะใจเราดีกว่าชนะความโกรธดีกว่าชนะความกรธด้วยยอมเขายอมแพ้เขาแพ้เป็นพระชนะเป็นบาปที่ไหน ยอมท่าแล้ใจเราจะเย็นยอมหยุดเย็นมันยังไมันมัน ม, มันไม่ค่อยทันความโกรธด้วยครับมั น, มนแบบเผาไม่คนอื่นไปแล้วแล้วมันจะมาเห็นทีหลังแล้วก็แบบคิดว่าไม่น่าเลยอย่างเงี้ยใช่ไม่เวลาตอนนี้เราฝึกนี้ยามาเป็นบทเรียนว่าเราต่อไปเราจะไม่ทําอย่างนี้อีกค่ะได้ค่ะโอเคเราฝึกสติไปทุกทอไปส่วนิีิติปิโไป แล้วจะจิตจะวายกับพิเรศจะทันกับพิเลศต่อไปคือถ้าสมมุติเราเห็นปุ๊บเราก็ตัดมันด้วยบริกรรมคำบริกรรมเลยใช่ไหมคะอา่อาถ้ามันโทรมาเราก็าสวดไปเลยหมือบริกรรมที่โทรไปเลยก็ได้ได้ค่ะโอเคนะอ่าขอบพระคุณค่ะโอเคคุณจอมชัยเชิญคุณจอมชัยบันไดก่อน ครับกล่าวณวัฒน์สการพิสุโรโลครับอาจารย์ครับผมมีอะไรไหมวันนี้ก่ารนวัตน์สการ์อาจารย์ครับผมก็สิ่งที่ติดอยู่ในสภาวะของตัวเองก็คือว่าอผมยังมีเหมือนมีข้อสงสัยในใจอยู่ตลอดครับอาจารย์ว่าสิ่งที่เราทํามันใช่ไหมถูกไหมเราต้องศึกษาเราต้องศึกษาวิธีที่ถูกต้องมันเป็นยังไงแล้วต่อไปเราก็จะหายสงสัย อ๋อครับก็ก็ส่วนอื่นก็กําลังศึกษาอยู่แล้วก็เจริญสติอยู่ครับอาจารย์ครับผมก็ทําเหมือนครั้งก่อนที่พระอาจารย์บอกว่าก็ให้อยู่กับพุทโธแต่ก่อนนั่นก็คือจิตใจมันจะมีความวุ่นวายเยอะครับก็เลยใช้บทสวดอิทิปิโซแต่ปัจจุบันก็กลับลงมาสงบได้ก็คือไม่ต้องยุ่งกับบทสวดแต่ก็ใช้อยู่กับออยู่กับเครื่องอยู่ของของตนเองก็คือพุทโธครับอาจารย์ครับผมการสักการณ์ตอนนี้ครับ สกับแต่ว่าแต่ว่าคุยคุยกับอาจารย์คือก็จะมาปฏิบัติที่วัดบนเขา <Hindu. S 2> ครับก็ก็คุยกับอาจารย์หมอที่อยู่ใกล้ชิดกันแล้วครับผมแต่ว่าขอขอดูให้โควิดมันนาจกว่านี้นิดนึงครับอาจารย์ครับการมาสักการณ์ครับคุณนรพลต่อัุณนรพลจากกรุงเทเจ้าค่ะอาจารย์กลับมาสักการณ์เจ้าค่ะอาจารย์ ค่ะพระอาจารย์กค่ะวันจันทร์ที่28แปดนี้ลูกทำงานมาสุดท้ายแล้วนะเจ้าค่ะแล้วก็เดือนมีนาก่อนย้ายกลับบ้านลูกแผ่นไปที่เขาชิโอนได้สิบคืนเจ้าค่ะจองที่พักไว้แล้วเจ้าค่ะอาจารย์คืกำลังทำอยู่กำปฏิบัติอยู่ค่ะประมาณสิบคืนซึ่งไม่เคยยาวขนาดนี้เจ้าค่ะเออเรี่อว่าก็จะพยาามจะชนะ ค่ะแล้วก็เป็นเวทีนะเป็นเวทีชี่ว่ากิเลสค่ะที่พระอาจารย์มีอบายให้หลายๆท่านที่บอกว่าให้นั่งอยู่เฉยๆหกถึงแปดชั่วโมงใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์ก็ว่าจะลองไปทําด้วยเหมือนกันเจ้าค่ะเราประทานนานเสร็จแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรแล้วก็นั่งยาวเลยต้องเมื่อยก็ลุกขึ้นมายืนได้คือเราไม่ท่านอาจารย์ตอนขนี้ยังไม่ต้องการจะทรมานร่างกายในการทรมานความอยากอย่างเดีย ค่ะแ ล, แล้วกลับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าถ้าถ้าเอนบ้างได้ไหมเจ้าขาพระอาจารย์หรือห้ามได้แค่ยืนกั่นั่งเจ้าขาพระอาจารย์ก็ยืนกันนั่งอย่าอย่าไปนอนเพราะมันจะหลับอ๋อเจ้าค่ะ ก, ก็ก็ให้สองเอลียาบทเน้นสองเที่ยวถ้านั่งแล้วเมย์ก็มุดขึ้นมายืนยืนแล้วเมย์ก็กลับไปนั่งแล้วก็พยายามฝึกสติเจริญสติและเจรปัญญาไปเรื่อยๆค่ะก็ก็ได้ที่พระ พระอาจารย์ตอบคำถามชาวต่างชาติเมื่อวานที่เขาถามายละเอียดเรื่องว่าการใช้ใช้การภาวนาพุทโธสติกับปัญญาจะจะใช้ร ะ, ระหว่างไหนอย่างเ ง, งี้ยเจ้าพระอาจารย์ก็ต้องสลับกันเพราะพระอาจารย์บอกว่าถ้าเราอสติเราพอแล้วเราก็ค่อยมาพิจารณาปัญญา<ม>ใช่ไหมเจ้าพระอใช่ถ้าเราได้รู้เบรคขาแล้วทีนี้เราก็มาทางปัญญาเนาะเจ้าค่ะแล้วแล้วก็เมื่อคืนที่ลูกถามเรื่องเรื่อง ธาตุรู้กับกับธาตุสีที่เป็นร่างกายอ่ะเจ้าขาพระอาจารย์ก็ mm hmm. ก็คือลูกชอบที่พระอาจารย์บอกว่าตัวทา่านรู้อ่าโหนที่เป็นความรู้ว่าค่ะมันมันมาต่อกับร่างกายด้วยตัวกิเลสปัญหาที่เป็นความอยากใช่ไหมเจ้าขาพระอาจารย์ความอยากมันผลัดดันให้ท่านุรู้มาเกาะติดกับร่างกายมันต้องใช้จัดร่างกายเป็นเครื่องมือหารูปเสียงกลิ่นรสกับใจ ค่ะก็คืออุเบกขาจะเป็นตัวที่ทําให้เราตัดการชเชื่อครับเวลาในอุเบกขาแล้วก็มีความอิ่มใจสุขใจแล้วก็ไม่หิวกับรูปสิ่งเก็บรค่ะค่ะอันนี้ก็พอเข้าใจค่ะแต่เดี๋ยวลูกไปเปิดฟังเมื่อคืนทวนอีกทีหนึ่งเจ้ า, าค่ะค่ะค่ะวันนี้มีกับกับกับเรียนถามอาจารย์เท่านี้เ<ม>จ้ากับนวัตสกายนะเวลาที่ปฏิบัตินั่งกันอยู่นี้นั่งสมาธิได้นะ <จ>เพื่อนเจริญมพูดโธได้อยากอยากปล่อยให้ใจไม่มีไม่มีสติไม่มีอะไลรลูกสวดได้ไหมเจ้าค่ะได้สวดก็ได้ลูกลูก<ต>มีบทมีบทประจํ า, า, จาของยายาวพิจารณาการสาธิสอนก็ได้สุภาศก็ได้ครับพิจารณาได้ก็ทําได้ค่ะที่ที่ลูกเคยกลับเรียงให้จาจว่าลูกชอบสวดบทธรรมจักอ่ะเจ้าค่ะลูกลูกก็คือถ้ามันยาวอย่างนี้ก็สวดไปต่อเนื่องได้ใช่ไหมเจ้าค่ะได้สวดอะไรรอบก็ได้ ค่ะได้เจ้าค่ะพรอาจารย์วันนี้กราบขอพระคุณภรอาจารย์กราบคโอเคคุณ okay. จรินทร์นจากแเวลายูว่ช่นำมาสการพรอาจารย์แล้วค่ะอ่าก็ยังไงงานทำ อ, อยู่ที่บ้านอยู่นะ อ, อยากทํา ง, งานอยู่ที่บ้านอยู่ค่ะพรอาจารย์ <c oughs> ช่วงนี้ก็ปฏิบัติได้คือพอใจในพอใจในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะ่ะ <c oughs> อย่างโชคดีที่ว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกไม่อยู่ลูกไม่อยู่บ้านนะคะ แล้วผ mm hmm. มก็เลยแอบตื่นเต้นต้องรีบปฏิบัติเพราะว่าไม่ต้องมานั่งกังวลกับใครคราวนี้พอปฏิบัติมันก็ทําได้นานขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนทําได้เป็นแบบนานมากยงไม่เคยทําปฏิบัติได้นานขนาดนี้มาก่อนก็เลยรู้สึกดีใจมากค่ะพระอาจารย์และความ<ล>ความวามมิเวกมันช่วยให้การปฏิบัติเราดีขึ้นคือใ น, <ฆ>นาการที่เราไปรู้เพลอยู่คนนั้นคนนี้ ค่ะแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นว่าตอนเย็นข้าวก็ไม่กินเองมันมันเกี่ยวกันไหมคะพระอาจารย์การปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วมันเหมือนใจมันอิ่ไม่หิวส่วนใหญ่ที่หิวไม่ใช่ร่างกายใจอิ่เองค่ะแล้วอย่างตอนก็อยู่ได้ร่างกายกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะสมมุติเราปฏิบัติก่อนนอนมันมันยาวไปจนจนว่าเหมือนกับว่าพอเราหลับเนี่ยมันมันกลายเป็นว่าเราหลับหลับไปในสมาธิแล้วพอเราหลุดขึ้นมาลุกขึ้นมาอีก คือเหมือนมันไม่ยอมไปนอนนะคะมันจะมา น, นั่งต่อก็ดีมันต่อไป ไ, ไม่เสียหายตรงไหนค่ะค่ะก็ก็ดีอะค่ะยอมยมรู้สึกดีใจในในไม่อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าก็รูะะ้สึกว่าตัวเองไม่หยุดหรอกค่ะปฏิบัตินี่หยุดธรรมะเจริญยิ่งดีว่ามันจะเพิ่มพลังให้กับจิตใจที่ใช้ต่อสู้กับกิเลสทันหาได้ค่ะค่ะยมก็แต่ตอนนี้ลูยกยมกลับมาแล้ว เ <g resses> ขาโอกาสนะทีนี้ก็สู้กับกิเลสนะเราเป็กิเลนออกมานะถ้าเรามีโอกาสได้ไปวิเวกบ้างนี่เราจะต้องทําให้ได้ดีที่สุดเลยเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีโอกาสตรงนั้นอยู่ก็นี่แหละตอนที่อยู่คนเยอะก็วิเวกและนะ้ว <g resses> ใช่ให้เขารูแต่ว่ามันถ้าเกิดเราแป๊บทดียวเดี๋ยวก็กลับมาต้องมาสู้กับตั ว, ตวกิเลสของตัวเองใหม่อ่ะค่ะก็ปล่อยวา<อ>สู้แบบปล่อยวาง <g resses> อยา่าไปเอาแพ้เอาชนะกับเขาเท่านี้ ใช่ค่ะแล้วก็มันกลายเป็นว่าพอฟังธรรมะพระอาจารย์เข้าไปเรื่อยเวลาคุยกับคนอื่นเนี่ยเราจะคุยทุกอย่างเป็นธรรมะไปหมดไม่อยากให้ใครไปอะไรกับใครทั้งสิน้นเวลาใครมีปัญหาอะไรเราก็บอกให้เขาดูใจตัวเองอย่าใกิลมิเลียมันขึ้นมาแล้วนะละมั้งละมั้งันนี้นนก็เป็นกิเลนเหมอนกันะการอยากจะสอนธรรมะกับค น, ม, ม, นมันมันมาเองอะรก็ต้องดูการรับเทใสาว่าเขาฟังหรือเปล่า บางทีก็ไม่ฟังมันจะไปะยากที่ให้เขาเดี๋ยวก็เบู่อะลำคาคราเราเราก็ไม่ได้พูดเป็นในแถวในแนวทางธรรมะสทัทีเดียวอะค่ะอ า, าจารย์แต่พอ เ, เสร็จแล้วเราก็มาสกิดใจตัวเองว่าเอ้นี่นี่เรามาสายนี้มากไปไหมถ้า ต, ตอนให้เขาถามก่อนดีปะ่ะถ้าเขาไม่ถาม อ, อาไปอย่าไปยื่นให้เขายื่นได้บ้างต้องดูปฏิสิทิ์ยาเขาวันรับได้หรือเปล่าแล้วก็ไม่รับก็<อ>ก็อย่าไปป้อนให้เขามาก ค่ะค่ะเพราะเขาเริ่มพอเขาเริ่มเรก็เลยไม่หยุดเลยค่ะคุยเป็นชั่วโมงหลายเรื่องอ่าคุยดีก็ป้านไปเรื่อยๆค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์เข้ามาอาจารย์ค่ะวันนี้ทุกทียังไม่เข้ามาเลยเดี๋ยวอาจจะเข้ามาแล้วโยมโยมเกือบจะได้เจอกับคุณพิมพ์พิดาด้วยนะคะที่เวนิสโรเจอเนี่ยใช่ไหมค่าเกือบจะได้เจอกันแล้วค่ะพอดีว่าไปซื้อของร้านเดียวกันค่ะอยู่ใกล้ๆกันเลยนั่นเอง ไม่ไกลค่ะอยู่ไม่ไกลค่ะอ <Okay. S 2> <Okay. S 2> ่าค่ะกรับสวัสดีสาธุคุณปวิจาร์ l ดลัสเท็กซัสเชนมากลับมาสักการครับได้ฟังได้คำถามต่างๆก็ที่นึกขึ้นมาก็พระอาจารย์ก็ตอบให้หมดแล้วครับโอเคดีไม่มีปัญหานนะครับ <Okay. S 2> ขอให้จรนสาธุนี่นก็ขอผ่านไปเลยไปที่คุณสุทัศนีคุณหมอสุทัศน แล้วก็ทุ่มทานนีนมัสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะโอเคเดินไปที่ภูผามุกไหมภูผามุกไหมใครก่อนเลยกลับนามัสการโอเคเป็นยังไงบ้างหลับกันหรือยังนอนๆนอนกันนะคตัวหลับแล้ว รอนานนิดหนึ่งค่ะันนี้ค่ะพรุ่งนคพุ่นี้มาฝากดวงตาค่ะพุ่งฝากสาบาทนะคะพุงนี้มาใส่บาทเลยเป็่ไว้หรือเปล่าทันหรือเปล่าฝากฝากสบาทโอ้ฝากส่บาค่ะเขาบอกโตกคร้งอ่ะเวลาที่้องใส่เบอกว่าพวกมุกหมายผู้พาฝากมาขอบคุณค่ะฝากถูกค่ะมีคนชื่ออะไรนั่นเลยไหมมุกหมายผู้า ใบหยกก็ใบหยกไม่มีอะไรนะค่ะหลวงตารักษาสุขภาพนะคะขอให้หลวงตาเลยนะลูกขอให้หลวงตามีอา ย, ยุยืนยาวเลย120ปีด้วยยะครับปี้าสาธุจ้ะสาธุขอบคุณนะคะลูกกับสาจ no okay. e ารย์ค่ะ แที่ท่านต่อไปเลยคุณสุภาตราจากดัลลัสครับเท็กซัสกลับนมรส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้คุณพ่อและลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะขอร่วมฟังเจ้าค่ะโอเคมีคนงงที่ว่าใชได้ว่ากลับนมรสการเจ้าค่ะอาจารย์วันนี้ลูกไม่มีคําถามกันค่ะโอเคมุนพาลเวีตามุนพาลาวีใช่อยู่ที่ไหน กำลังเ ป, ป, ปิดไปน่ยเยวปิดฮะพูด้นะกับมสการ์พระการค่ะอยู่ที่ไหนมาจากไหนอยู่พิษณุโลกค่ะพระจาร ค, ค่ะพอ<ม>ดีอวันนี้เพิ่งได้มีโอกาสได้เข้ามาฟังทำในซูมของพระจารเป็นครั้งแรกค่ะแต่ก็ได้ติดตามเฟ e บุ๊ k ของพระจารอยู่บ่อยๆค่ะวันนี้ก็ อยากจะสอบถามพระอาจารย์นิดนึงค่ะว่ามาในปัจจุบันนี้ก็กำลังตั้งใจที่จะปฏิบัติภาวนาอยู่แต่ก็ยังไม่เก่งมากยังไม่ก้าวหน้ามากค่ะคือว่ามีจิตปัญหาอยู่ที่ว่าทําไมจิตเราเ่ะจะตั้งมันได้ได้ยากนิดนึงอะค่ะเพราสติน้อยไง เราฝึกสติน้อยต้องฝึกสติให้รู้ตัวทั้งวันใช่ไหมคะทั้งวันเลยใช่ให้อยู่คิดอย่าให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆใช่ค่ะสภาสภาวะด้านใจอ่ะค่ะเดิมพื้นเดิมจะนิสัยชอบใจลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องแก้ตรงนี้ค่นพพุทธะแต่ทีนี้เวลาที่เราทํางานนะคะพระสารทำงานอยใก้มีสติยงานไปค่ะความคิดกับ สติสมองที่คนละตัวใช่ไหมคะสติเป็นตัวควบคุมความคิดถ้าไม่มีสติมันก็คิดไปเรื่อยๆเลยพอมีสติมันก็จะหยุดคิดได้แต่ถ้าสมองเรากําลังคิดเลขทํางานอยู่กับตัวหนังสือตัวอะไรก็ให้รู้ตัวก็ให้รู้ว่ากำลังคิดอะไรไปท่านจาจําเป็นต้องใช้ความคิดก็ใช้ไปแต่ช่วงไหนไม่ต้องใช้ความคิดก็หยุดคิดต้องฝึกให้ ให้บ่อยมากๆนานมากๆใช่ไหมคะถึงจะได้สติขึ้นมาการมีสติดอยียมต่อเนื่องมันไม่มีปัญหาแม่นตอนค่ะแล้วถ้าเรานั่งสมาธิแล้วจิตก็จะตังมันได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องแล้วการดูลมอ่ะค่ะพระอาจารย์ก็ดูชีพแที่ปลายจมูกไม่ต้องไปตามลมเข้าลมค่ะจะใช้บริกรรมพรนาพุทโธ ได้ไดใช่ไหมคะ ไ, ไม่ต้องใช้ก็ได้ใช้ก็ได้แล้วแต่ค่ะอ่าอ่ามีคําถามที่ถ้าสมมติว่าใจของเราอะค่ะ <c oughs> มีความรู้สึกว่าเราอืเบื่อหน่ายกับการมันเป็นคําถามที่คล้ายๆกับที่ท่านท่านหนึ่งที่ผ่านมาแล้วมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเกิด ขึ้นตั้งอยู่ดับไปมานานแล้วเนี่ยค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นปัญญาของเราหรือเปล่าคะก็อยู่ที่ว่ามันทุกข์รู้ไม่ทุกข์ถ้าเบื่อ่ายแล้วทุกข์ก็ไม่ใช่ปัญญาเปกิเลสถ้าเบื่อ่ายแล้วไม่ทุกข์ก็เรียกว่าปัญญาทุกข์ก็ปรับเวลาคิดถึงการเกิดแก่เจ็บตายอืมแต่ ก็คิดว่ามันเหมือนว่าเป็นกิเลสหรือเปล่าคะที่ให่อยากจะพ้นทุกข์จากตรงนี้หลุดจากโสดาบันี้ไปค่ะเป็นปัญญาเป็นเป็นธรรมะปัญญาจะพ้นทุกข์จากกิเลสจากการเงินว่าตายเกิดนี้เป็นปัญญาซึ่งมันเกิดจากการที่เราเห็นโทษของการเกิดอยากเห็นตายค่ะเห็นโทษแล้วก็การที่เราต้องสูญเสียคนที่เรารัก ในครอบครัวมาอะไรเงี้ยค่ะใช่เห็นทุกเห็นทุกกับการเป็นการเกิแกดแก่เจ็บตายในการท้าท่าจากกัน<ฆ>ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยุติการเกิแกดแก่เจ็บตายทางด้านการปฏิบัติภาวนาก็จะพยายามที่จะอ่าใช้สติที่รู้ตัวทั่วพร้อมซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบ รู้สึกว่าใช้เวลามนันใหม่ๆใช้เวลาค่ ะ, คะคใช่ค่ะใช้เวลาเพราะว่างานจะยนๆค่ะก็เคยกล่าวเรียนครูบาอาจารย์ว่าทําไมหนูไม่มีสภาวะอะไรที่จะส่งอารมณ์กับพระอาจารย์ม้างเลยอะไรอย่างนี้ยพระอาจารย์ท่านก็จะเศร้าเพราะว่าอ่าเราจะต้องแก้ไขอะไรเลยคือต้องมีสติให้มากกว่านี้ต้องฝึกสติอ่ะคะ่ะ พยายามพยายามเจริญเฉยอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะพัฒนาไปก่อนหน้านี้ที่จะปฏิบัติภาวนาค่ะจริงๆก็รู้จักอ่าสนใจที่จะปฏิบัติมีจิตที่จะปฏิบัติภาวนามานานมากแล้วยี่สิบปีแต่ว่าอาจจะไม่ต่อเนื่องเนี่ยค่ะมันก็เลยยังไม่ก้อนหน้าขึ้น พียังไม่เอาจริงเอาจังจริต้องต้องเอาแบบเอาจริงเอาจังมั่งทาเล่นๆด้วยภาระทางการงานครอบครัวอะไรทั้งหลายนะคะเราปล่อยวางแล้แบกบรานานพอแล้วอายุกายเข้าโรงแล้วยังไปแบกค่ะพระอาจารย์ก็จะพยายามฝึกให้มากฝึกสติไ ป, ป พอดีอยู่พิจณุโลกก็มีโอกาสได้ติดตามอยู่ทูปของคุณหม<ร>อเ ว, วลาพัน์เนป่วยแต่ยังไม่มีโอกาสได้ได้พุดคุยกันอยู่ในตัวเมืองเหมือนกันค่ะอาจารย์ค่ะเราแวะไปเยี่ยมได้ทีอีกไม่อยากป่วยไม่อยากป่วยอาจารย์คะแล้วถ้ากับจิตของเราเนี่ยคือถ้ามีบุคคลในครอบครัวที่เราจะ จะเห็นอยู่ว่าตอนเนี้ยมันอายุเพิ่มเริ่มที่จะเจ็บป่วยเริ่มที่จะเจอกฎของใจรักและเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วเราเราก็คือมันต้องทุกข์กับสิ่งนั้นเนี่ยค่ะต้องเรียนปฏิบัติสมาธิพอสมาธิท่านใจพระเจ้วางอุเบก่ะให้ได้ใช่ไหมคะใช่ใให้มองให้เป็นใจรักเป็นธรรมดาแต่เราไปห้ามไม่ได้ใช่ถูกต้อง ตอนนี้พี่ชายกำลังป่วยเป็นมะเร็งปอดอยู่ด้วยก็ยิ่งต่อไปก็เราตัวเราก็จาเป็นเลยกับ <c oughs> ไม่ใช่แค่เขาอย่างเดียวต้องติดตัวแลใกล้ใกล้ใกล้ใกล้มาทุกเวลาแล้วไม่ถ <ขา S 2> ูกสมาทิเป็นโวควิค้าให้ได้ก็จะไม่เดือดร้นอนนะ ข, ขูบาอาจารย์ทางด้านชานภาวนาที่ได้ปฏิบัติเป็นองค์แรกก็คือหลวงพ่อจรานทิตะธโมที่ได้เคยปฏิบัติ ที่นั่นเนี่ยค่ะวันธรรมดา ใ, นะใช่ค่ะแล้วก็อ่านนะตอนนั้นเราก็จะได้เรียนรู้ศึกษาธรรมะอ่านหนังสือของท่านซึ่งจิตเราก็จะพร้อมในเรื่องของท่านจะสอนเรื่องปกดแห่งกรรมอยู่ตลอดใช่ไหมคะทีนี้เวลาที่เรานั่งสมาธิอ่ะค่ะอ่าเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเจอเวทนาค่ะอาจารย์จะติดอยู่ในเรื่องของเวทนาทุกครั้ง เพราะว่ามีอาการปวดที่กระดูกข้อต่อตรงขาทุกทุกครั้งเนี่ยคะ่ะซึ่งในการปฏิบัติภาวนาก็จะผ่านตรงนี้ไปไม่ได้สักทีเนี้ยคะ่ะต้องใช้สติช่วยเวลาเจาอความเจ็บปวดก็บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปสนใจกับอาการเจ็บปวดค่ะทา<อ> ง, <อ>งพระอา<ป>จารย์สอนจะบอกว่าให้ให้ไม่ต้องไปสนใจให้ใช้สติช่วยใช่ไหมคะใช่ ก่อนหน้านี้ก็จะจ ะ, จ ะ, จะใช้ใช้ใช้หลักของหลวงพ่อเมื่อก่อนนี้ก็คือว่าให้เอาจิตไปเพ่งไปดูที่เวทนามันจะยิ่งเจ็บเองก็ยิ่งเจ็บเลยนะไม่ได้ถ้าจิตเราไม่ถ้ายังไม่มีเบ็ดขาไปเพ่งมันไม่ได้อ๋อแต่จริงก็ไม่ผิดใช่ไหมคะที่การไปเพ่งอย่างนั้นะค่ะไม่ผิดถ้าแต่เราเพ่งว่าต้องเฉยให้ได้ไม่ต้องไปกลัวมันไม่ไ ป, ไป ไปเพ่งต่อหน้าเสือโข้องอย่างเงี้ยเจอมันก็ไม่ต้องวิ่ง น, ง น, นงี่นั่งประเชิญหน้ากันไปด้วยใจที่นิ่งๆแต่ถ้าใจไม่นิ่งมันถ้าใจไม่นิ่งมันเพ่งไม่ได้มันยิ่งปวดใหญ่ก็ <ivable S 1> จะต้องผ่านไปให้ได้จะต้องไม่ขยับตัวใช่ไหมครัไม่ต้องขยับตัวเผลอว่าเผลอว่าเราเจ็บไา้ได้ป่วยต่อไปแล้วขยับไม่ได้ขยับมันก็ไม่หาย ซึ่งมันไม่ได้เกิดจากกรรมอะไรใช่ไหมไม่หรอกเป็นธรรมดาของร่างกายเป็นธรรมชาติของร่างกายอตอนนั้นนี่เราก็จะเชื่อในกฎแห่งกรรมที่พระอาจารย์หลวงพ่อท่านสอนตลอดก็จะต้อเอ๊ะเราทํากรรมอะไรไว้นะเราถึงแบบไม่ท <พา S 1> <น>ำทั้งหสภาวะธรรมธรรมนะธรรกรรมมันได้เกิดจากกรรมาเกิดเนี่ยทำมาเกิดแล้วก็ทมาเจอเ จ, อเ จ, อเจอ็บเป็นธรรมดาค่ะ ถ้าไม่อยากจะเ จ, เจก็ก็หยุดกรรมหการเกิดใชโอเคค่ะพระอาจารย์ถ้ า, ถามีโอกาสได้ไปชนบุรีก็จะไปกราบพระอาจารย์ค่ะใช่โอเคค่ะสกรคบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะโอเคไปที่คุณแนนต่อแนนสุภาดาวันนี้สายแว่นน่าจําไม่ได้เกี่ยวกันอีกคนหนึง่ง <c oughs> ใส่ใส่ทุกครั้งนะคะใส่แว่น การนมัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคำถามค่ะอยู่ดอนใช่ไหมใช่อยู่ทอยู่ดอนทำไมหน้ามันแตกไม่เหมือนทุกวันวันนี้เปลี่ยนสถานที่ค่ะไปมาต่างจังหวัดค่ะค่ะใครที่คน FB ต่อ FB ไม่ทราบชื่ออะไรอยู่ที่ไหนคาผู้ใด ในรักการถามพระอาจารย์ดูในพระอาจารย์ไม่ทราบว่าพระอาจารย์จําได้หรือเปล่าเพราะว่าขึ้นมาบ่อยครับาำได้ครับโอเคอยที่ไหนข้าอยู่ที่พัทยาเนี่ยค่ะพัทยาพระอาจารย์จําได้หรือเปล่าเพราะว่าขึ้นไปฟังธรรมะพระอาจารย์บ่อยๆส่วนใหญ่แล้วคนัยญาเลยจําไม่ได้อแต่ก็ จามผ้าจารย์อยู่ตลอดตั้งแต่พศ2518นะคะก็ฟังมาตลอดนะคะอ่ะมี ค, <า S 1> มค่ะคือตอนนี้เนี่ยพอดีว่าใจอะรู้สึกว่าเราอะจะหดหูแล้วก็เราเห็นเหมือนกับว่าหมาที่บ้านน่วยอะคะ่ะคือคือคือมันป่วยหนักป่วยป่วยหนักแล้วเขาเหมือนเป็นขี้เลืน้นแล้วแล้วเกา หินจนเห็นกระูกอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามบอกว่าคืออยากให้เข้าไปได้ดีแต่แฟนบอกว่าอยากให้ดีไปฉีดยาไหมอะไรอย่างเงี้ยเราบอกอุย้ยเราทําไม่ได้เพราะว่าได้ยินอ่าที่ได้ฟังพระอาจารย์นะคะที่พูดว่าถ้าเราไปทำแบบ น, นั้นก็เหมือนเราไปไปฆ่าเขามันก็เลยต้องทนที่จะเห็นอยู่ด้วยกันนะทุกๆุทุ ก, ท, ก, ท, ก, ท, กทุกวันเลยแล้วก็ คือบางทีเราก็คิดว่าอ๋ออันนี้หรอที่ที่เป็นธรรมะที่เราได้เห็นแม้กระทั่งคนที่เราดูแลอยู่ในบ้านที่เป็นพ่อแม่สามีที่อายุเยอะแล้วแล้วก็ลูกหลานเพราะว่าเป็นคนที่ดูแลคนเยอะมากในบ้านนะคะเออมันก็เลยทําให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างมากเอาท้ายสุดคนเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรเออ ก, ก็พยายามที่จะ ที่จริงอะ่ะ ต, ตัวเองเป็นคนใจร้อนด้วยคือใจร้อนเพราะเวลาโมโหอะ่ะจะเป็นคนแบบว่าอ่ะช่างมันแล้วก็ไปหันไปทําอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์แล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็คือที่จริงศึกษาธรรมะก็ก็มานานนะคะแต่ก็พยายามเหมือนกับว่าเราข่มจิตข่มใจที่จะเอาพุโทโธอ่ะคิดได้กว่าโอเคมาอีกอย่างหนึ่งละอ่ะคิดได้ก็ อ, อ, อ, อ, ด, ด, กอดึงสติกลับมาอะไรประมาณเนี้ะคะ่ะอาจารย์ ไม่ไม่รู้ค่าตัวเองเอี่ยคือสองสามวันก็เลยรู้สึกว่าบอกกับเขาว่าให้ไปดีๆไปแบบไปสาอะไรอย่างเงี้ยก็ไ ม, มไม่ใช่นะว่ามันเป็นเรื่องของเขาอ่ะใช่เ ร, เราไปทําอะไรไม่ได้มันเป็นเรื่องยึดเรืง่งกรรมของเขาด้วยถ้าเขาทร ม, มานก็แสดงว่าเขามีกรรมเยอะถ้าเขาไม่ทร ม, มานก็ว่ามีกรรมน้อย เราก็ต้องเมันก็ช่วยเขาทางร่างกายไปก็ให้ข้าวให้ให้ยาเขาไปแล้วก็ไปล่อยเขาอารับสภาพของเขาไปค่ะเขาเก็พูดกับเขาทุกวันนะคะว่าอ่าคนไปหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ม่ทำไม่ถ้าก็ไม่ทำมากเขาไม่ทำไม่ก็ทรมานใจถ้าเขาใจสงบก็ยังรับกับสภาพได้เขาก็ไม่ทำ ก็เลี้ยงมานานมากแต่ก็ก็คิดในใจว่าขอบคุณที่เขาสอนธรรมะเราด้วยที่ทำที่เราเห็นอะไรบางอย่างที่ว่าอไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์คือสวยงามท้ายสุดมาก็เอาเป็นแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทุกคนต้องเป็นแบบนี้แก่เจ็บตายค่ะค่ะค่ะก็เลยแบบเมื่อไม่อยากเถ้าไม่อยากจะเจอแบบนี้ก็อย่ามาเกิดใช่ ก็บอกคุยกเขาเขาจะวิ่งเข้ามาหาแล้วก็แล้วก็ตกหัวบอกว่าให้เกิดเป็นมนุษย์และเกิดในตระกูลที่ดีเป็นเป็นเจอแต่คนรอบข้างที่ดีเป็นผู้มีอริยสัพย์พะกัสคือคือคือก็พูดแบบนี้กับเขาแล้วก็ให้รู้แจ้งเห็นธรรมแทงตลอดมันรู้พันิพานไม่ต้องมาเกิดอะไรทีละอมันจะพูดแบบี้การไม่เกิดอันที่สุดใช่ใช่ค่ะมันก็จะพูดอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเขาแต่เขารับรู้แล้วเขาก็ไปแล้วเขาก็เฉย ค่<ฮ>ะดีก็ทําได้แท่านะี้แหละนะเรา่องขอใจใแต่ละคนต้องทำกัเนเองเขาเร า, าทําใจเ้าเราก็ต้องทําใจนะออืค่ะค่ะมีแค่นี้นะอะก็ก็มานั่งคิดว่าตัวเองเนี่ยเหมือนแบบว่าคิดหรือเปล่าว่าเป็นคนฟุ้งซ่านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่คิดเยอะหรือเปล่า <S <S เราก็มานั่งคิดว่าก็ก็ไม่ใช่นะ เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนกับว่าแบบมันมีบทเรียนอยู่ในน้ำทุกอย่าง่คิดถ้าคิดไปทางปัญญามันก็ไม่ฟุ้งซ่านถ้าคิดไปทางกิเลสมันก็ฟุ้งซ่านค่ะคับแล้วคืออยากถามพี่อาจารย์อย่างหนึ่งอะค่ะว่าคือทุกๆวันทุกๆเช้าเนี่ยจะเป็นคนแบบไม่ไม่ไม่ได้ไปทำบุญอะไรมากนะคะแต่ว่าจะเป็นคน หยดกระปุกทําบุญทุกวันทุกเชา้าแล้วก็พอสิ้นเดือนมาก็จะอ่าเหมือนโอนไปนะคะให้โรงพยาบาลให้โรงพยาบาลสง์หรือว่าอะไรใครเนี่ยเราจะทําตลอดอย่างนี้ก็คือว่าเราก็เป็นการทําบุญในทุกๆวันด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ถูกต้องถ้าเราไม่ไปเอาเงินนั้นออกมาใช้ก็ลกันเงินที่เราหยาดเข้าไปในกระปุกนั้นถือว่าไม่ใช่เป็นเงินของเราแล้วค่ะ ไม่เคยอามาใช้ค่ะแล้วก็ปฏิบัติแบบนี้มาหลายปีแล้วค่ะดอืีทาให้มันเป็นเป็นทิศสัยทําทุกอย่มันจะได้เป็นทิสัยค่ะเพราะว่าเป็นคนแบบว่าเออถ้าถ้าคิดอยากจะทําก็คือจะทําเลยแต่ว่าจะทําทีละเล็กน้อยถ้าเราตั้งเหมือนกับว่าเราตั้งเป้าใหญ่นั่นแหะค่ะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะไปเนี่ยจะเป็นคนแบบว่าเออจะทําไปทีอ่ะสาวันพอได้สมวันอ่ะใครอยากไปอีกนิดนึงสองวันสามวันอะไรประมาณนี้่ค่ะ เราปฏิบัติแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะเหมือนเราได้ค่ะเหมือนเราสวดมนต์ไว <ทำ S 1> <า>้พระทําจน้อยไปฮะมาทำใจค่ะกะะ็แล้วทีนี้เนี่ยเป็นคนนั่งสมาธินี่ที่จริงเนี่ยมันคงไม่ไม่ค่อยได้เพราะว่าเหมือนใจเราอะ่ะยังฟุ้งอยู่ทีนี้ก็มานั่งคิดดูว่าอะไรที่ทําให้เราอะ่ะที่จะสามารถที่จะนั่งอยู่ตรงนี้ได้นานก็เลยมานั่งคิดถึงว่าเป็นคนชอบอ่านหนังสือ อ่าตั้งแต่สมัยเด็กๆ เ, เราจะอยู่ตรงนั้นได้เยอะก็เลยมานั่งเปิดห น, งนังสือธรรมะแล้วก็สวดมนต์เลยทีนี้ะค่ะพ อ, อวสวดมนต์มันเหมือนกับว่าเราไปเพลินๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ้าวก็อยู่ได้แล้วก็มานั่งฟังพ้าอาจารย์เป็นสามสีชั่วโมงหรือว่าจะฟังธรรมะทุกวันวั น, น่ะคะ่ะถ้าเราดนโน่ น, นเราก็คิดคือจะได้อะไรคือจะเป็นคนเมือนกันไม่ได้เอาอะไรเยอะอยากจะได้ทีละเล็กรือทีละน้อยแล้วก็ เหมือนเราเก็บเก็บไปเรื่อยๆอะค่ะพระอาจารย์พอเราพอเราทำตรงนี้เนี่ยได้ปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าเอาเราอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็เริ่มนั่งสมาธิได้ด้วยอ่ะค่ะทีละนิดทีละน้อยก็คือไม่อยากกดดันตัวเองมากอันนี้ไม่ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่าค ะ, ถ, ะาถูก่ะทำนี่ถูกทําไปตามกําลังของเราอย่าไปกดดันตัวเรามากเกินกว่าที่เราจะทําไดไ้จะเครียดใช่ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเคยแล้วว่าจะเอาเอ า, อายิ่งไม่ได้ ไม่ได้ก็เลยมาเาถอนออกมาเอาสบายๆดีกว่าเอาสบายแล้วก็ค่อยเพิ่มให้มันมากขึ้นไปตามกำลังตัวค่ะค่ะทีนี้ออีกอย่างหนึ่งค่ะพอไปเป็นโค้ชตัวเองเป็นโค้ชใช่ไหมคะพอไปนั่งเป็นนั่งไปดูคนที่อ่าเราดูแลอะไรอย่างเงี้ยได้หลายคนก็จะบอกว่าทําไมเราจะเป็นคนนิ่งๆแล้วก็คือดูคนอื่นเราก็บอกว่าอ๋อคนอื่น เราเราดูได้แต่เราไม่สามารถที่จะควบคุมเขาได้แต่สิ่งหนึ่งที่ควบคุมได้คือใจของเราอัน น, น, นี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราคิดถูกต้องถูกต้องที่สุดใช่ไหมคะพระอาจารยอยควบคุมใจเราคนอื่นเราไปควบคุมเขาไม่ได้ตลอดเวลาทุกทุกอย่างอาจจะช่วยเขาได้บางเรื่องบางราวแต่บางไม่ได้ทุกเรื่องค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ตอนนี้ก็ อ่าได้ดูแลครอบครัวคือเริ่มปล่อยปล่อยวางเรื่องลูกเรื่องอะไรหลายๆอย่างแต่เราก็ต้องทําหน้าที่ให้เราอะดีที่สุดณตรงนั้นแล้วคือบางทีเนี่ยแม่กับลูกมันก็มีกระทบกันบ้างอะคะ่ะมันก็คือคือพอกระทบปุ๊บอา้าวเราก็มานั่งคิดว่าเออเราก็ไม่น่าจะไปพูดหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันหมายถึงว่า เรายังพอมีสติไหมคะพระอาจารย์มีมีถ้าเรารู้ว่าเราทําผิดนี่ก็แสดงว่าเรามีสตินะมีแต่ว่าเราสติยังไม่ทันตอนที่มันทำนั่นเองั้นก่อนที่จะพูดก่อนจะทําทอะไรให้ตัต้งใจทให้ดีก่อนให้คิดก่อนใช่ไหมคะคิดก่อนอ่าควรพูดไหมควรทํำไหมถ้าไม่มควรพูดก็ทําก็อย่าไปทำใช่ค่ะโดยเฉพาะกับเออ คนแก่เหมือน<ม>พ่อแม่เราต้องเคารพท่านราว่าดูแลค่ะดูแลพ่อแม่สามีแล้วก็พ่อแม่ตัวเองด้วยยังไม่ดูดา้ายัไม่ดูด้าว่าท่านเราหมายท่านทำอะไรบอย่างแล้วท่านไม่ทําก็ยอมาปว่าค่ะค่ะก็แบบเพียงจะว่าแบบเราก็ต้องเป็นแบบนั้นบางทีเราก็คิดมากเอ้าฉันจะต้องเป็นแบบนั้นหรอถ้าไม่ตายก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็โอเคก็พยายามแบบที่จะ ทาใจล้วก็คือดึงใจกลับมาเหมือนกับว่าปล่อย เ, เข้าไปอะไรอย่างนี้ค่ะพระอ า, าจารย์อย่างนี้ถูกคะนนี้ก็จุดเ้อนี้ทานนี้กันนะมีคนหลายคนลอยค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะสาธุท่านต่อไปคุณอเคออยู่ที่ไหนนามัสากาญพระอาจารย์ค่ะอยู่โตเกียวค่ะโตเกียว เไงมีอะไรัมไรไหมมีคำถามค่ะพาอาจารย์เออคือตอนนั่งสมาธิค่ะพาอาจารย์มันมันไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่มันรู้สึกคล้ายๆกับไม่รู้ว่าหลับในหรือเปล่าอะคะ่ะมันจะวูบไปเหมือนเครื่องบินตกหลุมอากาศนะคะอันนั้นคือเราง่วงเกินไปแล้วเรามาสื่อ น, นั่งหรือเปล่าคะ ควรจะนั่งต่อหรือว่ า, า, า, าก็คือว่าถ้าเรารู้สึกตัวแบบถ้ารู้สึกตัวมันก็เป็นสมาธิถ้ามันรู้สึกตัวมันก็เป็นหลับมันก็เป็นหลับเป็นผวางในสองอย่างผวางหลับเนื้อพรสมาธิถ้ารู้สึกตัวื่นก็ก็ไม่หลับก็ให้รู้ให้รู้ต่อไปนั่งต่อไปเฉยๆถ้ามันสงบมันงุวงแล้วมันจะนิ่งเฉยเฉยนคตค่ะเหมือนที่น้องนองโมเมื่อสักครู่ที่เขาเขาเาก็มีคําถามอะค่ะว่า เขาสะดุ้งอาการปร ะ, ปร ะ, ประมาณประนั้นนะคะอ <Okay. S 2> รู้สึกว่ามันสะดุ้งใหม่ใหม่มันแปลกมันก็จะสะดุ้งแต่ต่อไปก็จะทำํำให้ลุกเฉยๆไวไม่ต้องไปสะดุ้งอ๋อก็คือนั่งต่อไปนั่งต่อไปตอนแรกก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเอ๊เป็นเพราะว่างว่วงหรือว่าเขาเรียกว่าหลับในหรือเปล่าเม mm ื hmm. ่อคืนก็เลยลองลุกไปเดินจงกรมดูะค่ะไม่เคยเดินมานานแล้วะค่ะพอเดินดูสักพักหนึ่งรู้สึกมันเหมือนกับคล้ายๆเมารสดหรือมเมาเรือะค่ะ ก็เลยเดินได้ประมาณสักสี like ่สิบ้านาทีมั้งคะก็เลยเลิกเลิกเดินค่ะก็ไม่เป็นไรทำตามแล้วทำได้เลยนะโมตระชาไม่ยอมนอนค่ะพระอาจารย์เที่ยงคืนครึ่งแล้วจะรอฟังพระอาจารย์ด้วยพี่นแล้วพี่ตุ้ายต่อให้มนะโมตระชา น้องๆมีคำถามแค่น okay. ี้ค่ะาอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องก็รู้อจารย์อาจารย์อาจารย์ว่าไงโอเคนะท่านนี้กลับนะท่ที่คุณหมอมีเวลา่านตอบาจารย์ทรับกลับราชการครับผมยังไงสติหายไปวนได้ยัง หายไปหายไปพอสมควรนะครับอาจารย์ยังเหลืออยู่บ้างครับผมแต่ว่าไปภาวนารอบนี้รู้สึกรู้สึกดีจริงๆเลยครับอาจารย์ครับสองสามวันใช่ครับมันต่อเนื่องมากเลยตอนที่เดินเดินตรงเดินลงมากับหลวงพี่ก็ดีมากเลยครับเป็นเป็นสติที่ที่ดีมากๆากเลยครับอาจารย์ครับแล้วก็อยู่ข้างบนก็ดีครับกลับมาบ้านนี่ พูโทก็ดีเลยมันเหมือนอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยครับอาจารย์ครับแต่ประโยชน์เหมืน ไ, ไปชาร์จแบตเตอรี่มายังไม่หมดยังหมดน่าจะขับไปชาร์จมานีใช่ครับยังรู้สึกโอ้สองสองสามวันนี้ยังได้ยังยังยังได้ขนาดนี้ก็ถือว่าถือว่าพอใจนะครับอาจารย์ถ้าอยู่อยู่แบบพระเลย น, ะนิ่งใจจะอจะใช้ได้เลยครับอาจารย์หรือจะปั่นาหนึ่งก็ได้ถ้าแฟร์แบบนี้ แต่ดีครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับเดี๋ยวจะได้กลับไปชาร์จแบตอีกครับผมใช่ใชครับกลับมา ก, การครับใที่เพิ่จอยต่อจอยจอยจากพัทยาค่าวพอจารเออยัง้ายของบ้าหขายค่ะเมื่อวานทิศไม่ได้ไปเพราะว่าเ้ามีทำบุญทาบุญโรงพยาบาลนะคะ เ, เรียลลยเงิ น, น, นทำเลียนงนก็ได้เหมือนกัน ผ่าก็เลยก็เลยวันที่ก็เลยไม่ได้ไปแต่เดี๋ยวอาทิตย์นี้จะไปค่ะโอเคข่าวไม่มีอะไรแต่เด็กานหมดแล้วแหละอยู่อีกห้องหนึงค่ะอยู่คนละห้องกันข่าวดีนะค่าวเงียบดีค่ะข่าวไม่มีอะไรค่ะค่ะปฏิบัติน้าข่าปฏิบัติค่ะคข่าวทุกคนวลิตาวลิตาโอทมารนรัตการเขาหลวงพ่อก็ก็สนวันนี้ก็ ว่ามาสอนมาตอ น, ตอนก็มาฟังเพื่ออบรมตัวเองเรื่องหนึ่งก็ปัญหาคือกาความเพียรก็ฟังธรรมะแล้วทําให้มีความเพียรมากขึ้นก็ก็ดีครับก็อืมถ้าเกิดโทสะจากจากเราไม่อยากให้การมาฉันท์้าในรูปวักฏิ่นเสียงเกิดแล้ว เ, เกิดโทสะตามมาว่าไม่อยากให้มันเกิดควรแก้ยังไงดีครับหลวงพ่อรู้สึก ก็ต้องยอมรับชะต้องยอมรับสภาพของเราว่าเรายังไม่สามารถดับมันได้การโกรธมันก็ไม่ได้ทําให้ดีขึ้นกับทําให้จิตเราชอบช้ำ ม, มากขึ้นนะครับอ่ะอยา่าไปย <Hey. S 1> อมอย่าไปโกรธตัวเองโกรธตัวเองไม่เกิดประโยชน์อะไรทําโกรธนี่มันไม่ว่าจะโกรธใครก็ไม่ดีนะมันเป็นเหมือนไฟ <c oughs> เราพากลัวให้เป็นไฟแล้วก็ ไปยอมรับว่าตอนที้เราทําได้เท่านี้ก็ต้องก็ต้องพอใจกับที่เรา ท, ำทํำได้ไปครับแล้วพยายามทาให้มากขึ้นโอเคครับอแบบนี้ก็ไม่ด่าตัวเองก็ไม่ประโยชน์เพราะมันจะยิ่งเพิ่มโธ่สักไปใไหม <Okay. S 1> มันด่าเฉลี่มากกว่แบบนาด่าตัวเองมันดัดเฉเฉลี่ครับแบบเห็นของอร่อยแล้วพอไพอแล้วของอร่อยเราเราฉันจะไม่กินของอร่อยนี้แล้วก็มาโกรธว่าทำไมฉันอยากกินมันก็ไม่คุ้นก็เป็นหนึ่ง ก็ดูตามที่มันกลายเป็นอุจาระไปแล้วเสร็จมันก็จะไม่อยากที่เอง อ, เองอเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ต้ออกมาทางท้องทางถาวรใช่ไหมครับก็ใช่ครับก็ก็ <c oughs> มีก็มีสนมากก็เป็นเรื่องการมาฉันทาทั้งหลายแหละนะครับแบบการพบปะพูดคุยก็อยากให้เขาพูดดีแล้วแล้วแบบบางทีเราก็โกรธตัวเองว่าทำไมเราไปอยากให้เขาอยากพูดดีกับเราทั้งที่มันก็มันก็ เมือนท่านร้อกับตัวเองเราไม่เข้าใจธรรมชาติว่าทุกอย่างเราไปอยากให้เป็นไปตามความอยากเราไม่ได้เป็นวิภาวะตามตัญหาเต็มเลยครับไม่อยากาัยินดีกับสิ่งที่มีแล้วกันยินดีกับสิ่งที่เกิดยินดีตามมีตามเกิดแล้วก็จะไม่กดใครอ๋อโอเคครับสั้นๆได้ใจความครับวันนี้แค่นี้ขอบพระคุณมากครับหลวงพ่ กา เ, เกิดปันเด็ดใช่ก เ, เกิปัญญเด็ดครับเกี่วับนมิตกา ร, ราครับอาจารย์ครับอยู่ที่ไหนไอยู่กรุงเทพครับก็พูดที่แล้วอ า, อาจารย์บอกว่าถ้าสมมุติเวลาเดินก็ให้ภาวนาพุโทโธแต่ก็จะติดปัญหารู้ึว่าพอพุโทโธไปด้วยเดินไปด้วยมันมันแน่นๆครับอาจารย์ดูเท้าอย่างเดียวก็ได้มันพุโทโธก็ได้ดูเท้านะครับ หรือว่ากังยใชบาใช้บาสใส่เก็คือก็ก็พยายามทำที่อาจารย์บอกก็คือพยายามถ้าตอนนั่งทำทำงานหรืออะไรถ้าถ้ามีไม่ได้งานด่วนอะไรก็จะจะนึกถึงพุทโธครับทีนี้บางทีตอนที่ทํางานครับเหมือนเหมือนตั้งแต่นั่งสมาธิมันสมาธิมันดีขึ้นแล้วก็ตอนทํางานเหมือนกับทําให้มันเหมือนเรานั่งนานเกินนะครับบางทีบางทีลุกขึ้นมาแล้วก็ปวดหลังครับ การยิงหน้านานๆนเป็นการเวลาไม่เป็นไรปวดหลังก็มัดเป็นบ้างเป็นธรรมดาแต่เ ม, มันก็หายแต่ประโยชน์ที่เราได้รับจากการนั่งนานๆมันดีกว่าครับอาจารย์มไม่ต้องกังวลเรื่องร่างกายจากที่เกิดจากการนั่ง น, นะมันไม่เป็นมันไม่ได้เป็นทําให้เราพิการอะไรครับพอดีว่าเหมือนช่วงปลายปีที่แล้วต้นต้นปีครับผมบัณฑิตนั่งทำงานที่บ้าน work from home แล้วก็ นั่งนั่งนานแล้วก็นานไม่ค่อยได้ขยับครับแล้วก็ต้องไปกายภาพหลังนิดนึงครับ<ม>ก็เลยกู้รู้จักว่าจะนญาบการปฏิบัติก็รู้จักเป็นในญาบุตรถ้ า, านัาน่งนานก็รูกขึ้นมาเดินแทนเดินตะโกนแทนสลับกันไปใช่ครับแล้วก็ขอถามมีคําถามหนึ่งครับพระอาจารยเาเา์เรื่องตักบาตรนี้ยครับอาบางทีเราเจอพระที่ ไม่ได้เดินปีตบาตนะ่ยเหมือนนั่งรับบาทอะไรเงี้ยครับอย่างนี้คือคือไม่แน่ใจครับว่าถ้าเกิดเราคือเราต้องเราต้องดูสภาพตามจิตเพราะสมัยนี้บางทีคนไม่ค่อยได้ใส่บาท้างมากานนะคนที่ตลาดซื้อของใส่บาทนะเราไม่ได้ทำตกข้าวไปอันถ้าพาไปเดินตามบ้านมันจะไม่มีใครใส่เราเคยไปปีตบ่าที่กรุงเทพเราไปเดินตามบ้านไม่มีใครใส่เลย อืคเข้ามารวมกันที่ตลาดคนที่ขายของแล้วเขาสั่งซื้อเป็นชุดๆแล้วก็ใส่บาตให้กับพระท่านไปมันเป็นสภาพถูกบังคับแต่ถ้าไปอยู่ต่างจังหวัดอย่างที่เราอยู่บ้านอําเภอเนี่ยก็เดินตามบ้านได้เพราะมีคนอยู่ตามบ้านรอใส่บาตกันอยู่อันนี้ก็ลองดูสภาพความเป็นจริงบางแห่งมึงคนเขาไม่ทํากับข้าวกิตเองเข้ามาซื้อของใส่บาตกันที่ตลาด ถาไปเดินตมามบ้าก็ไม่เป็นข้าวไม่ได้ข้าวก็ต้องมาวนเวียนอยู่แถวพองค์ท่านขี้เกียจแล้วก็เลยยืนอยู่ตรงนั้นเลยบาองใช้ยาแล้วก็เดินรอบตลาดไปเดินกลับไปกับบัตรแถวตลาดนั้นจนกวจะได้อาหารพอก็ก็เดินกลับบัตรไปทำอัศบสสมบมูรณมมนะครับถ้าเกิดระหว่างเจอพระที่นั่งนั่งรับแล้วก็พระที่ท่านเดินเดินเลยจริงๆนะครับเราเลือกที่จะใส่บาทกับพระที่เดิน ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่รการทำบุญของเราเนี่ยมันก็เป็นการเสียสละแ บ, บ่งปันของเราจะให้ใครเราก็ได้บุญเท่ากันให้พาดเดินพานั่งหรือแม้แต่ให้ขอทานมันก็เป็นบุญเท่ากันครัเบเรื่งแต่ว่าประโยชน์ของคนที่เราให้อาจจะต่าง ก, ก, ก, กันเพราะว่าบางทีถ้าเราทำบุญกับพระที่ดีกับพระที่ไม่ดีเนี่ยเราก็สนับสนุนคนดีคนไม่ดีหนะครับ อ๋อครับก็และถ้าเกิดสมมติการให้เงินกับคนที่เหมือนเรารู้ว่าเหมือนเขาจะเอาไปทํากิน <ไป S 1> เหล้าอะไรอย่างเงี้ย้าอย่าให้ถ้าซื้ออาหารให้ซื้อเนึนงของให้เขาไป<อ>ซื้อของซื้ อ, อยาซื้ออะไรให้เขาแต่อย่ว่าเอามันนี่ไปซื้อนู่นซื้อที่ถ้ารูว่าเดี๋ยวกาไปเล่นกนนารพนันหรือไเปเดชมพัก็อย่าไปให้เป็น แล้วจะเป็นบุปการีครับก็อยาให้ก็ซื้อของให้ซื้อข้าวมซื้อข้าวแทนนะซื้อข้าวซื้อของแตก็อาจจะให้เงินมากเพราะบางทจก็มีค่าใช้จ่ายอย่างอย่นที่นใช้เช่นการน้าคาไปค่าอะไรก็ต้องใช้เงินมากแต่ถ้าจะเลือกเอาไปใช้กับอะไอย่างบุกก็ห้ามไม่ได้ ก็พยายามให้แล้วก็รึ้ว่าให้แล้วก็คิดในใจครับว่าเหมือนให้เขาไปบำรุงเลี้ยงชี่อะไรเงี้ยอย่างอื่นๆเราไม่สนใจแล้วเหมือนให้ก็ให้เลยนะครับก็พยายามวางใจอย่างนั้นคือเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องตอบแทนบุญคุณของท่านครับได้ครับมันคำถามนะครับอาจารย์อย่าปฏิบัติต่อครับนม่าคุณชนะดาเช่นประปาการนีชนะดา จได้นะอาจารย์ได้ค่ะพรุ่งนี้สาบานอะไรสั่งเมนูว่ยังพรุ่งนี้ก็เป็นยำไข่ต้มอะค่ะยำมือนดค่ะพอดีสั่งยำผักตูดแต่ว่าพี่เอกเขหาเสียงค่อยไน่อยมใกล้หน่อยเลยห่อยฮัลโหลค่ะได้ยินหรือยังได้ยราคาได้ยินคพระอาจารย์ก็คือตอนเอ่อเรียนเรียนท่านพระอาจารย์ค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเคยนั่งสมาธิแล้วก็พอถึงเวทนาใช่ไหมคะมันก็ข้ามเวทนาไปได้แล้วมันก็เข้าไปสู่ภาวะที่มันเงียบแล้วก็เอ่อจนตัวหายไปจนคือเบาสบายจนตัวหายไปแล้วก็อยู่ได้นานหลายชั่วโมงทีนี้ mm hmm. ในในตอนนั้นคือทำได้อยู่บ่อยๆแล้วก็หายไปเลยหายไปพักหนึ่งแล้วก็พอพอมาตอนนี้คะ่ะอาจารย์ ล่าสุดเนี่ยไปไปไปปฏิบัติที่สุพรรณมาสองคืนนะคะแล้วก็ <ead. S 1> ก็พยายามปฏิบัติเต่อนเนื่องจากออตอนที่ทานข้าวตอนเช้าเเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปฏิบัติยาวถึงเที่ยงเที่ยงวันนะคะส่วนตอนเย็นเนี่ยทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็พยายามปฏิบัติถึงเที่ยงคืนนะคะทีนี้ตอนนั่งเนี่ยเราก็มันเอ่อพอมันเข้าพอมันจะถึงเวทนาค่ะ มันจะเห็นมันเห็นร่างกายที่แบบมันค่อยๆอ่อนไม่ถึงค่อยๆไม่หลังแบบหลังค่อยๆหดลงไปหรืออะไรเงี้ยค่ะคือร่างกายมันกําลังแบบค่อยๆขยับของมันไปเองแล้วมันก็ไปกดทําให้ตรงก้นปกบอ่ะมันจิตมันเป็นมันเจ็บเป็นเวทนาอย่างที่เคยเป็นนะค่ะพระอาจารย์แล้วก็โยมก็พิจารณาดูตรงนั้นพอดูตรงนั้นมันมีเขาสึกว่าเวทนาบรรยาวนานจน รู้สึกําคาญนะคะพระอาจารย์มันนานมันนานมากอะคะ่ะมันไม่มันไม่หายไปอย่างที่เคยหายอ่ะคะ่ะแล้วแล้วเราก็ก็อืมก็โยมก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราเห็นร่างกายมันขยับขยับจนกดกดลงมาตรงก้นกดจนเจ็บแล้วเราจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ทําไมถ้าเราเราขยับไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออโยมคิดอย่างนี้ตอนในตอนนั้นนะคะก็เลย มัเลยไม่แน่ใจว่ากําลังจะกําลังจะผิดหรือว่ามันกําลังจะยังไงอ่ะค่ะพระอาจารย์อคือเราต้องเข้าใจว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราต้องการสึกให้จิตเราอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายค่ะเน่องถ้ามันเจ็บปวดเรไม่ต้องขยับเราเามาฝึกจิตให้เป็นอุเบกขาเพื่อจะอยู่กับความเจ็บปวดให้ได้แต่ถ้าถ้าเราฝึกได้แล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องทรมานตัวเราเองแบบนี้ ทำกิจกรรมเป็นช่วงที่เราฝึกช่วงที่ช่วงที่เราไม่ได้ฝึกพอมันเจ็บแล้วก็ต้องสลับเปลี่ยนอิริยาบุณได้นั่งนานมันเจ็บมันเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินมายืนอะไรได้อยู่แต่ถ้าเราอยู่ในช่วงที่ฝึกหาให้จิตใจอยู่กับฝึกให้มันอยู่กับความเจ็บให้ได้แล้วก็ต้องไม่ขยับค่ะเออยมถ้าถ้าถ้าเช่นนีย้ยมก็ยังเออเขาเรียกว่าไงนะคะ ย, ยังไม่ถ่ายถ่ายได้บางเวลาบางบางเวลาเขาบางเจ้ตอนที่มันถายพรเราไม่ไปสนใจมันเราไปไปคอยจ้องมันแล้วอยากให้มันหายมันยิ่งทรมารอย่างนี้ค่ะดังนั้นเ uh> ราอย่าไปจ้องมันแล้วก็พุทโธพุทโธของเราไปโอค่ะปล่อให้มันเป็นของมันไปไม่ต้องไปดูมันค่ะถ้าดูมันแล้วมันจะเกิดความอยากให้มันหายแล้วมันจะเกิดความทรมารใจขึ้นมาอีกชั้นหนึงค่ะน uh> ั่น แต่ถ้าเราอยู่กัาพุโทโธพุโทโธไปมันจะไม่ทรมารมันจะเป็นเบกขามันจะเฉยได้แล้วความเจ็บมันจะอยู่ไม่อยู่ก็ไม่ไม่เป็นป<ๆ>ัญหาอะไรเราไม่ได้นั่งเพื่อให้ความเจ็บหายแล้วนั่งเพื่อให้ความทุกข์หายความทุกจากการที่เราไปอยากให้ความเจ็บหายไปนั้นหายไปน<ๆ>ั้นถ้าเราเวาฝึกเราก็ต้องปล่อยให้ความเจ็บมันตั้งอยู่ของมันไปมันจะดับก็ไม่ดับก็เลื่องของมันไป แต่สิ่งนี่เราต้องการทำให้ดับคือความทุกข์ใจของเราด้วยการใช้พุโทโธพุโทโธไปมันก็ความทุกข์ใจก็จะหยุดไปเองหายไปเองเข้าใจไหเข้าใจแล้วค่ะอตอนนี้ก็เลยได้ได้นอนคนเดียวยาวๆแล้วค่ะพระอาจารย์เพราะว่า พอใจตั้งแต่กลับมาจากเอที่ไปวิเวกบนเขาชีโอนใช่ไหมคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากจะ น, นอนคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ปกติลูกจะนอนด้วยแล้วดูอยู่ดีๆลูกเขาขอาย้ายไปนอนห้องป้าเขาค่ะโยกก็เลยได้นอนคนเดียวนี่ <laughs> จะปฏิบัติต่อได้ <laughs> ก็ก็เลยก็เลยดีใจแล้วก็คิดว่าน่าจะเนี้ยค่ะน่าจะมาทางนี้มีเวลามาทางนี้ได้มากขึ้นนะคะพระอาจารย์ <Okay. S 2> ค่ะค่ะก็ วันนี้มีเท่านี้นะคะพระอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะไปที่จิอ USA. แล้วน่เมื่อกี้ได้ยินเสียงกลาสาันค่ะพระอาจารย์ดีคะวันนี้กตคุณสัจจานได้ยินนะชนถอ์เลยเจ้าข่าวพอดีว่าโยมออกไ ป, ไปออกไปคุยงานนะคะโยมก็เลยออกมายมมาแต่เช้าเลย ก็ออกไปคุยนอะไรยยมก็เพิ่งเข้าได้สักตัวก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ฟังแต่เดี๋ยวจะย้อนฟังนะคะพระอาจารย์สบายดีนะคะมีอะไรไหมอยากยมวันนี้ยมแค่บอกว่าขอกำลังใจพระอาจารย์ค่ะช่วงหลังๆมามันเริ่มขาดขาดขาดเลยต้องแบบบำรุงรักษาจิตใจให้มันอยู่กับที่มั่นคงกว่านี้หน่อยอะค่ะอ๋อส นึก ส, สติไปพุโทพโธวุทโธไปอ่าขอแค่ขอแค่ขคคโมย พ, พรพระอาจารย์ก็พอแล้วค่ะวัลมมาขอแค่กำลังใจวันนี้อ่าพุโทโธเนี่ยกำลังใจที่ดีดสนัน้นทไปค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์รักษาสุขภาพนะเจ้าคา่ะค่ะเจริญ้าเจริญอยู่ที่ไหนคุณเจริญอยู่ที่อยที่ไหนคุณเจริญยุงเทพครับ ที่ผมดูล<ส>่ลีรชางครับแต่ว่าวันนี้ผมมาที่กรุงเทพก็เลยมาฟังพากาย์รัอเป็นประจำอยู่แล้วครับมีคำถามเลยไหมก็มีอยู่สองคำถามครับเชิญได้าผ ม, มเองปฏิบัติมาสม่ำเสมอนะครับก็คือก่อนนอนและก็ตอนเช้าฝึกจนมีสติในจิตรับรู้ทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่อารมณ์ความขุ่นัวเรื่องของความโลภ ค, ความโกรธเนี่ยพอทันมีสติรับทันรู้ว่าเกิดปุ๊บดับปุบ๊บเลยครับ <gelernt> ก็ฝึกนานครับก็รู้สึกว่าตัวเองอ่พยายามจะพัฒนาแต่ก็พยายามต้องใช้เวลาที่หนึ่งคือทำในขณะที่ไม่พร้อมทำทุกวันฝึกทำรู้สึกตัวก็รูมเริ่มฝึกปฏิบัติมาที่เป็นก่อนจากนั้นก็มาเรื่องของวิปัสสนาดีความก้าวหน้าเราจะอยากจะ จะใช้จิตตัวเองรับรู้ยังไงว่าเราจะก้าวหน้าต่อไปก็ทำจิตให้เข้าสมาธิให้ได้ให้จิตนิ่งสงบให้เป็นเบคขาให้ได้ก้าวแรกจิตเรายังไม่รวมเป็นสมาธิแต่คือแต่นิ่งแต่เปนเนี่งแบบมันยังไม่รวมเต็มที่็ให้มันรวมเต็ทมที่ถ้าความคิดตัแต่งได้หยุดไปเลยหรือจะสัตว์แตารู้ ครับก็ก็การฝึกเรื่องของสมถะเนี่ยผมนิ่งจนบางทีนั่งเผลอไปชั่วโมงช่วโมงครับเพมันติดสบายแหละนะครับแต่นี่จะอยากจะเปลี่ยนจากการนั่งนิ่นงส บ, สบายสบายที่ศูนย์กลางกายเองเนี่ยก็มาเป็นวิปัสสนาครับก็เลยพัฒนาอยู่ครับอาจารย์ครับวิปัสสนาในท่า น, นั่งกาได้นั่งแล้วปล่อยให้มันเจ็บปวดให้กิดาการเจ็บปวดขึ้นมานล้พิจารณา<อ>การเจ็บปวดว่าเป็นไตรลักษณ์ครับ จ่ปล่อยวาอันนี้เป็นวิปัสนาธรรมชาติที่อยู่ระหว่างวันทางาน <c oughs> ครับอันนี้อันนี้ <c oughs> นนข้อที่หนึ่ง น, นี่ข้อที่สองครับคือผมเองนั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติให้จิตใจตัวเองมีสติมากขึ้นทำมากขึ้นมากขึ้นแต่ผมเองอาจจะทำบุญใส่บาตรบางครั้งแต่การให้ทาน ผมมองว่าถ้าเราปฏิบัติที่ปัิสนามากๆเนี่ยถ้าเราให้ทานน้อยเนี่ยมันจะส่งผลเนี่เราปฏิบัติไม่ก้าวหน้ามัครับไม่เราไม่เกี่ยวกันมันอาจจะมามาขัดขวางการปฏิบัติทำที่ปัิสนาถ้าเราต้องใช้เวลากับการทำบุญทำทานมากเกินไปก็คิดไปเองจิตมันคิดเองว่าเราทาบุญหรือปฏิบัติอะไรการให้ทานน้อยเราคิดว่าถ้าเรานั่งสมาธิได้มากกว่าคนอื่นปฏิบัติจริงจัง ตั้งใจจะไปในจุดหมายปลายทางชีวิตออแต่ถ้าเราปฏิบัติได้เราไม่ต้องกอังวลเกี่ยวกับการทําบุญับทานก็ได้ อ, อ๋อโอเคครับได้ครับมผมแต่ผมกังวลเพราะว่าเห็นคนให้ทานกันเยอะเข้าไปทําบุญปลนะ่อยนักปล่อยโนปล่อยปลาแล้วก็ทำทานแวสวไปแค่สวรรค์เราปฏิบัตินี่เราไปถึงนิพพานได้ครับผู้ก ครับก็มีสองคำถามท่านนี้ครับรอาจารย์การศาสตร์น้องจักรอาจารย์ถ้าได้มีเวลาว่างมีโอกาสอยาจะทําทก็ทําได้แต่ถ้าไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเอาเวลามาปฏิบัติทำจะดีกว่าสาธุครับโอเคนะครับอาจารย์ครับโอเคครับคุณหมอภาชนะปศุสัตว์วันนี้คุณหมอภาคนงะไงวันที่เท่าไหร่ละอาจารย์เน็ดมันลุดไปเรื่อยๆตอนนี้ครัอาจารย์รู้สึกเป็นส่วนหนึง่งของที่นี่เลยนะคะรู้สึกว่าดีแล้วก็นั่ง นั่งกับเรือนทงกลมได้สิจชั่วโมงค่ะสลับกันแต่ละสองชั่วโมงพรุ่งนี้จะเพิ่มเป็นสามชั่วโมงเตรียมตัวไปดิฟนาอยากเป็นถามพระอาจารย์ว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมคะพระอาจารย์ที่แนะนำก็นี่แหละสมาธิปัญญาสลับกันไปสติสมาธิปัญญาทั้นหมดให้สติสละปัญญาด้วยพระอาจารย์แล้วตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติคือแบบเราคือรู้สึกดีกับครั้งแรกที่มากับครั้งนี้รู้สึกต่างกันเยอะมากเลยพระอาจารย์มันไม่ไม่กลัวไม่กล้า คือมันมันเข้าใจตรงนี้อาจารย์ให้จิตเป็นดูเบตคาให้มากที่สุดตลอดเวลารอเวลาได้ค่ะอาจารย์มันง่ายเพราะว่ามันมันมันเรียบสงบแล้ววีเวกก็คืททำตลอดใช่ไหมคะอาจารย์แล้วเพิ่มเป็นสามชั่วโมงใช่อย่างละสสลับกันหาจะไปเราไปหาแล้วเรากระตุ้นดูว่าจิตเนี่ยยังตื่นเต้นตอกใจวากลัวอะไรหรือเได้อะไรกระตุ้นเับอาจารย์กระตุ้นเลยแล้วแต่เส็จที่มัน นิ่งเดินเขาไป่ได้ผูงกวางเลยค่ะเขายาวก็เดินขึ้นไปตรงกลางฝูงไม่มีอะไรเลยมันกลายเป็นเพื่อนกับกวางไปแล้วพะย่อาจารย์สามารถเจะกบผัวมันได้แล้วเอ้วก็เสือไปมูเจอแล้วลิงเป็นฝูงสองร้อยตัววิ่งมาวิ่งมาแล้วก็วิ่งมาหาเรากลางผูงก็ไม่กลัวแล้วรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งธรรมชาติเลยพ่ะอาจารย์อย่าไปหาอื่นให้มันกลัวบางขึ้นการมันเป็นการลาออกมาเดินข้างหนอกบ้างก็ได้ ได้พระอาจารย์เดินอยู่แล้วค่ะเมื่อกี้ก็เดินหาสัญญาพระอาจารย์เดินเดินไปหาสัญญาณค่ะอันนี้รู้สึกคนขาทำใจแล้วค่ะอาจารย์เรื่องเรื่องความกลัวความกล้านะคพระอาจารย์รู้ึใจที่พระอาจารย์บอกเป็นใจมันเฉอกับทุกสภาพเหตุการณ์มาทดลองทุกสภาพเหตุการณ์ดูค่ะได้จะทดลองไปยินแลยคือทดลองตรงเนี้ยเขารู้สึกว่านิ่งมากเลยพระอาจารย์รู้สึกนิ่งแล้วใจก็ใจก็ใจสงบค่ะอาจารย์ ก็คือทาต่อใช่ไหมแล้วเดี๋ยวอทิตหน้าไปอาจจะไม่มีสัญญาณนะคะอาจารย์ขอทิตหน้าเพราะว่าไปถึงวัดทําเป่าค่ะเมื่อกี้นี่ตอบต้อนมีใครคนอยากนะคจรย์จริงจริงนึกถึงอาจารย์สาทิันนะครับอาจารย์สาทิพย้องข่าานขอนแกนนะคะจริงๆแล้วใกล้อาจารสายทิพยนะวัดทําเต่าอะค่ะจริงๆถ้าอาจารย์สาทิพไปเดี๋ยวเดียวถ้าอย่างไเดี๋ยวไปไปจะลองเรียนถามท่านเพราะว่ามีคุณเหมียวก็ถามเหมือนกันค่ะ จะลองเยนถามพระเลยเพราะว่าว่ามีอะไรยังไงเพราะว่าเขาว่าเข้าใจว่าวัดไกลแล้วเวลาไปเขาต้องดูตัวเดี๋ยวจะถามให้ถามเพื่ออาจารย์ไส่ทิปกับกับคุณเหมียวแล้วคุณเหมียวเขาไลน์มาถามโอเคค่ะไนะไบัตรไปนะสูไม่ถอยจะไปจะถึงจุดหมายขอบคุณมากคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะโอเคครับสัีครับีคุณมาดวยไคะที่โทรารับกันหน่อยสันดีไปที่เฟซบุ๊กขอบคุณเฟ ่อตอนนี้มีเข้ามาทั้งหมดประมาณสิบคาถามนะคะคำถามได้เลยคำถามที่หนึ่งนะคะจากคุณนนทละ อ, องค่ะมีคําถามค่ะว่าธาตุไฟต้องดูอย่างไรถึงจะรู้คะร้อนเนี่ยความรอ้อนในธาตุไฟเวลาเราเป็นไข้เนี่ยแสดงว่าธาตุไฟมันมากกว่าธาตุอื่นๆมันเริบธาตุไฟําเริบมันเลยเกิดอาการไข้กันมาดยความร้อนในร่างกายข คำถามต่อไปจากคุณประยูนยค่ะกราบนมัส ก, การเรียนถามพระอาจารย์ค่ะหากเราไม่ได้หากเราไม่ได้ฌาน เ, เข้าอุเบกขาไม่ได้เราจะสามารถใช้ปัญญาจนเป็นพระอริยบุคคลโสดาบันได้หรือไม่ครับได้แต่คงจะยากเพราะว่ามันไม่มีกาลังที่จะสู้กับกิเลสพ อ, อคำถามต่อไปจากคุณนายเนยค่ะกราบเรียนสอ การเรียนสอบถามท่านพระอาจารย์ด้วยความคารบอย่างสูงครับหากผู้ปฏิบัติสามารถเข้าสมาธิระดับอัปปนาได้แล้วบางครั้งมีอุปจารสมาธิเกิดขึ้นเราต้องคอยควบค control ให้อยู่ในอัปปนาเพียงอย่างเดียวหรือเปล่าขอรับไม่ควรไปทางอุปจารสมาธิเพราะมันเป็นการไปเที่ยวไปเนิ่งควรจะอยู่กับอัปปนาเพราะเป็นการสร้างอุเบกขาให้มีกำลังมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเรานั่ง ถาเราต้องการจะไปทางวิปัสสนาเนี่ยเราต้องอยู่ในอัปปนาสมาธิเพื่อให้เกิดอุเบกขาให้มากขึ้นไปเรื่อยๆเมื่ อ, เ, อเวลาเราจะทำวิปัสสนาเราจะได้มีกำลังตัดความอยากต่างๆได้คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ด้วยความคารวะอย่างสูงว่าผู้ปฏิบัติจะแน่ใจอย่างไรว่าการปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมแล้วครับว่าทุกหมดไป เราทุกขกับเรื่องทุกขกับเรื่องนั้นเรื่องนี้หมดไปครับบรรลุธรรมขั้นแรกก็ต้องหมดหมดความทุกเก็บยวกัร่างกายของเราร่างกายของคนหนึ่งเราต้องไม่ทุกข์เลยว่าจะแก่จะเจ็บจะตายจะเป็นยังไงนี้ใจเราต้องไม่ทุกข์คําถามต่อไปจะคุณ multiversal unity ค่ะกราบนาัสการครับขอโอกาสครับความว่างจากการไปติดสภาวะรุมแต่งความว่าง กับความว่างจากความไม่ปรุงแต่งต่างกันอย่างไรครับถ้ามันปรุงแต่งมันก็ไม่ว่างมันจะว่างเราต่อว่าเราอยู่คิดปรุงแต่งคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณวราค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะความรู้สึกผิดเกิดจากกิเลสตัวใดคะมันไม่ได้เป็นด้วยกิเลสมันเป็นปัญญาถ้าเราทาอะไรผิดนี่แสดงว่าเรามีปัญญาเห็นว่าการกระทา ผิดถูกดูเชื่ออยากนี้นายเขาเรียกมันปัญญาคำถามต่อไปจากคุณอรณิชาค่ะกลับนามัส ก, การพระอาจารย์ค่ะขอกราบเรียนถามว่าหนูชอบสะบัดมือตัวเองเช่นหยิบผ้าหยิบแก้วหยิบของใดๆก็จะสมัดสะบัดมือตัวเองบ่อยครั้งทั้งที่เมื่อก่อนก็ไม่เคยเป็นเจ้าค่ะหนูต้องตั้งสติหรือสมาธิแบบไหนคะถึงถึงจะถึงจะแก้ปัญหานี้ได้ค่ะ ก็คอยดูมือเราเยลยเวลาเราหยุดอะไรก็คอยดูมันพอมันจะสบายก็ถ้าเราดูมันแล้วก็หยุดมันได้คำถามต่อไปจะคุณวาสนาค่ะขอยาแก้ความไม่ขยันหมั่นเพียรครับผมพม ข, ขยันความไม่ขยันหมั่นเพียรก็ที่เกียรติเนี่ยถ้าที่เกียรตก็ไม่ปฏิบัติไม่นั่งสมาธิไม่เดินจนงกลมก็เรียกว่าขี้เกียรไม่ขยันหมั่นเพียร คำถามต่อไปค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์การที่เราฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเป็นบาปไหมเจ้าคะไม่บาปหรอกฆ่าเชื้อโรคนี้ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีวิญญาณที่ถ้าทําสิ่งที่มีวิญญาณเสียชีวิตแต่ถึงจะบาปคือสิ่งที่ต้องมีตาหูจมูกเล่นกายถึงจะมีวิญญาณไปเกาถ้าเาัาเม่นตาหูจมูกเลนกายนี่วิญญาณจะไม่ไปเกา คำถามต่อไปจะคุณสอนโยงพงเดชค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าการปฏิบัติน้อยลงทําให้อุเบกขาหรือความเจ็บของร่างกายค่อยๆเสื่อมค่อยๆหายไปคุณจะเพิ่มการปฏิบัติขึ้นใช่ไหมเจ้าคะขอกราบเรียนถามค่ะใช่ถ้าปฏิบัติน้อยอุเบกขาของเราก็จะน้อยลงใจจะนิ่งน้อยลงใจเราจะวู้นวายมากขึ้นถ้าปฏิบัติน่าใจเราก็จะวุ่นวายน้อยลง จะได้งมากขึ้นคำถามต่อไปจะคุณอนุสอนค่ะขอโอกาสขอรับสิ่งที่ทำได้ยากให้เข้าใจเช่นไรตามแนวพระพุทธศาสนาครับก็การเห็นนารยศสตร์รับการเห็นใจรักในกเสร็จที่ยากคับเป็นคำถามสุดท้ายค่ะต้องพยายามศึกษาพิจารณาให้เกิดความเข้าใจอยู่เรื่อย อันนี้าาสัตว์สีทุกใจเกิดจากความอยากของวิเลกทุกใจดับได้ก็เพราะการปฏิบัติธรรมสิ่งสมายที่ปัญญาอย่นี้ะสิ่งที่เป็นตายร้า ก, ก็เกิดทุกเสิ่งทุกอย่างในโลกที่มันไม่เทียมมีเกิดแล้วก็ต้องดับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเในร่า ง, นางกายของเราเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันเป็นอนัตตาไม่เป็ น, น, นเป็น ม, มีใครเป็นเจ้าของ เป็นของธรรมชาติมันเปลี่ยนไปมันเกิดมันดับมันเปล่งไปตามภาวะเป็นธรรมชาติของมันถ้าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นไปก็จะทำให้ใจต่อทุกข์นี่คือการเข้าใจใจรักซึ่งเป็นของยากอาไนะเนี่วันนี้คิดว่าคำถามทุกคนก็ได้ถามไปหมดแนละ้วเวลาก็พอสมคนวรจะเวลา ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปคิดพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ